เจริตพรท่านสาธุชนพุทธบุตสัตว์ทุกท่านที่มีความสนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาพบปะสนมนาธรรมในครั้งหนึ่งใครมีคำถามใครอยากจะเข้ามาก็เชิญเข้ามาได้ทุกท่านแต่ต้องรอคิวถามคำถาม จะไล่ไปตามลำดับของผู้ที่ใครเข้ามาก่อนเข้ามาลังอันนี้ผู้ที่เข้ามาคนแรกก็คือคุณธรรมวรรณจากสามเสนขอเชิญคุณธรรมวรนณในวัฒการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามากลาบเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะอย่างเงินไปที่คุณสาธกาเชิญคุณสาธกาต่อค่ะ พระอาจารย์จะถามพระอาจารย์นะคะที่พระอาจารย์เทศนะคะว่าเอ่อทำอย่างไรจะไม่ให้เราโดนกิเลสหลอกนะคะเพื่อที่เราจะไปสู่นิพพานนะคะพระอาจารย์ระหว่างทานอย่างเนี้ยคะ่ะเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องคอยศึกษาพระธรรมกับสอนของพระพระุทธเจ้าอย่เรื่อยๆ แล้วก็ต้องคอยให้มีความรอบคอบว่าการกระทําของเรานี่ไม่ได้นําไปสู่ความวุ่นวายใจต้องนําไปสู่ความสงบพระอาจารย์ลองแยกตรงที่ว่าทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจกับทําให้เราสงบอะคะ่ะมันมันแยกยังไงบ้างคะ่ะ ถ้าเราไม่สบายใจก็แสดงว่าเป็นเรื่องกิเลสนะกิเลสทำให้ใจเราร้อนอทำมาทให้ใจเราเยนถ้าถ้าสมมติว่าเรานิ่งตลอดอย่างเงี้ยค่ะโดยที่แบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแสดงว่ากิเลสไม่ไม่ก็แสดงว่ามันยังไม่แสดงตัวออกมาก็ได้คือเรามันไม่มีเหตุการณ์ที่จะชุดลากมันออกมามันก็อาจจะ ซ่อนอยู่บางทีเราถึงต้องไปหาเหตุการณ์ทดสอบจิตใจดูว่ามันจะออกมาหรือไม่ออกมามพระอาจารย์เราอีกอันหนึ่งที่พระอาจารย์เคยพูดอะคะ่ะคือกิเลสอะมันมีแบบหยาบซึ่งเราสามารถที่จะรู้ได้แล้วก็มีแบบการแบบละเอียดทีนี้ลูกอยากให้พระอาจารย์เนี่ยอธิบายแบบการกับแบบละเอียดอะคะ่ะกิเลสอะคะ่ะแบบการแบบละเอียดเนี่ย แล้วกแบบ็ให้ให้ยกตัวอย่างก็ให้พระอาจารย์ลองลองวิเคราะห์อะค่ะให้ให้ตัดตัดกิเลสอย่าง อ, ออกไปอะค่ะเป็นส่วนใาญมันก็เกี่ยวข้องร่างกายเกี่ยวกับร่างกายกกมันเป็นส่วนใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นได้แล้วแบบกลางล่คะพระอาจารย์แบบการก็อาจจะเป็นแบบพวกเวท น, นา สัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นนามธรรมอมแล้วถ้าละเอียดกับพวกธรรมะลงที่อยู่ในจิตเนี่ยอืคือเราอาจจะคือมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็คืออาจจะไม่ไม่ได้ดับไปแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกว่ายังไงกับมันใช่ไหมคะพระอาจารย์อย่างนี้ได้ถ้าเราปล่อยวางเราไม่ไปยึดไปติดกับมันไม่ไปทุกข์กับ God, มันก็ใช้ได้ อ๋อค่ะแต่บางทีก็คือถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ทําอะไรให้เราแต่ว่ามันบางทีมันก็เราอาจจะไปคิดแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใจเราก็ยังนิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันก็เกิดได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาไปรักไปจับอย่างนี้ได้ไหมคะพระจักก็คอยสังเกตดูเมื่อใจเราทุกข์มันทุกถ้าทุกข์ก็แสดงว่าอกิเลสจะมาทํางานเยู่ เออเราจะ้คำพัญญาไปหาสาเหตุ ข, ของความทุกข์ขึ้นตามหลักปริยศัจ ส, สีก็คือมันก็มาจากความ อ, อยากต่างๆของเรานี่แหละอยากเป็นดีอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อืมคือมันมันมันคือมันมันไม่ได้ทำอะไรอะค่ะก็คือมันนิ่งนัแหละแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรอะพเาจราิญไม่ทุกข์อะไรก็อยู่ยนี้ไปก่อนแนละ้วเนี่ย โอค่ะทำไมเราไปขวนจนกว่าจะมีความทุกข์เกิดร้อนใจขึ้นมาแล้วก็ทั้สำรวจดูว่าโอแต่เรากย็ยึดหลักที่พระอาจารย์บอกคือมักน้อยสันโดษทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาอย่างนี้ค่ะใช่ไหมคะใช่ก็ทำไปทางปกติของเราเอางโอค่ะค่ะพระอาจารย์งั้นแค่นี้ค่ะพระอาจารย์ น้าเมื่อคืนนี้เข้ามาทางภาพภาษาอังกฤษคืนนี้มาภาษาไทยต่อ ม, มีอะไรไหมวันนี้การน้มักการครับอาจารย์ก็วันนี้ก็ทั้งมาส่งกันบ้านแล้วก็มาถามคาถามพอาจารย์เหมือนเดิคมค่ะแล้วก็คือจากกันบ้านเมื่อวานนะครับเมื่อคืนครับที่พอาจารย์ให้ให้ไปที่ว่าให้เปรียกตัวเองเหมือนเป็นทาตเลยอะครับแล้วก็ เวลาที่พ่อกับแม่สั่งอะไรมาก็ทำตามะคะ่ะอาจารย์ก็วันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมก็ไปขอโทษคุณแม่ที่ว่าก่อนหน้านี้ไปทำหน้าแบบรังคาญเวลาเขาบ่นนะครับแล้วก็บอกเขาว่าต่อไปนี้ถ้าต้องการเรียกใช้อะไรก็เรียกใช้ได้เลยจะไม่ขัดข้องเลยวันนี้ทั้งวันก็ทำตามหมดเลยะครับอาจาแม่สั่งอะไรมาก็ทำหมดเลยแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้ทะเลาะ ก, กับคุณแม่เลยครับ ห้ามเถียงนะห้ามเถียงชนะอบกันแม่ไม่ถูกใจเราพักเก็บไว้เฉยๆถ้าสงสัยอะไรก็ถามได้แต่ต้องถามด้วยความวอากอรองอย่าไปถามแบบได้เชิงเถียงจย์แล้วก็อย่างที่ได้เล่าให้พระอาจารย์ฟังนะครับว่าเดี๋ยวนี้เวลาตื่นมาครับพอตื่นปุ๊บสติมันจะไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็พุดโธ ท, ทันทีเลยครับพระอาจารย์ ก็ดีแสดงว่าสติเราเริ่มทำงานแล้วก็พยายามฝึกสติไปทั้งวันให้มีสติอยู่กับลมถ้าดูลมได้ก็ดูลมไปแต่ถ้าทำงานทำอะไรก็ดูงานที่เรากำลังทำก็ได้เช่นเราก็น้ำหนักน้ำก็ดูการอนักน้ำของเราก็ได้ะเอาลมมันะาจจะดูยากเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวทำอะไรต้างๆก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป เลยถ้ามันดูแล้วมันยังไปคิดเรื่องนั้นนี่อยู่มาใช้พุโทโธช่วยหยุดมันต้องพุโทโธพุโทโธไปเวลามีอารมณ์ไม่มีเวลามีอารมณ์โมรธเย็นอะไรคก็ต้องพุโทโธไปแสดงว่าไม่มีสติอารมณ์ถึนเกิดถ้ามีสติแล้วอารมณ์จะไม่เกิดแล้วก็วันก่อนก็ได้ไปฟังธรรมะที่พระอาจารย์ไลฟ์สดนะครับแล้วก็ ได้ยินได้ยินที่พระอาจารย์เล่าถึงการเพ่งกระสีนะครับอาจารย์แล้วก็ผมเคยได้ยินมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรพระอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับมันก็เหมือนการเพ่งดูลมหายใจเพ่เป็นอารมณ์ที่เราใช้ฝึกจิตได้เช่นบางคนนี่มีความสามารถที่จะนึกนึกถึงสีใดสีหนึ่งเวลาหลับตายนึกถึกสีเขียวให้มันอยู่ใน ในมโนภาพก็ให้พยายามสร้างสีเขียวขึ้นมาในมโนภาพแล้วให้มันอยู่ตั้งอยู่นานอย่างนี้ก็เป็นเหมือการดูลงแทนที่จดูลวก็ดูสีแทนแต่สีนี้เราต้องสร้างขึ้นมาเราต้องสร้างด้วยจินน า, นาการต่างส่วนดูลงนี้เราไม่ต้องเพราะว่ามันมีอยู่แล้วค่ะพระเจ้า สีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้สีขาวก็ได้สีสีเหลืองก็ได้สามารถเลือกสีที่เราถูกจริกับเราแล้ว เ, เห็นแล้วเย็นสบายใจ่งเงยถ้าเป็นอารมณ์ที่จะทำให้เรามีสติทำให้จิตเราสมบได้ แล้วเวลาที่เรานั่งสมาธิเราบริกรรมพุทโธเพื่อทําพุทธานุสติอะคร่ะอาจารย์ครับก็ผมก็สงสัยว่าเพื่อจะให้เป็นพุทธานุสตินอกจากบริกรรมพุทโธเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ด้วยไหมครับหรือว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นถ้ามีพุทโธก็ถือว่าก็มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วชื่อพระพุทธเจ้าแต่บางคนอยากจะนึกถึงพระพุทธรูปก็ได้เหมือนกันนึกถึงสีอ่างเงนึกถึงพระพุทธรูปกด้วย แล้วจ้องจ้องจ้องดูภาพถ่ยายห้หายไปจากมโนภาพบาง ค, บคนที่เริ่มต้นใหม่ๆอาจจะสวนบทอิติพิโสไปก็ได้เนื้นฐานนุสตก็แล้วแต่สามารถเลือกวิธีการต่างๆนะเ้าหม้ก็คือเพื่อให้เราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ แล้วก็ได้ค่ะพระอาจารย์ผมสงสัยอะครับพระอาจารย์อีกอย่างหนึ่งว่าการปฏิบัติบูชาคืออะไรอ่ะค่ะก็เวลาบูชาก็คือเราเราแสดงความเคารพกับบุคคลที่เราเคารพ บ, บุคคลที่เราคิดว่าเป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นพ่อแม่พ่อแม่มีพระคุณกับเราให้กาเนิดเราวิธีบูชาก็มี อยู่สองชิดเท่ากันวิบูชาด้วยเครื่องสักการะที่เราไปซื้อธงอะไรม า, มาแล้วก็มากราบเท้าพ่อแม่แล้วก็เอาดอกไม้มอบให้กับพ่อแม่แสดงว่าแสดงถึงความเคารพของเราต่อพ่อแม่เช่นวันเกิดพ่อแม่วันพ่อวันแม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นวันพิเศษเราจะทำทุกวันก็นได้ท่านพระเจ้าสอนให้พวกเรากราบพ่อกรบแม่ทุกวัน ถึงนม้ทําไม่ได้กราบต่อหน้ากับกราบที่เตียงเราก็ได้เวลากราบพ่อเสร็จแล้วก็กราบพ่อกราบแม่อีกต่อเพื่อรลืมถึงพ่อคุณท่านเวลากาบอาจารย์แล้วกพ็พ่อให้กําเนิดเราแม่ให้กําเนิดเรายิ้มดูเรามาไม่มีพ้อไม่มีแม่เราอาจจะเป็นขอทานข้าถนตนตอนนี้ก็ได้อาจารย์คิดอย่างนี้เป็นการนาลึกให้เราลืมบุญคุณเข้าใจไหมคะ อันนี้เป็นวิธีการบูชาด้วยการใช้เครื่องสักการะแล้วมีวิธีหนึ่งของการบูชาเขาเรียกว่า ป, ปฏิบัติบูบชาคือทําตามคําสั่งของพว่อแม่คำสั่งคําสอนของพ่อแม่พ่อแม่ทํางใ้ทำอะไรก็ทําถ้าไม่ขาดกับศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ทําถ้าขัดกับศีลธรรมขาดกับกฎหมายก็ไม่ต้องทำแต่ไม่ต้องเทียมก็ดื้อแผงไปเฉยๆไป อาจารย์อีกคําถามเดียวครับอาจารย์ผมสงสัยอะครับคือมีญาติผู้ใหญ่ของเราอะครับที่เราเคารพรักครับแล้วก็มีพระคุณกับเราอะครับท่านก็เสียชีวิตแล้วก็ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าเราต้องการจะอุทิศบุญกุศลเวลาเราปฏิบัติทำแล้วก็ทําสิ่งดีๆบุญกุศลต่างๆไปให้เขาครับเราต้องทอํายังไงครับแล้วเขาจะได้รับไหมครับคือบุญอุทิศใ้ ตามหลักแล้วให้ทําบุญทักทายเช่นบริจาคเงินให้กับวัดให้กับองค์กรโรงเลลงรียนโรงพยาบาลเนี้แล้วก็อุทิศไปเพราะบุญที่อุทิศจากการปฏิบัตินี้มันยังไม่มันยังไม่สําเร็จการปฏิบัติของเรามันยังไม่บรรลุผลก็คิดว่มามันจะยังอุทิศไม่ได้ แต่ที่อุดที่ได้แน่ๆคือเวลาเราทําบุญปั๊บพรจากมันสักสิบาทเนี่ยแล้วก็อุดที่บุญนี่ได้แล้วเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจครับพระอาจาแล้วก็เมื่อกี้มีคําถามพุทขึ้นมาในหัวอีกข้อเดียวครับพระอาจารย์ก็คือสงสัยอะครับว่าเวลาที่เราสวดมนต์นะครับแล้ว ประมาณหน้าสุดท้ายนะครับจะมีบทแผ่เมตตาค่ะบทแผ่เมตตาจำเป็นไหมครับพระอาจารย์คือการแผ่เมตตาที่แท้จริงต้องแผ่ด้วยการกระทำใช่เวลาเราพบกับเพื่อนนี่เราก็ทักท า, ายเขาท า, าเมตตาก็คือความมีไมตรีจิตทักท า, ายเป็นยังไงสบายดีเล้อะไรองนี้หรือถ้าจะ แผ่เมตตาด้วยการเอาของมาฝากเขาก็ได้มีขนมกินมาแบ่งกันกินอะไรก็เรื่อเมตตาแต่การส่วนนี้เป็นการเตือนใจเราให้เรารู้ว่าเราต้องรู้จักวิธีแผ่เมตตาซึ่งมีอยู่สี่ลักษณะ เ, เวลาโหนดคือไปให้เราให้อภัยกันไม่จองเวรกันเวลาเพื่อนทําอะไรให้เราไม่พอใจเราก็อยากไปโกรธเขา อยากไปทาร้ายเขาอา น, นิคารานอนิคาราหนตกก็คืออัพยาประชาชนตกคือไม่เบียดเบียนกันทำอะไรก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อืนน่นอานิคาราหตกก็อย่าไปทําให้ผู้ทุกกายทุกใจสุขียาตานังปริหะรันตุมแปลว่ า, วาให้ความสุขแก่ผู้อเช่นให้ขนมให้ของเล่นธ้าเรามีของเล่นหลายอัน เราแบ่งให้เพื่อนที่ไม่มีเขาได้สักกันอย่างนี้เขาก็จะได้มีความสุขแล้วถ้าเราไม่สามารถทําแบบให้เขาได้แบบทางกายเลยอะครับไม่ได้เราก็เชยๆไปไม่เฉยๆไปอยๆๆป่างนั้นก็ยิ้มให้กับเขาได้ยิ้มให้กับเขาได้เวลาเขาทำร้ายเร า, าเร า, าก็อย่าไปโกรธเขานอย่าอย่าไปจ้องเวรจองกรรมอย่าไปสาดแช่งเขาเลยจ้ะครับ อาจารย์นะค่ะอาจารย์คุณปุญญาณุตตอบคุณปุญญาเชย อ, อยู่ที่ไหนอ่ยคุณปุญุหอยู่กรุงเทพคะ่ะพระอาจารย์กรุงเทพค่ ะ, ะวันนี้หนูเข้ามากล่าบและร่วมรับฟังคะ่ะพระ อ, อาจารย์ไม่มีคําถามนะมีคำถามค่ะโอเคมาที่อตทิตย์าหรออาิตาอาตตาอาร์เรลสองพี่น้อง อยู่พัทยาใช่ไหมสีรัชกาลพระบาทชาญชัยชาญการธรรมัสกังข์ครับคุณบ่อเป็นชาวอะไรนะอังกฤษครับอังกฤษนะโอเคอันนี้มีคําถามอะไรไหมก็ก็คือจะมารายงานครับจะมารายงานการบ้านที่พระอาจารย์ได้มอบหมายในอาทิตย์ที่แล้วครับแต่ว่ายังไงการบ้านมีอะไรบ้าง ก<อบ>็คื<ก>อไ<บ>ม่พูดโกห<อบ>ก<อบ>แล้วก็คิดก่อนพูดครับครับเออเอาไปไงทําได้ไหมไม่โกหกได้ไหมก็คือก็ได้ครับอืดีถ้าจะถ้าถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดอะไก็ได้เฉยๆไหมแต่ไม่ต้องโกหกบางทีแล้ว้องทีเราทําอะไรไปแล้วเราไม่อยากใอะไรก็รู้เราก็เฉยๆไป เรบอกไม่ได้ตอบไม่ได้คำนี้เขาคำอันนี้ตอบไม่ได้แต่ไม่ต้องโกหกก็ได้ถ้าต้องโกหกกับต้องกับการไม่พูดไม่พูดดีกว่าไม่พูดนี้ไม่เสียหายแต่ถ้าโกหกแล้วเสียหายเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนี้มีอะไรไหมอยากจะถามอะไรไหมก็ ขอการบ้านอีกได้ไหมคะการบ้านอีกอ่ะครับก็ก่อนนอนก็สวดมนต์นิดหน่อยก่อนนอนได้ไหมสวดมนต์อิติมนต์อิติปบุตรพุทธคุณธรรมคุณสังพคุณก่อนนอนนะน่ากรพระสามครั้งน่กรพ่อกับนม่ไม่ต้องไปกราบไม่ต้องไปกราบที่หน้าท่านก็ได้กราบที่เตียงนอนเราก็ได้ อนที่เราจะนอนก็สวดมนต์สวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิพันโนเห็นแลกราบพระครั้งละกราบพ่อแล้วกราบแม่เพื่อนำลึกถึงพระคุณของพระพุทธธรรมประสงค์และลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่พระพธเจ้าธรรมประสงค์นี้มีพระคุณกับเราเพราะท่านเป็นครูอาจารย์ที่จะให้ความรู้ให้แสงสว่างกับเราเพื่อเราจะได้เดิน ดำเนินชีวิตไปในทางที่สุขที่เจริญพ่อแม่ก็ให้ให้ร่างกายเราเลี้ยงดูเราก็ให้เราเลื่อถพุ่งถึงขั้นเหล่านี้อยู่เสมอไม่ให้เหลื่ถ้าเราทำนี้ทุกวันเาจะไม่เลือ่อแล้วก็ลองเอากันบ้านของน้าโมไปก็ได้น้โมก็คือให้ทําตามคําสั่งของพ่อแม่ทําตัวเราเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์มาจากเซิร์ฟเวอร์นะ จะครับอ่าเราอยู่บ้านพ่อแม่นี่เราอาศัยเขาอยู่เราเป็นเหมือนคนคนใช้คนรับใช้พ่อแม่จะสั่งให้เราทําอะไรเราก็ต้องทำพ่อเขาให้อาหารเราเขาให้ที่อยู่เราของพวกนี้เขาไม่จำเป็นจะต้องให้เรารู้แับเราบางทีอาจจะไปคิดว่าเขาเป็นพ่อแม่เราก็าต้องรีบเราเขาไม่เลี้ยงเราก็ได้มีพ่อแม่บางคนเขาไม่เลี้งลูกก็มีเขาก็ไปทิ้งถังอยากก็มีไปทิ้งไว้ที่อ่า แม่เลี้ยงเด็กกับภาก็มีเน้นพ่อแม่เขเลี้ยงเราเนี่ยเขามีบุญคุณกับเรามากเขาเป็นเหมือนเจ้านายเราเราเป็นเหมือนคนรับใช้เน้นเราต้องพยายามคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นคนรับใช้แล้วพยายามทำตามคำสัง่งแม่บอกให้ช่วยร้างจานก็ต้องรีบล้างจาน แ, แม่บอกให้ช่วยกวาดบ้านถึงมากแล้วเราช่วยกันทำไม่ใช่บอกผมไม่ทำมึงยาดเล่นเกมไม่ได้ จำตาคําสั่งของพ่อแม่ห้ามเถียงไม่ให้เถียงพ่อแม่ครับพ่อแม่พูดอะไรก็ฟังครับผมครับผมอย่างเดียวไม่พอใจก็ไม่ต้องเถียงเฉยๆไว้คครรัับบทําได้ไหย ไ, ได้ครับลองทําปแล้วจะมีความสุขพ่อแม่ก็จะมีความสุข พ, พ่อแม่มีความสุขเราก็จะมีความสุขที่เราทําให้พ่อแม่มีความสุข ด, ดีไหม ครับโอเคลองทำไปนะลองทำาปนะครับครับอเครับทนีด้จอดนะครับขอบคุณครับ่าเชิญคุณไปบูนต่อคุณไปบุญจากคอทมาอาครับนมัมารตรอาจารย์ครับครับเอ่อผมผมไปบุญอยู่พุทธพนนสายสองนะครับอาจารย์ครับอ่าใช่อันนี้มีอยู่สองข้อครับคือข้อข้อแรกเนี่ย คือเหตุการณ์เมื่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วีเรื่องการขับรถนะฮะพอขับรถผมก็ไม่แน่ใจว่าผมไปทํายังไงให้คนคนขับรถท้างหลังเขาก็ไม่พอใจเขาก็ขับมาแล้วลักษณะว่าเหมือนกับจะค่อนข้างโกรธลุนแรงมากนะฮะผมผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็พยายามขับไปธรรมดาแล้วก็เอพยายามระรับจิตแต่รู้สึกว่าในขนาดนั้นเนี่ยจิตเรามันค่อนข้างจะพันเอกกระจาย ม, มันแสดงถึงอาการว่าเราเนี่ยยังมีกําลังของสติสมาธิเนี่ยไม่เพียงพอหรือหรือเลื่อย อ, อ, อย่างไรครับใช่สติแล้วน้อยมันเลยครับมันเลยไปตามอามรมณ์อารมณ์ลยพาไปแต่เราก็คือเราเราไม่ไม่ไม่ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปตอตโต้ฮะเราก็ขับของเราไปธรรมดา<ช>นะอ่เพราะว่าถึงทางแยกเราก็แยกกันไปอย่าง้แต่ว่าในขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเรามันมันแพนิคมากอ่าจิตใจเรามันไม่ปกติเลยนะพยายามท่องรูงทเทอไปใชครับจิตใจแล้ว ไม่ปกติก็ท่าพุทธรทอไก็พยายามปล่อยวางตัวนั้นได้ก็ค่อยๆจางไปเรื่อยๆคือคนบนทรรรน้องถนนเนี่ยเราก็เป็นรู้หรอกว่าบางทีกขมีอา ร, รมณ์มาจากเรื่องไหนกลายก็ได้แล้วพอมากระทบอะไรนั่นงิดเดียวาการระเบิดขึ้นมาได้แสดงอาการเหมือนแบบอุราร้ายครับผมออวาม่าทําไมต้องขนาดนั้นเลยครับครับผมแต่คนบนถนนนี่ส่วนใหญ่ มีจะรีบไปนกันทุกคนนะครับจนรีบไปรูปร่นนี่มานี่กันพอไปไม่ได้ก็หมดเหลียดตำค า, าก็ากอดคนที่ที่ว่าทำให้เขาไปไม่ได้ครับผมก็อย่าไ่ถือษาเลยนะครับปล่อยวางไปฮะก็แต่ก็เนแต่เมตาไปครับก็มาฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นให้มันเกิดการสติเราจะได้มีกำลังสติในขณ ะ, ะใน ลดลดความแอนนิคอะไรตรงนั้นลงไปได้ได้ม้างนะครับใช่ฝึกจิตคุณใช้พุทธโธพุทธโธเรงจิตกลับะนะจิตมีอารมณ์มันวายใจเราใช้พุทธโธพุทธโธไป อ, อีกข้อหนึ่งนะครับอคือช่วงนี้ผมก็อ่านศึกษาพระไตรปิฎกฉบับประชาชนนะครับการในใ น, ในสัปดาห์ก่อนก็ที่ที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังก็คือผมก็อ่านไปเรื่อยฮะตอนนี้ก็อ่านจบในส่วนของพระวินยัย ของภิสูนแล้วในส่วนของภี่สุนีผมผมข้าไมไปก่อนรนะเพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ก็ก็พยายามอ่านอยู่นะครับ น, นี้มามันมีมีประเด็นที่เกิดขึ้นมาในในใจก็คือว่าสมมุติว่ามีคนมาถามถามเรานะครับรอาจารย์ว่าจุดเป้าหมายเป้าหมายของการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรซึ่งซึ่งเราเราเราเร า, เราเรียนเราอ่านเราก็เข้าใจว่า ในเรื่องของอการเข้าใจในเรื่องของอริยสัจสี่การเข้าใจในเรื่องของไตรลักษณ์ต่างๆนะฮะแต่ว่าเมื่อเมื่อจิต เ, เนี่ยสําเร็จแล้วหลุดพ้นแล้วเนี่ยแต่ว่ากา ย, ยากายกายหยาบนี้ยังยังมีสภาพที่ยังยังใช้งานได้อยู่นะฮ ะ, ะมันมันก็จะมีระยะเวลาช่วงเนี้ยเราจะตอบเขายังไงว่าเอ้แล้วช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเราเมื่อเราถึงเป้าหมายแล้วนะ่ะมันเราจะทําอะไรครับอาจารย์ ก็ทำแบบว่าพระเจ้าพระเจ้าก็ตัดสรุ้ตายที่อายุเท่าไหร่สามสิบห้าสสิบ้าแล้วก็เผยแ่สี่สิบห้าปีนแหละกเยทำไปพุทธกิจมีอยู่ห้าข้อนกรข้อหนึ่งตอนวายแสดงธรรมให้กับคารวะญานข้อสองตอนตอนตอนค่ำแสดงธรรมให้กับภิกษุภิกษณรับตอนเด็กแสดงธรรมให้กับเทมดา ตอนช้ามเมื่อก่อนจะออเสร็จออกมินทบทก็เี่นยานหรือว่าจะไปตรวจใครเป็นกร น, นี้พิเศษในวัน น, น, นั้นแล้วก็ออกมินทบะนี่คือกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบัติทุกวันยกเว้นถ้าเกิดไม่สบายอะไรขึ้นมาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตท่านรียกว่าพุทธกิจห้าสาวงทั้งหลายก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นพอท่านใส่กิจของท่านท่านก็ทกิจให้กับผู้ ทางที่พรเจ้าสรงตัสได้ว่าจงยังประโยชน์ของตนให้ถึงจงยังประโยชน์นนของตนหน้าของพูดอืให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทาแต่ต้องทํากิจวองเราให้เสร็จของประโยชน์ของเราให้เรียงน้อยเราจึงสามารถไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ก็เหมือนกับนักศึกษาที่จบป ร, ริญญาบางคนก็ไปเ ป, เป็นอาจารย์ต่ออไมก็แบบเดียวกัน ความรู้ของคนที่เขายังยัง ม, ม, มีความรู้อยู่เขาจะเรียนรู้ศาสนาถึงจะจ ะ, จะเริยมาได้ถึงทุกวันนี้ครับมีการคือขั้นเบื้องต้นศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติเสร็จก็บรรลุใช่ไหมสำเร็จพอบรรลุแล้วก็เผยแผ่อไปพอเผยแผ่ก็จะได้มีผู้รุ่นรุ่นต่อไปมาทำหน้าที่แทนเราเวลาเราตายไปใช่มรุ่นคน คนที่มีอายุมากก็ตายไปรุ่นใหม่ก็มาทําหน้าที่ถ้าละหันรุ่นใหม่ก็มาอยู่เรื่อยๆนั่นมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการเผยแบรรลุมีการเผยแพร่ที่จะบรรลุศึกษาปฏิบัติได้นี่ต้องมีคนที่บรรลุแล้วเราสอนนะนี่ก็คือวิธีรักษ า, าศาสนาไม่ใช่สร้างหัวสร้างใจดีกันวุ่นวายไปหมด มันไม่มันไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระของศาสนาเวลาทุกไปหาโบสถ์หาเจดีก็มันหายทุกคนเห็นไหมแต่ไปหาพระอรหันต์พระอริยสงฆ์สาวงเล่นสนธนาธรรมเล่นฟังธรรมกท่านนี้มันทําให้ใจโล่งใจบาขึ้นมาได้ัสึกแบบใจแบบปอดโปรงหรือว่าไอ้สิ่งที่เรามีควาใจไมไม่เข้าใจเข้าใจไม่เขจตะกี้ะขวงอยู่พอได้ได้รับฟังก็ก็เข้าใจเข้าใจขึ้ครับผม นั่นแหละคือคือศาสนาพูทไม่เนื้อหาสาระประเด็นสำคัญของศาสานาก็อยู่ที่ธรรมะและการบรรลุธรรมถ้าไม่มีผู้บรรลุธรรมแล้วศาสนาก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนผลไม้ที่มีแต่เปลือกไม่มีลกูกไม่มีไม่มีผลอยู่ขางใดไม่มีเนื้ อ, อ อันนี้สังเกตดูว่าเนือ้อสมงศาสนามีมีเยอะไมแทบจะหาไม่ค่อยได้แต่เปลือกนี่เต็มไปหมดเลยสาวว่าวันสูตรต่างๆนี่เต็มไปหมดเลยทางทุกวันเลยสร้างวันนี้ต้องสร้างบอกสร้างใจดีสร้างวิหารสร้างอุทารุ่เอาอุทารุ่มองมาเริ่มเทิมใหญ่โตมาโหรา คือในเบื้องแรกก็เหมือนกับเอาแบบเป็นเหยื่อที่ว่าอ้าวไม่ใช่เหยื่อหมายถึงว่าสิ่งที่มาล่อเพื่อให้เข้าเข้าพุทธศาสนาแต่ว่าพอนานๆไปกลายเป็นตัวนั้นกลายเป็นแก่นสําคัญของของคนที่ปฏิบัติไปคนทําไปนะครับก็ลเลยไม่เอาตัวแก่นของพุทธศาสนาม า, มาสอนกันใช่แก่นศาสนาคือคําสอนนี่บทเจดีนี่ไม่ไม่ไม่ใช่แก่ น, นเป็นเปลือกมีก็ได้ไม่มีก็ได้ พระพุตธจ้ามารู้ที่ไหนนะมารู้ในโบทในเจดีย์หรือเปล่ามารูคนต้นโพธิ์ในป่าเข้าใจนะเข้าใจครับขอขอบพระคุณพระอาจารย์ที่กราบนมัสการนะครับเป็นเรยมานะอยู่ที่ไหนเรยเข้ามาครา้งแรกใช่มั้ยเรยครั้งที่2ครับอาจารย์อยู่หุ่นทงนทงแฟ ครับพุทธมรตรต okay. มีอะไรไหมนี่ครับอาจารย์เวลาผมปฏิบัติธรรมแล้วเกิดอาการพอแทะผมควรทํำยังไงครับพอแท้ก็นึนแต่พระพุทธเจ้าเน้นแต่ความเปลียนของพระพุทธเจ้าเน้นแต่ความเปลียนของครูบาอาจารย์ต่างภาษาต่างๆท้อได้แทะได้แต่แต่ย่ออย่ายอมแพ้ทอบางก็หา อ่านนังสือธรรมะอ่านอะไรความเทศฟังมธรรมมันก็จะทําให้เราเกิดกําลังใจขึ้นมานะีครับครู่าอาจารย์ต่างๆของนกตามหาบัวอะไรเงี้ยอ๋อครับมันต้องฟังอยู่เรื่อยๆนะการฟังธรรมนี่เป็นการให้กําลังใจถ้าเป็นต้นไ ม, ม้ก็เหมือนกับให้น้ําต้นไม้ต้นไม้มองมันจะเฉาแล้วก็รีบตามน้าให้มันหน่อยเนี่ยมันก็เกิดพลังกำลังใจขึ้นมา สมัยที่เรายอยู่กับหลวงตายุคน้แรกๆใหม่ๆนี่ท่านจะเรียกประชมุมเรื่องอ์หลงพ่อทุกสี่ห้าวันพราะได้ฟังธรรมในท่านแต่ละครั้งแล้วมันนั้นได้กำลังกลับไปปฏิบัติได้มากกว่าตอนก่อนมาฟังธรรมตอตเราฟังธรรมในในากาที่ขายลานลาดใกล้จะหมดนล้วพอมาฟังตามก็เมือนท่านขายลานให้เราใหม่กระตุน้นกระตุ้นความเพียรให้กับเรา เพราะท่นะานยาวเรื่องการปฏิบัติเรื่องบทนิยการปฏิบัตินะลเล่าให้เราฟังมันจะทําให้เราเกิดในฉันทา่ามิตริยะขึ้นมาเนต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่างแน่อย่าปฏิบัติอย่างเดียวนะครับนะแล้วนับรองวราจะไม่ท้อแท้จะไม่เบื่อจะมีธรรมะหล่อเน้งจิตใจมึ่งต้องเอาใสายของกูบาอาจารย์ค่อนต่อไปเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราก็เริ่มสร้างธรรมะขึ้นมาในใจขเราเ ใช่นะมาทการอ่านหนังสือของพ่อเจ้ามาได้อ่านพระสูตรต่างๆก็ได้หนังสือวัตถประโยชน์ฉบับประชาชนนี่ก็ดีมีประโยชน์นีอ่ะแล้วก็จะทำให้เรามีกําลังใจขึ้นมาแน่ครับโอเคอเคท่านต่อไปคุณเอกปิษณกกทธรมอเหมือนกันใช่ไหมนมิศการครับอยู่กรธมอครับอาจารย์ มีอะไรไหอ่าวันนี้ไม่มีคําถามครับเข้ามาฟังธรรมครับเคยมาปฏิบัติที่วัดได้ใช่ไหมเคยแล้วครับร อ, อาจารย์คุณยินดีอยู่สหรัฐอเมริกาเซาท์แคโรไลนาเป็นงไงกลับถึงไปถึเรียบร้อยแล้วนะค่ะท่านอาจารายาา์อธิษฐานแล้วเราไปถึงแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะท่านอาจารย์ ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะถ้าอาจารย์เราก็ไม่ได้ทำอะไรถ่านอาจารย์ก็ทาค่ะท่านก็เป็นคนล่มถ้าเป็นล้มโพลลองไซส์ลูกมาตลอดค่ะท่านอาจารย์เดวิ้ฝากความคิดถึงค่ะท่านอาจารย์แล้วก็บอกว่าให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้ท่านท่านาค่ะ ลูกขอถามคำถามหนึ่งคำถามอะค่ะสพานไอ้ชาวตะวันตกของทางนี้ค่ะที่ว่านั่งสมาธิที่ว่าในารษณสของเทราของเทราปีอะค่ ะ, เ, ะ, คะเดี๋ยวจะทราบ ว, ว่าที่เขาเสียเงินเพื่อที่จะเข้าคอร์สทางด้านนี้เพื่อเพื่อเพื่อเพื่อทางด้านปัญหาชีวิตหรือทางด้านการเสริมพลังงานชีวิตในรษณะนี้กัดในรศาสเนี้ยไม่ทราบ ว, ว่า มันเขาได้กุศลผลบุญไหมคะในการแต่ก็แต่ก็ได้เงินเขาไม่ได้กุศลคนคนสอนเขาไม่ได้ไม่ได้กุศลแต่คนศึกษาก็ได้ถ้าเขาทำถูกวิธีก็ได้ถ้าทําแล้วจิตใจเขาสงบทําให้ความทุกข์เบาบางลงแล้วหายไปเขาก็ได้กุศลอ๋อค่ะค่ะแต่มันเป็นมันจะเป็นเือเป็นธุรกิจมันไม่ได้เป็นเหมือนที่พระเจ้าทํา พระเจ้า น, นี้ให้เป็นธรรมทานค่ะท่านไม่เก็บเงินเพราะคนคนจนก็จะเข้าไม่ถึงธรรมะถ้าถ้าเก็บเงินใช่ไหมค่ะจะเจ<ะ>้าเลยเปิดกว้างเปิดให้ทุกคนทุกคนด้วยจดก็ไม่เก็บเงินค่ะคือลูกสงสัยว่า คนที่ปฏิบัติยังไงยังไงถึงแม้ว่าคนที่ปฏิบัติที่ที่ที่สามารถเยียวยาก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสภะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเอที่หัวข้อว่าสมาธิบําบัดเออ่พวกเขาเหล่านี้ก็สามารถที่จะได้ผลบุญกุศลเหมือนกันถูกไหมคะท่านอาจารย์หมายถึงคนสอนหรือว <คน S 2> ่ า, าคนเียวบำบัดค่ะคนคนคนที่เข้าคอร์สอะค่ะท่านอาจารย์ถ้าเขาสอนถึงนล้วทำแล้วได้ผลทําให้จิตใจเขาเบาหายทุก ได้ ก, ก็ก็ถูกได้บุญบุญสมแต่ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลอะไรก็ก็ไม่ได้ได้บุญสค่ะเพราะมีเพือนซ้อนถูกไม่ถูกค่ะเพราะมีคนอยู่คนหนึ่งอะค่ะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งตอนที่สมัยอยู่อินเดียค่ะแล้วเขาบอกว่าเอ่อช่วยเขาได้เยอะแล้วเขาทําให้เขามีความสุขขึ้นหนูก็เลยอยากจะทราบว่าเอ๊ะการที่เขาสุขขึ้นแล้วเขาจะได้บุญตรงจุดนี้ไหมหรือนั่นแหละความสุขใจก็คือบุญ บุญดึกแปลว่าความสุขใจค่ะท่าอาจารย์ค่ะขอพอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ค่ะอาจารย์พร้อมวลาเชิญดรทอมออนุภูนกล่าวหน่วยวัฒการค่ะพระอาจารย์มยังไงมีอะไรไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะค่ะ อย่างนั้ก็ขอไปที่ท่านต่อไปเลยนะกับนวน้ำมาสการ์คุณเย่งโยมเย่งพิธีกรกทมหลักนมาสการสายสองสายสองค่ะใช้ค่ะพระอาจารย์กาบน้ำมการ์พระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะพอดีเลูกมีมีคําถามนิดนึงค่ะพอดีลูกอ่านหนังสือของหลวงตาค่ะพอดีมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงตาท่านท่านท่านเขียนไว้ว่า อ, อพระพุทธเจ้าอ่ะค่ะท่านทรงเราไึกชาติได้ว่าท่านเคยเกิดมาแบบเยอะมากค่ะเกิดเป็นเกือบทุกๆุกทุกๆุกกอย่างอ่ะค่ะยกเว้นยกเว้นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกอะค่ะทําไมถึงยกเว้นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกอะคะพระอาจารย์เนืน่อ ง, งจากว่าเป็นสัตว์ที่ที่ที่ต่ํามากใช่ไหมคะก็ไม่ทราบเานื้ค่ะ ก็ก็เลยสงสัยอ่ะเพราะแต่ว่าพ่อเห็นแบบว่าพระพระพุทธเจ้าท่านสามารถเกิดแบบว่าคือถ้านละลึดย้อนย้อนย้อนย้อนย้อนไปได้แบบเยอะมากท่านเกิดเป็นเกือบทุกอย่างแล้วยกเว้นยกเว้นอย่างเดียวที่ที่ที่ท่านไม่ไม่ไม่ไปเกิดคือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกโยมก็เอ๊ะทำไมถึงไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแล้วสัตว์อะไรที่ไม่มีกระดูกแก็ยังไม่หนอนค่ะมอนนอนค่ะพระอาจารย์พ่านอนเมือกี้เราเหยียบปุ๊บบางทีมาแตะมันมันแตะไปเลยอะค่ะพระอาจารย์ อ่าก็ไม่ไม่ทราบไม่ไม่ทร า, าบคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีอีกมีอีกมีอี ก, อกเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อเมื่อเมื่อวานเนี่ยค่ะโยมโ ย, ยมนั่งนั่งรถอยู่ใช่ไหมคะแล้วโยมไม่ทราบ ว, ว่ามันเป็นความคิดหรือว่ามันเป็นจากผลที่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เราเราเร า, เราถือสิธิ์มาตลอดเนี่ยค่ะอยู่ดีๆโยมก็มีความรู้สึกว่า ยมยมมองตึกแถวว่ะค่ะพระอาจารย์ยมมองอะไรทุกอย่างมันมันมันมองเป็นแบบว่าทุกอย่างคือเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหมดเลยพระอาจารย์ยมนั่งยมนั่งรถอยู่พอพอพอยมมองตึกตึกเอ๊ะตึกมันก็สวยแต่เดี๋ยวแป๊บนึงมันก็คือเก่ายมมองต้นไม้ต้นไม้มันก็สวยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คือเก่าคือไม่ไม่ว่าจะมองถนนไม่ว่าจะมองกระดาษมองรถหรือมองณขนาดนั้นที่อยู่ตรงหน้าค่ะพระอาจารย์ โยมมองเห็นทุกอย่างคือเป็นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแม้กระทั่งตัวของเราเองคือทุกทุกอย่างเราคือเราแก่คือทุกอย่างเนี่ยจะไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่เสมอไปเลยค่ะคือคือทุกอย่างมันคือเป็นสิ่งที่เป็นเป็นทุกขังทุกขังอนิจจังอนัตตาหมดทุกอย่างเลยค่ะพระอาจารย์คืออยู่ดีมันมีความคิดแล้วมองทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นหมดคือมันเกิดจากเราคิดไปเองไหมคะหรือว่าเกิดจากเป็นธรรมะที่เราเราได้ศึกษามาค่ะพระอาจารย์มันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราช่วงเดียวเลยค่ะ มันต้องเป็นเสิ่งที่มันตอนได้ศึกษามาแล้วมันก็มันคล้ายๆมันเริ่มดอกผลิดมันก็เลยอืมแสดงผลให้เราเข้าใจว่าอ น, นิจจาก็คือไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเที่ยงนะเลยพระาพรารอาจารย์สเปสังฆารานิจจาแต่เห็นนีเห็นตอนนี้ก็ไม่ยังไม่มีประโยชน์อะไต้องเห็นตอนที่มีความอยากอยากได้อะไรแล้วก็เห็นว่าอ น, นิจจามันจะได้ไม่อยาก วันนี้วันนี้เพิ่งฟังอของดรวีอะค่ะที่ว่าพลากต่อินซีอะค่ะคือคือโยมเข้าใจเลยว่าโยมโยมมีมีอินซีแต่ว่าเวลาพอโยมเปิดเฟซบุ๊กหรือเปิดอินสตาแกรมพอเห็นเสื้อผ้าสวยๆโยมยังต้องสั่งซื้ออยู่เลยค่ะยังไม่ตอนนั้นไม่เห็นนั่นังใช่ไใช่ค่ะแสดงว่ายังอย่งใช้ไม่ได้ความเพียรใช้ไม่ได้ยังไม่ใช่เป็นปัญญาแท้ยังเป็นสัญญาย่งยังไช่เลือนได้ถ้ามันเป็นปัญญามันจะไม่เลือนเลย พอมอยากได้อะไรปั้มมันจะเห็นเป็นการดิจิตอลนันทีค่ะอันนี้ที่โยมยนงสอบตกอยู่ค่ะพระอาจารย์งั้นอย่าไปอย่าไปหนงเวลาเนี่ยอย่างัึกษาตากุศลศาสตร์อยากรู้ว่ากิเลสกับปัญญามันยางคําว่าปันยังไงก็เป็นอย่างเนี้เราไม่รู้ตอนที่ไม่ควรจะรู้ใช่ค่ะรู้หมดพอถึงเวลาที่ควรจะรู้กับไม่รู้รู้ไม่รู้เลย ใช่ค่ะตามกิเลสค <filing> ่ะพระอาจารย์โอ้สูตรสวยเสื้อสวยสีสวยแบบเดียวค่ะพระอาจารย์ติ้งเงินออกเลยค่ะอย่าอย่าอย่าชะล่าใจนะบางทีเราปฏิบัติไปแล้วเโอ้ยเรารู้นนู่นนนี่นู้นหมดรู้ตายแล้วนู่นอะไรปกิมาแล้วจะเอามาใช้กับใช้ไม่ได้กับลืมไปหมดเลยจริงค่ะแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งที่บอกว่ากิเลสกิเลสกิเลสมักจะแทรกอยู่ในในลึกๆของของตัวเราโง่หไรโง่หัน ทุก่างเรามันยังมองไม่เห็นตยลยร่างอย่างชัดเจนตลอดเนี่ยน <S <S ะยังเห็นเป็นอัตตายังเป็นเห็นนิจจสุขขังอัตตาจริงเลยค่ะพระอาจารย์วันนี้วันนี้เข้าใจถ่องแท้เลยค่ะที่ว่าอาจารย์เทศพารากับอินทรีย์เนี่ยค่ะเข้าใจเลยค่ะค่ะโยมจะพยายามปฏิบัติต่อค่ะพระอาจารย์ค่ะทําให้มันไม่ลืมไปแล้วอนิจจทุกขังอัตตาใช่ค่ะแต่แปลกมากพระอาจารย์มันเป็นแค่ช่วงเดียวค่ะดูดีเรานั่งรถอยู่ไปเนี่ยค่ะพระอาจารย์เราก็มอง มองเห็นบ้านเห็นรถเห็นต้นไม้เห็นถนนเห็นคนเห็นกระดาษเห็นทุกสิ่งน่ะขณะนั้นแค่ขนาดเดียวนะคะอาจารย์มองเป็นทุกอย่างมันไม่เที่ยงเหมือนเลยต้องพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันจะได้เห็นตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์จะพยายามค่ะมันพิจารณาอยู่ <ทำ S 1> เ, เนิ่งๆนะมันพิจารณาอยู่เนิ่งๆค่ะพระอาจารย์ทุกยางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่ใช่ค่ะพระอาจารย์ความรู้สึกตอนนั้นเป็นแบบนั้นเลยค่ะพระอาจารย์ ค่ะต่อไปมันจะตัดกิเลสได้หมือดความอยากต่างๆนี้ถูกตัดได้หมดค่ะพระอาจารย์ไม่ร่วงมาทําไมเอามาแล้วเดี๋ยวมันไม่เที่ยงมันก็ทําให้เราทุกข์จริงค่ะตอนนี้เสื้อผ้าเต็มตู้โยมพยายามจะจะตัดตรงนี้พระอาจารย์มันทําไม่ได้สักทีค่ะเอายประอาจารย์ให้คนยากเป็นชุดเลยบริจากแล้วก็มาใหม่พระอาจารย์เต็มเลยค่ะพระอาจารย์โยมจะพยายามตํางกำหนดชุดที่เราต้องใส่มีกี่ถ้ามีกี่ชุด มีพ อ, พอแล้วก็ไม่ซื้อใหม่จะกลับมาจา ก, กาจขาดนึงค่ะค่ะเป็นการบ้านของโยมค่ะค่ะต้องต้องกำหนดแล้วนะต้องเขียนต้องเขียนเป้า่าต่อไปนี้เราจะมีเสื้อผ้ากี่ชุดถึงจะพอได้ค่ะโดยโยมจะเริ่มใหม่ถ้ามากกว่านั้นก็ถ้าซื้อใหม่ก็เอาของเก่าไปจากได้ค่ะค่ ะ, คะแต่ผมว่าคุณเงินมันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเก็บนะถุงไ ด, ด้ค่ะ วันนี้เอาห้องเอาห้องมาเป็นห้องห้องเก็บเสื้อผ้าห้องเดียวเลยก็มีอาไปไว้สำหรับสําหรับเป็นห้องนอนกับไม่นอนกันแล้วการเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเป็นห้องเก็บรองเท้าเก็บกระเป๋าเก็บอรจริงค่ะสุดท้ายพอเวลาเราจะหยิบไปแล้วก็หยิบแต่ซ้ําแต่ตัวเดิมเดิมมาค่ะพระอาจารย์ตัวอื่นก็ไม่ได้ใส่ปัญญาเราต้องทันวิเด็แพ้ตรงนี้ข้อเดียวค่ะพระอาจารย์อันอื่นพี่ว่าที่ว่าผ่านได้ค่ะ เราจะพยายามค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะกลับซาทูค่ะกลับนวัตสการพระอาจารย์ค่ะคุณหมอภาสนะตอนนี้อยู่วันเท้าเลยค่ะพระอาจารย์กลับนวัสการค่ะกลัคราวนี้มาก็ทําเพิ่มตามที่พระอาจารย์บอกก็คือรู้สึกดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็ทําเพิ่มคือเดินตอกลางคืนหลังคือตอนนี้ก็เพิ่มเป็นเดินทางข้างล่างนะคะเดินตอนกลางคืนตรงทางออกของกวางของลิงอะไพวกนี้ค่ะตอนกลางคืนแล้วก็เดินตอนเช้าตอนเช้าแทนที่จะเดินข้างบนก็ลงมาเดินข้างล่างพอรัางสมาธิเสร็จ ตีสามถึงตีตีห้าใช่ไหมคะแล้วก็ห้าตีห้าถึงหกโมงลงมาเดินตอนนี้ก็ทําเดินได้สี่ชั่วโมงเอ้ยเดินได้สี่ชั่วโมงติดกันนะคะทั้งวัน เ, นเดินได้เก้าชั่วโมงแล้วก็นั่งเจ็ดชั่วโมงแล้วก็มีฟังพระอาจารย์สองชั่วโมงแล้วก็มีกินข้าวอะไรอสชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็นอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงค่ะพระอาจารย์สิ่ง mm. ที่ได้นะพระอาจารย์สี่วันวันที่สี่ค่ะนั่งปุ๊บมันนิ่งเลย mm. <laughs> คือตอนแรไม่ใช่หรือเปล่าก็เลยลองเอาใหม่เออมัน เพราะสงสัมันที่นี่มันดีตรงที่แบบว่ามันคุมสติได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรไงคระอาจารย์ อ, อก็ก็กคือว่ามันนั่งมันนิ่งได้เลยอะค่ะพระอาจารย์รู้สึกดีมากเลยค่ะแล้วก็งูเงยตกลงมาก็ไม่รู้สึกอะไรนะก็อ๋อสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นค่ะเออดีมากเตรียมเตรียมกําลังเอาไว้พระอาจารย์ทำพละาาให้เยอะๆเพราะว่าจะได้จัดการกิเลสแล้วก็เนี่ยค่ะพยายามทํามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะพระอาจารย์ก็ทำไปเรื่อยๆก็ทำอย่าหยุดแค่ไหนค่ะ ได้ทีนี้ที่นี้แบบให้กําลังเยอะมากเลยต้องขอบคุณพระ อ, อาจารย์แล้วแล้ว แ, วแวเดิมพิจารณานะมันเริ่มเข้าใจจริงๆแล้วอุปยศาสตร์สีมันเริ่มถึงใจแล้วพระ อ, อาจารย์รู้สึกว่าดีมากแล้วมันมองเห็นแล้วว่ามันทําไมเราต้องเตรียมกําลังไว้เพื่อจะทําอะไรอย่างเงี้ยพระ อ, อาจารย์มาเลยยิ่งมีกำลังในการทํามากเลยคระอาจารย์ใช่ต่อ <c oughs> ไปแล้วอาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะได้ <c oughs> ใช้สติสมาธิปัญญาสู้ นิยมแรงนะอาจารย์เพจริงๆเขาที่มาเขามาเขาเนี้ยลูกชายกลับบ้านปรากฏเขาไม่ได้กลับมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราลงสเกีน ด, ด้วยไว้ก็หมอกรู้ว่าเอ้ยอีกหน่อยแล้วก็ต้องพัดคลางแม่ก็ต้องตายอยู่ดีเอนงั้นก็ขอไปวัดก่อนในการเตรียมเขาไว้จะดหแม่ตายก็กลับมาบ้านถ้าถ้าคอนเทนต์ความปฏิบัติสําคัญก็อย่างไหวก็สามารถตัดเรื่องนี้ได้ค <c oughs> ต่ถ้ายังเห็นเรื่องที่สคัญกับการปฏิบัติก็จะตัดไม่ได้ขอพรบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะ ทำ่อพระอาจารย์ค okay. ่ะโอเคสาธุนะคุณหมอพิเชษอาจารจะขอทำลองก่านำพศการพระอาจารย์นะครับได้ยินไหมครับพระอาจารย์ได้ยินชัดเจนครับก็ไม่มีคําถามอะไรครับก็เข้ามากล่าวเรียนอาจารย์ว่าโยมได้น้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติการศีลภาวนาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็มันพิจารณาใจรักและอสุภะ อยู่เรื่อยๆครับป้าจ่าแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิเดิงจงกรมทุกเช้าครับจ่าแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมเอามาช่วยน้อมความวุ่ยวายใจได้ไหมความรังร้องควม่ตกกังวลใจก็สงบขึ้นครับแต่ว่าเวลาที่มีเรื่องอะไรบางครั้งมรยังไม่ทันครับสติยังไม่แข็งแรงบางอยังยังแบบไปตามอารมณ์ปัญญายังมาไม่ทัน ปัญญามาไม่ทันครับอาจารย์ยังไม่เห็นว่าเป็นตายรักพยายามต้องพยายามที่จะต้องฝึกให้มากขึ้นครับอาจารย์ได้ับมันจะได้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าระดับที่เรามีอยู่ตอนนี้มันยังไม่พอเยงครับยังไม่พอจริงๆครับเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ยัง สตินี่ยังยังหลุดไปเลยครับอาจารย์ใจยังหวัหน่นได้เหมนคนไทวนที่ขับรถแล้วก็มีเหตุการขึ้นมาใจก็ตกอกตกใจครตัวเองก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์พูดครับบางทีขับรถก็บางครั้งก็รีบแล้วก็บางทีก็เกิอดอารมณ์แบบบางทีรถบางคันคันหน้าขับช้าเราก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยครับตรงเนี้ยครับอาจารย์ยังตัวเองก็ยัง ยังคุมสติตรงนี้ยังได้ไม่ดี<ช>ครับอาจารย์ต้องพยายามใช้สันโดษใช้สันโดษเคยยินดีตามมีตามเกิดถึงเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อนั้นถ้าไม่ถึงข้าก็ขับไปเรื่อยๆครับอาจารย์บางครั้งรีบๆแล้วก็มังนึกถึงคําพูดของอาจารย์บอกว่าไปเกิอดอุบัติเหตุอะไรแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่คงวัน น, นี้ไม่ทำนี้วันนี้ไปไม่ถึงเนี่ย คือไช้าหน่อยช้าหน่อยถ้าต่อไปก็ออกก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงนี่อยากจะไปไหนก็นไหรมันจะได้มีเวลาครับต้องฝึกอ่าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปตลอดเรา แ, แม่รรมาทำานบริการไปไหนก็นธรรมดาการตั้งอะไริการของแกเราครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วมลาการไปที่ไหนก็นจะไปถึงก่อนเวลานัดเสมอครับแล้วไม่ต้องลีบนอน อะไรการให้มันจะขึ้นสักครึ่งชั่วงเลยเราจะสบานไม่ต้กลั ว, วจะไปไม่ถึงไม่ทันยังฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์ทุกวันครับก็ทําทให้เป็นเหมือนกับที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนต้นไม้ที่รดน้ำครับมันให้กําลังใจทําให้ใจมันมีความสุขที่ได้ฟังธรรมเทศนาของพระอาจารย์ทุกวันทำให้ทำแล้วมันก็จะได้ได้ภาพคิดการอะไรต่างๆเพื่อเป็นครับพระอาจารย์ ถ้าวันไหนไม่ได no. okay. okay. right. ้ฟ ja. okay. okay. anyway, right. so. ังก็มีความรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างต้องฟังให้ได้ทุกเช้าฟังแล้วรู้สึกใจมันสงบขึ้นใจมันมีความสุขขึ้นครับอาจารย์ครับทุกครับอาจารย์ไม่มีคํำถามนะไม่มีคําถามครับขอบคุณครับที่ครุณาเชิญมาครับรอบคุณราชการพอาจารย์ครับผมเป็นยังไงหายหน้าไปหลายอาทิตย์นะ คืออบางบางบางสัปดาห์มันก็เข้าไม่ได้ก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ฟังอยู่ข้างนอกอครับอาจารย์ก็ไม่รู้เป็นไรก็ก็ช่างมันมาเข้ามาได้ก็โหก็ฟังอยู่นอกก็ก็ฟังติดตามพระอาจารย์ตลอดก็ปฏิบัติฉันดยืนดีตามยินตามดยเข้าได้ก็เข้าเข้าไม่ได้ก็ไม่ลองเข้าโอ้โหมก็รอรอมันก็เสียเวลาบางทีห้าทีสี่ห้าทีก็เสียเวลาก็ออกออกไปฟังที่หน้าเฟซบุ๊กของะอาจารย์าได้ ก็ฟังพระอาจารย์ฮะของทางช่างช่องของมอวีก็ฟังอยู่ะก็วันนี้กับผมอกาสพระอาจารย์มีติดอยู่ตรงที่อนั่งสมาธิไปเสร็จแล้วมันมันวูบลงไปพระอาจารย์แต่มันวูบลงไปนะมันมันอยู่ได้ไม่นานพระอาจารย์มันก็ขึ้นมามันก็แบบมีความคิดขึ้นมาพระอาจารย์ก็บริกรรมพุทโธใหม่ก็้ดืร่างใหม่ร่นงใหม่รอบไปออเป็นเป็นรอบเป็นรอบไปเลยฮะอ็ใช้พุทโธ ลงไปใหม่ใช่ไหมครับใช่แล้วนเริ่มต้นใหม่พระพระญาติสติที่เราส่งมาให้จิตเข้ามาถึงจุดนี้มันหมดกาลัง อ, อ๋อเราก็เราก็ทําสร้างสติขึ้นมาใหม่ครับถ้าเราใช้พุโทโธเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธใหม่ถ้าเราดูเราก็หันกลับมาดูมองไหครับ <S <S ครับผมับมัอนขายราสักนาฬิกาขายล า, า, า, ยลาทําไห้ก่อนนะว่ามันหยุดเดินแล้วก็ต้องขายราครับผม เคยเคยทันใหมนาฬิกาไขลานสมัยที่ยังไม่มีนาฬิกาตนนุ่มครับท่านทันอยู่ครับพระาจาครับทันอยู่ครับทันอยู่ครับท่านอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีดิจิตอลเนาะก่อที่จะมีนาฬิกาใช้ไฟต้าใช้ถ่านครับผมครับนะมุกจิตแล้วก็เหมือนกันชติแล้วก็เป็นหนึ่งลานพอเราพูดทัวพูดทัวพูดทัวมัก็มีมีกำลังเดี๋ยพอมันพอมัหมดกำลังก็จิตก็ถอนออกมา ก็ต้องอยากให้มันเข้ากลับเข้ามาใหม่ก็ต้องขายลานใหม่ครับผมหาานใหม่แล้วก็ไม่ไม่ต้องอยากได้มาทำอยาอยาอยามันไม่เข้ามันไม่ได้เข้าเพราะความากมันเข้าเพราะมีสติถ้าอยางมันไม่เข้าครับผมเข้าใจนะเข้าใจครับอาจารย์กราบขอบพระคุณครับอาจารย์เนคท่ท่านตอไปนะถูกครับโอเคต้องทำเวลาหน่อยนะจะได้เลิ่อภายในห้าทุ่มได้ คนคนแดนสุพรรณาเป็นยังไงอยู่ที่องค์นอน<ะ>มีการมัสการค่ะอาจารย์มีคําถามไหยวันนี้ไม่มีคําถามค่ะไปที่ท่านสออไป <c oughs> คนวีโววีโว่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าได้ยินได้คนวีโวอยู่ที่ไหนพูดได้เลย นมิต ก, การเจ้าข่ายเพิ่งเจอยู่ในเวลาที่ว่าเจ้าข่ายค่ะก่อนตอน น, ตนี้นั่นกลักตัวอยู่กับผู้อาจารยมีโควิดได้หกวันใหญ่นั่งขันแล้กันข อ, ขอพรผู้อาจารย์แล้วก็ส่วนควารฟังธรรมนั้นหนูก็ฟังธรรมอยู่ตลอดเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่อีกบ้านนึงก็อยู่กันหกคนนะผู้อาจารยนะ์เนาะแล้วก็อการที่จะมานั่งฟังแบบแบบนี้นี่ตอนนี้หนูหนูอยู่ คนเดียวนะคะอยู่บ้านอีกบ้านหนะะึ่งค่ะอยู่คนเดียวแต่ว่าดูนนก็มันมีแต่มีแต่ไอกับถ้าจะมีแต่ไ อ, แ, อแล้วก็เจ็บคอแต่ว่าพอกินย า, าวความริดเข้าไปแล้วก็มันก็โอเคดีขึ้นค่ะดีขึ้ น, ม, น, นมากเลยค่ะจิตใจเป็ น, นยังไงจิตใ จ, จ, ใจโอเคค่ะ <laughs> น <Okay. S 2> กึกถาเพราะว่ เพราะว่ามีัิาอยู่ไม่ใช่ว่ายกยายข้าสนเสริญก็คือความจริงก็เป็นความจริงนหละนะเรายังมีครูบายาจารย์ที่คอยที่คอยดูแลอยู่เพราะที่หนูเป็นเป็นโควิดเพราะว่าหนูไปวัดมาค่ะก็ว่าหลังจากที่จะกลับมาจากสุขศิลินแล้วหนูมาอยู่ที่ต่อหลังนี้นะคะอยู่ที่ละแงะหนูไม่เคยได้ไปวัดเลยวันนี้เขาฉลองโบสถ์ก็หนูก็ไปค่ะไปก็ก็โดนดุนิดนึงก็ที่ว่ากลับมาแล้วก็ติดโควิดมาแล้วก็คุณพ่ออีกอะไรอีก แบบอยู่ทางล้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะผู้อ่านแต่ว่าหนูแยกมาต่างหากตรงนี้ค่ะอาจารย์เลยในกี่วันอีกสี่วันนะหกวันอันนีไ้ไม่ใช่สิบวันค่ะอีกห้าวันผู้พาจารย์มาที่สิบเอ็ดนี้งหมดแล้วเจ้าค่ะก็ก็เสียงก็ดีขึ้นเยอะเพราะวหนูไม่ได้ไข่แต่ว่าวัน น, น, นี้อันนี้อาการเกือจะไม่มีแล้วใช่ไหมก็วันนี้มันมีอาการเช็คซ้อเข้ามาค่ะยังสงสัยเลยว่า มันถ่ายเหลวได้ยังไงเพราะว่าปกติเรากินข้าวต้มตลอดแลว้วก็วันนี้นะคุณอาก็ซื้อข้าอย่างมันให้ค่ะว่าอาจารย์เสร็จแล้วก็โอ้ยพอช่วงถ่ายมันถ่ายเหลวแต่ว่าก็เอาใบยามูแบบเบิน่บนๆนะพะอาจารยนะ์เนาะใบยามูมาวางไว้แล้วเผื่อว่าตอนกลางคืนเราอยู่ตามลํพาพนะังเนาะแล้วก็ว่าเออคุณแบ่าจารยค่ะก็นั <laughs> ่นแล้วก็ส่วน ส่วนการปฏิบัตินั้นก็คือก็ปฏิบัติอยู่นะครับอาจารย์ว่าการฟังยูทูบบ้างอะไรบ้างก็นั้นกอนที่จะทั้งซูมนั้นมันก็ไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าคงของหมูวีนั้นหนูฟังตะลโดเลยนะเพราะว่าแค่สามเพิ่มขึ้งมก็หมดแล้วแต่ว่ามันก็สามเพิ่มขึ้งหนูก็นิ่งหมดแล้วลประมาณนั้นนะคะอาจารย์แล้วทีนี้ ท, นทีนี้ก็เริ่มทําได้ว้างไหมเมื่อไหร่ก็ออกไปได้ไม่ได้บังคับให้อยู่ตบับเอ๋อจัดจกักรค่ะแล้วก็ แล้วก็ตอนนี้นะก็คือเพียงแต่ว่าปัญญาตามไม่ทันสติที่ที่แเกิดขึ้นบางทีนั้นนะแบบอารมณ์มันก็ปิ๊ดปรีดขึ้นม า, า, านเพราะอาจารย์โดลักเราไม่ปัญญาบ่อยๆต้องหมัน่นปัญญาอย่างเรื่อยๆในักต้องพยายามเตินเต็มเนี่ยไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนไม่มีอะไรที่เราไปควบคุมบงังคับได้เสมออนัตตา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปหวังให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปหวังว่าเราจะควบคุมราคัาได้เสมอไปนั่นเองสาธุข้าหลวงพระอาจารย์สาธุค <Okay. S 2> ่ะอาจารยนน้นะจ่าสาธุค่ะคุณอาจากบอกเวีนชมบุรีน้มาสการ์ค่ะพระอาจารย์อะไขึ้นไปขึ้นเวทีมาเรือยงัง ค่ะไปขึ้นมาแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงตอนนี้มั่นใจไหมคะไม่กลัวเป็นค่ะก็เหมือนเดิมค่ะก็อยู่ในมาตรฐานเหมือนเดิมค่ะยังไม่ไมเข้าไปไหก็ก็ก็ก็ยังรักษาเกณฑ์เหมือนที่ไปรอ่ก่อนอยู่ค่ะอ๋อค่ะคือไม่กลัวละค่ะอยู่คนเยอะแล้วนะเข้มแข็งขึ้นเยอะค่ะค่ะเออ มีคำถามค่ะพูออาาอ้อารวุโอความรักกับความหลงต่างกันยังไงคะความรักก็คือความที่เรามันรักมีสองแบบรักแบบหลงกับรักแบบไม่หลงรออักแบบหลงก็หลงว่าเป็นของเรารักใครแล้วก็เชื่อว่าเป็นของเราใช่ไหมแต่เราต้องเป็นของเรารักแบบไม่หลงก็คือรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นของเราถ้าเป็นของชั่วคราวสมบัติถัดการ ช, ชม รัก แ, แบบไม่หลงนั่นด้วยปัญญา่รักอีกแบบนี้นก็คือรักแบบไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มี เ, เรื่องของทางเพศมาเกี่ยวข้องด้วยหรื อ, อเรียกว่าเมตตารักแบบเมตตาก็คือมีคำรักแต่ไม่อยากจะให้เขามีความสุขแต่จะไม่ต้องการอะไจากเขา เป็นพ่อแม่รักลูกอย่างเนี้เมตตาอันนี้ก็เป็นรักแบบแบบนี้แต่รักแบบแบบลงก็คือว่าเอว่าเขาเป็นของเราก็ต้องอยู่ของเราคนอื่นมาแตะไม่ได้เขาไป่ยุ่งกับคนอื่นไม่ได้นักแบบหลงบางบาแบบนั้นก็ว่าเออเขาก็เป็นตัวเขานะเขากามีสิทธิ์ที่เขจะทําอะไรตามเนื้อของเขา แล้วร่างแบบปล่อยวางอย่างนี้ร่างแบบปัญญาถ้าร่างแบบปัญญาก็จะไม่ไประจุกถ้าร่างแบบหลงมันจะทุกข์พอไปขับตัวให้ห่างไกลจากเราหน่อยไปใกล้ชิดกับคนอื่นหน่อยเราก็จะทุกข์ไปมาทีแต่ละร่าแบบปัญญาว่าเราไปควบคุมมังคับเขาไม่ได้ เขาจะรักเราไม่รักเรารก็เรื่องีของเขาถ้าเหมือนแบบเหมือนลูกไปทําผิดมาแล้วพ่อแม่ปกป้องลูกอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนพ่อความหลงลูกหรือว่าพ่อความรักลูกอะค่ะมันมันจะแยกอ๋อมันไม่อยากกงงคัดเตะไงมันเคย่างมีดิเลอย่างใจไม่ไม่อยอมรับว่าลูกผิดองี้ยลูกผิดก็ยังว่าลูกของแฟ น, นถูกอย่างเงี้ยนี่น่าแบแบบ ถ้ารักแบบไม่หลงก็คือผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกมไม่แก้ตัวให้กับโลกให้ลูกรับผลของการทำผิดทำถูกของลูกไปก็คือความหลงนี้เป็นสัต์ของความรักล่ะคะอาจารย์หมายถึงย่อยลงมาคือความหลงความหลงก็คือเป็นความความหลงที่คือความไม่เห็นควาเป็นจริง อ่าจริงก็คือไม่มีอะไรเป็นของเราอนาตตาแต่เรายังไปเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นของเราเป็นลูกเราอยู่อางเงี้ยถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเห็นว่าการที่เขาเป็นลูกเรา เ, เป็นเพียงสมมุติเท่นนี้เมันเล่นละครเนี่ยมันเล่นละครนะเขาให้เราเล่นเป็นบิดพ่อบิดแม่ได้ลองลเราเาก็เล่นเป็นลูกบิดลูกไป ควจริงเขาก็เป็นแค่ตัวละครตัวหนึ่งของเราแล้วความรักนี่เป็นสิ่งที่ดีไหมคะอาจารย์ถ้ารักแบบเมตตาก็ดีถ้ารักแบบดีเล็กก็ไม่ดี เ, ออเพราะว่ามันจะทําให้เราทุกข์ทำให้เราผูกพันทําให้เราเหึงให้เราหวงแต่ทั้งรักแบบเมตตาก็คือก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์เพราะว่า การมีความเมตตาต่อคนอื่นนี่ก็ทําให้คนอื่น เ, เขาเขายินดีกับเราเพราะเราไม่ไปโกรธไปเกลียดเขาเราให้ความน่าขำเขาให้อภัยเขาไม่มีอะไรก็แบ่งให้เขากินให้เขาใช้อะไรก็เลยเป็นความรากแต่เมตตาถ้าแบบนี้ก็เป็นไม่เป็นโทษจิตใจก็จะไม่ทุกข์ คนที่มีความเมตตาแบบนี้มีความรักแบบเมตตานี้จะมีความสุขเก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันได้แเป็นที่รักของมนุษย์ั้ะเทวดาทั้งหลายนี่คือความรักแบบเมตตาแต่ถ้ารักแบบเป็นเจ้าของไปครอบครองอันนี้จะทำให้ทุกข์มันจะรักอะไรอย่าไปครอบครองอย่าไปถือว่าเขาเป็นของเรา หรือว่าเขาเป็นดินหน้ามลงไฟไม่ช้ากันเลยเขาก็ต้องมีการท่านท่านจากกันไปต้องรักแบบไม่หลงใช่ไหมคะเออรักแบบไม่หลงการเป็นไม่ได้ถ้ามันถ้ามันมั่มันก็ต้องหลงนใช่องจับต้องจับมันนั่ด้วยความเมตตาหลงอ้นหลงรูเขาไหน้องรูปหลงเสียเขาวิธียังวิธียังไม่หลมก็ต้องพิจารณาสุภะนะถึงจไม่ลง เพราะว่าส่วนใหญ่โดยเฉพาะแบบเหมือนพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยจะเป็นไปนในแนวนี้เยอะกว่าก็เลยเออมันมีรักแบบไม่หลงมันน่าจะมีน้อยใ น, นการลักมันมีหลายรูปแบบถ้ารักแบบแบบแบบให้มีการอารมณ์ต้องใช้อสุภาษ บ, บน์นะถ้าเราเห็นความไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เรารักมันก็จะหายหลง ใรับก็จะอยู่คนเดียวไนดะ้เป็นโสดได้ถ้ารักักคนอื่นก็รังด้วยความเมตตาก็คมมือให้เขามีความสุขจากการกระทาของเราจากการเสียสละของเราอย่างนี้เป็นความรับที่พระเจ้าสอนให้เรามีกันรักดวความเมตตาเข้าใจนะ คะขอบพรคุณค่ะโอเคถ้ารัางแบบหัวเมียสามีภรรยานี้ไม่ดีก็มันจะทำให้ทุกข์เพราะมันจะเกิดความหวงหงัวกันมาแล้วเกิดเวลาพันท่นนจาจากก็เศร้าโศกเสียใจใเห็นเธอรักแบบนี้ต้องดีพิจารณาสุภาพบ่อยๆมันจะได้คลายความรักได้พิจารณาการสาิสองของเขาผมผลและปันนันหน้าเอ็นกระดด โอเคไปท่านต่อไปอาจารย์สายทิพตอนนี้ยังสารคามอยู่ค่ะกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่สารคามค่ะรายงานการปฏิบัตินิดนึงค่ะพระอาจารย์ว่าตอนนี้ก็กินข้าวถ้วยเดียวค่ะแล้วก็เอาอาหารมาบี้บีใส่กันค่ะพระอาจารย์ไม่อร่อยไม่อร่อยไม่่ออรยค่ะแต่ก็กินเพื่ออยู่ค่ะ ตอนหลังก็ทํากับข้าวก็ทำข้าวต้มซะเลยค่ะพระอาจารย์อยากกินอะไรก็ใส่ลงในในหม้อเดียวกันหม้อเดียวอะไรก็ง่ายดีค่ะทําให้กิเลสเรื่องความอยากอาหารลดลงแล้วก็ถ้าไปซื้อของที่เป็นอาหารก็ซื้อน้อยลงค่ะพระอาจารย์ก็ก็ก็ดีขึ้นค่ะในเรื่องของการกินกินไม่อยู่ไม่อยู่ว่ากินค่ะหิวเพื่อปฏิบัติธรรมกินเพื่อปฏิบัติธรรมนะ ค่ะก็ก็เสียเวลาน้อยลงมีคําถามอยากจะถามพระอาจารย์ค่ะว่าอเรื่องของการวางจิตขณะที่สมมุติว่าอ่าเราฝันว่าเราจะตายค่ะพระอาจารย์แล้วก็ในความรู้สึกเราก็มีสติอย่างเช่นฝันแล้วก็เราก็รู้เอ๊ะจะตายใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ตั้งจิตว่างั้นขอเป็นนิพพานเพราะเคยปฏิบัติมาว่าถ้าตั้งจิตเป็นนิพพานจะได้ไป น, นิพพานเอ๊ะในฝันก็ไม่ไปงั้นาหายลุด ท่ตายมันไม่ได้เกิดจากการตั why, shit, ้งจิตมันเกิดจากการค่ากิเลสให้หมดก็เลยเอ๊งั้นขอเอ่อเรียกหาครูบาอาจารย์ค่ะหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฤาษีลิงดำก็เอ๊ก็ไม่เห็นช่วยแล้วก็คิดถึงคําพูดพระอาจารย์บอกว่าให้วางใจเป็นกลางในฝันค่ะก็เอ๊วางยังไงวางไม่เป็นค่ะในตอนฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เลยเอ๊ถ้าสมมติสมมเวลาเราเจ็บป่วยแล้วก็ร่างกายเราจะหลุดจริงๆริงวิญญาณจะหลุดจริงจรงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ เราจะวางใจยังไงดีก็ให้เฉยๆอย่างเงไม่ให้ตื่นเต้นตกใจไม่ให้เสียใจไม่ห้หวาดกลัวอืมถ้ามันไม่เป็นการก็ใช้พุทโธพุทโธช่วยให้มันเป็นการก็คือถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีสติในตอนนั้นก็พุทโธพุทโธไปเลยนะพระอาจารย์ถ้ามันไม่เฉยถ้ามันไม่เป็นการก็ต้องพุทโธพุทโธหนึ่งให้มันเฉยอืมค่ะ หรืถ้าม yeah. hmm. ีปัญญาก็บอกให้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟบวชไปก็คือพิจารณาไปเลยเพราะในฝันเราก็รู้สึกเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอาวุนอะไรค่ะภราจาจะไปอย่างเดียวแตไปไม่ได้เอ๊ะคิดแล้วก็ในบอกก็ไปได้ไงทําไมยังอยู่ที่เดิมเลยได้ป่ะถ้าไม่อะไรอาวุนไม่ทุกก็ไม่ต้องทําอะไรก็เฉยเฉยเดินไปไปเดินจนตาจะหมดลมไป อ่าถ้ามันหลุดไปก็หลุดไปกับความที่เราไม่ได้สนใจอะไรในในโลกใบนี้นะคะทางใจนิ่งไปเลยอืมค่ะหรือไม่งั้นก็พุทโธล้วไม่อะไรวอนไม่เสียใจไม่อะไรไม่ได้คิดถึงไปได้ถึงเวลาไปก็ไปอยากจะไปแต่ว่าเอาแลาวมันยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าแต่เมื่ก่อเคยไปยังไม่ถึงเวลาไปก็อยู่ต่อไปค่ะอยู่ก็ได้ไปก็ได้ค่ะอยู่ก็ได้ไปก็ได้อ๋อค่ะางใจไปเรื่อยๆ ค่ะค่ะเดี๋ยวปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่อยๆระกิเลตลงเอาทางลิ้นทางรถก่อนต่อไปก็ในอนาคตก็คงจะเป็นตากับหูค่ะตอนนี้ยังยังดู y o u ูทูบอยู่ค่ะบ้างค่ะเดี๋ยวค่อยๆทําไปค่ะอาจารย์ก็ดูทำมาได้ทำทำมาได้่อยางเดียวกันดนงกันไปทั้งหมดทำมากดูค่ะอาจารย์ยูทูปก็ดูบ้างค่ะ เวลาเหมือนแบบในืเหนือยก็จิ้มจิ้มดูเพลินเพินอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้ว่าเอ้ยเสียเวลาค่ะแล้วฟังธรรมะของครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยๆอยู่ค่ะดีดโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์สาธุค่คะข่บคุณจอยวันนี้เข้ามาเร็วนี่จอยทางไหน ล, ลูกลูกอีูมามา่ว่าบ้านนอยังหมดแล้วนะอ๋อตอนนี้หนูมาสุพรรณใ่มคะมาไปอยู่สุพรรณ ตอพี่เขาให้ช่วยให้มาช่วยทํางานดูบ้านเดือนหนึ่งหนูเลยไม่ได้ไปใส่บาตรแตว่าหนูนหนูได้โอนเงินโอนปัจจัยไปทำบุญใ่าติถึงาติถึงมึนแบบไหนก็ได้แล้วแต่จะสะดวกได้เหมือนเท่ากันอ๋อรอกลับไปแล้วเดี๋ยวจะไปใส่บาตค่ะอันนี้ไม่กลับไปที่เงิเท่าดูเรียกใช่ไหมไม่กลับหรอไม่กลับไป น้อ ง, งชายก็ไปกข้างอยู่ที่น่านอยู่มกว่า อ, อ, อยู่ค่ะ อ, อยู่ด้วยกันก็ตอนนี้ก็คือเขาเขาเป็นของดีของเราคือฝึกกับเขาทุกวันเลยค่ะเอฝึกแต่ว่าอยากให้เขาทํานี้แต่เขาไม่ทําก็ต้องปล่อยเหมือนที่อาจารย์สอนว่าก็ปล่อยเขาเราบังคับไม่ได้อตัวใครตัวมันนะใช่ค่ะก็เอาใจเราให้ให้มันแน่นๆดีกว่าอาาย่ปรุนแรงเรื่องของคนอื่นเลยไม่เกิดประโยชน บอว่าอย่าทำแบบนี้เขาไม่เชื่อแล้วเราก็จะขุนใจเองเราก็แบบมันไม่ได้เราบังคับเขาไม่ได้ก็เลยปล่อยปล่อยได้ปล่อยแล้วสบายใจกว่าปล่อยแล้วเาใช่ค่ะมันเฉยก็เฉยไปอะไรได้ก็ได้ไหไม่ได้ก็เฉยไปก็เลยก็เลยคิดว่าเขาคงเป็นของดีที่มาฝึกเราแบบ อ, อมาไม่มีปัญญาไม่เกิดบารมีไม่เกิดค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะมาตค่ะ รยายงนานตัวว่ายังอยู่อยู่สุพรรณนะตอนนี้ค่ะอยสุพรรณเดี๋ยวก็น่าจะสองอาทิตย์นเลื่ส่งการนะคะว่าเรื่อบบลูกๆไม่ได้งาด้วย ม, มาแค่ตัวเล็กคนเดียวค่ะคนโตสองคนอยู่กับอยู่กับยายอันนี้ปิดแทมกั น, มนนั่นเองนะโอเค่ะพิษภาถึงไปโรงเรียนกันค่ะต่อโอเคมณนพตอนนี้อยู่บนราชธาน นมัสมการเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้รับคําตอบจากการบ้านที่พระอาจารย์ได้ให้น้องน้ำํำโมก็รับมาปฏิบัติเจ้าค่ะก็กลับเรียนพระอาจารย์ว่าเมื่อวันพุธที่แล้วพระอาจารย์ให้การบ้านว่าให้ให้เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ไม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่ค่ะให้ต่อ ก, ก็ช่วงแรกๆก็ ยังสอบตกแล้วก็มีหลุดบ้างแต่พอช่วงหลังเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช้วิธีการที่พระอาจารย์สอนก็คือถ้าไม่ความเห็นไม่ตรงกันก็จะใช้วิธีการเงียบแล้วก็ทําตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์เหมือนพระอาจารย์บอกเจ้าค่ะก็คือลูกๆเริ่มทําตอนก่อนก่อนเมื่อาวานนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็เป็นได้รับความสงบเหมือนที่พระอาจารย์บอกเจ้าค่ะคือพอเราเงียบแล้วก็เราทําตามที่เขาบอกทุกอย่าง ทุกอย่างมันก็ดำเนินไปได้แล้วก็แล้วก็ทำให้เราสงบมากขึ้นแล้วก็เราก็สามารถที่จะจัดการตารางการปฏิบัติเราคู่ไปกับการการเป็นแจว <ดำ S 1> ให้เข<ร>าไค่ะ <Yeah. S 1> ก็ก็ก็ทำได้ระดับหนึ่งเ mm hmm. จ้าขาพระอาจารย์แต่ต้องดูต่อไปเพราะว่าอุปสรรคก็คงจะมีมาเรื่อยๆแต่ก็ใช้หลักการเดิมเจ้าาพระอาจารย์เป็นเซิร์ฟเวอร์ไปเจ้าขาพระอาจารย์ yeah. ถ, ถ้าเราทำตัวให้ตามแั้วไม่มีปัญหาค่ะก็ก็พอมีอะไรขึ้นมาก็เงียบไว้ก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์เงียบอย่างเดียวเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เงียบไม่เถียงไม่อะไรค<า>่เ <sings> จ้าค่ะก็ก็ผ่านไปได้ด้วยดีช่วงช่วงหลังๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์และร่วมรับฟังเรรจ้าค่ะพระอาจาคุณแปลว่าอะไรสีลาชาถามธรรมสการ์เจ้าค่ะ เมื่อลุงสังหนูฝันถึงพระอาจารย์เจ้าคะ่ะก็เป็นเป็นเหมือนไม่เลียวอย่างดีแล้วคะ่ะเออฝันว่าได้ไปใส่บาทแล้วก็ได้คุณยายที่เสียไปก็ไปฟังทำพระอาจารย์อะคะ่ะพ อ, อตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ปกติเป็นโมงเงย็นเป็นคนขี้เศาอะค่ะตื่นขึ้นมาแล้วหนูเห็นได้เจอไม่เลียวในฝันหนูต้องนั่ ง, งสมาธิเลยเจ้าค<ม>่ะกลับเขาคนคะ่ะแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าคะ่ะอย่างเช่นตอนเช้าขี้เกียจก็ต้อง เราก็ต้องคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราคิดว่ามานั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปอาบน้าําจ้ะคะค่ะมีนิสัยทำให้เป็นนิสัยค่ะมีมีอีกในส่วนหนึ่งอะค่ะที่ที่หนูอยากจะกราบเตียนถามพระอาจารย์นะจะ๊ะค่ะเอหนูได้ได้ฟังหลายๆคนก็พูดไปบ่อยเรื่องของพระโพ ธ, ธิสัตว์นะคะ่ะซึ่งก็เคยที่ได้ฟังพระอาจารย์เคยเคยเทศสอนไว้ว่า การเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมันก็จะเป็นเช่นพระพุทธเจ้าที่ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าถ้าคนปกติอะไรเงี้ยค่ะที่ที่หมายหมายว่าเป็นพระโพธิสัตว์แต่ว่าไม่จําเป็นต้องกลับมาเป็นพระพุทธเจ้านี่สามารถเป็นได้ไหมเจ้าคะคือความจริงความหมายของพระโพธิสัตว์นี่คือบุคคที่ตัดสินได้ด้วยตนเองพระเจ็ดเราไม่ค่ะมันมีสองอย่าง ว่พาพระบัจจิกับพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ัดสมาสัมพุทธเจา้าพระบัจจิก็ตัดทะลุแล้วเขไม่สอนใครเขาเป็นพระบัจจิกับพุทธเจ้าถ้าเป็นพาาระอรหันต์ัดมาสัมพุทธเจ้าตัดทะลุแล้วก็สอนสอนคนคนั้นสร้างพุทธศาสนาขึ้นมาแต่คนที่เป็นโพธิสัตว์ในความจริงเขาไม่ได้ตั้งจิตว่าเขาจะไปเป็นพุทธเจ้าพราเขาไปรู้ดจะสร้สางไปว่าเขาจะไปเป็น เขาเป็นการรู้ว่าขอจะนอบพยายามปฏิบัติทำที่ทําให้จิตใจเขามีความสุขช่นทานเมตตาอะไรทำนองนี้เขาไม่รู้หรอกว่ามันจะนําไปสู่การเป็นพุทธเจ้ามแต่ เ, เ, เขารู้ว่าเป็นทำที่จะทําให้จิตใจเขามีความสุขเขาก็เลยสร้างบา ร, รมีสิบกันขึ้นมาทานบา ร, รมีเป็นทำที่ครับ เขาปฏิบัติแล้วทําให้เขามีความสนใจเวลาเขาเปความบมดตาเวลาเขาเป็นความสนใจเวลาเขาทาทานแล้วก็มีความสนใจเวลาเขารักษาศีลแล้วก็มีความสนใจนะเขาก็ทําไปตามตามความที่ประสบการณ์ของเขา mm hmm. แต่เขาไม่ได้ไม่ได้หมายว่ยาเขาจะตั้งว่าจะต้องไปเป็นพุทธเจ้าเขาไม่รู้เลยซ้ำว่าพุทธเจ้าเป็นยังไง ถ้าเราไม่ได้มาเจอาศาสน า, าพุทธที่เราจะไม่รู้เลยสามารถเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรป้าเราเป็นอย่างไรคือคนที่ก่ในยุคที่ไม่ไม่มีพระพุทธศาสน า, า, าไม่มีใครสอนเขาก็จะต้อง ท, ทาทานไปลองผิดลองถูกทาแบบนี้ดีไหมรักษาศีลกระทบาบาญยังไงดีกว่ากเอาเงินอย่างนี้ทำบาญไม่ดีถือศีลดีกว่าทําทานดีกว่าเรือหวงดีกว่าหัวเงินหังทองหรือให้เขาดีกว่า มันไดมันไดเป็นการเปรียบเทียบของคนฉลาดของคนที่เขาศึกษาคนมาหาความสดธรามใจแล้วก็ทำาห้า ใ, ให้เข้ามาจนในที่สุดก็มาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ท่านก็ ท, กทกันอย่างนี้น่านกอเป็นยิรร่งสัตย์ทำออกบวัอย่างไรดีกว่าการออกวัดีกว่าเป็นยิ่งสัตย์เขาออกวัว นั้นเราเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องจะต้องคิดว่าเราปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์แต่ว่าเราปฏิบัติธรรมเหมือนที่พระอาจารย์สอนแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วทำเพื่อดับความทุกข์ให้จึงมีความสุขนั่นแเป้าหมายที่แท้จริงของทุกคนที่ถ้าดับความทุกข์ได้ด้วยตนเองไม่มีการมาสอนก็เป็นพระพุทธเจ้ากถ้ามีพระพุทธเจ้าและมีพระารมาสอนก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้ผลนั่นเดียวกัน คือดับความทุกขใจสร้างความสนใจให้เกิดขึ<ถ>้นขอให้เข้า ใ, <น>ใจหลักนี้ไว้ก็แล้วกันไปอาจารย์พนักธิบายชาติก่อนเราอธิษฐานมันเป็นพระพุทธเป็นเร็นปัจเจกเป็นอะไรไม่เปนเป็นเรื่องไว้สาระชาติก่อนใชาตก่อนเราจะชอบทำบุญทำทานเหนื่อ ย, ยถูกเราถึงมาทำบุญต่อชาก่อนเราชอบนั่งสมาธิเบาก็มาหันนั่งสมาธิอะไรอย่าเงี้ยเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องที่มันเป็นติดเป็นนิสัยสติดมากับใจเราไงอย่างถ้าเราไม่ถ้าก่อนไม่มันชอบทำไม่ชอบสิไม่ชอบเรื่องการปฏิบัติเราก็ไม่มาเข้าห้องนี้หรอกเนี่ยแล้วก็ไปเข้าห้องเรื่องการเมืองห้องตลกบวกฮาเรื่องเข้า อ, อะไรเยอะแยะไปให้เลือกเข้าได้ใช่ไหมแล้วค่ะนันอยู่ที่อดีตชาติของเราเราเราเคยทําอะไรมามันก็จะพาให้เรามา ครับต่อไปรักษาศีลมันก็จะทําให้เรามารักษาศีลต่อแล้วเราจะรักจนเราจะชอบรักษาศีลมากกว่าชอบไปทํำบาปเจ้าค่ะอีกอีกข้อหนึ่งนะเจ้าคะ เ, เรื่องเรื่องของการดูคําพยากรณ์หรือว่าเรื่องของการดูหมออะไรเงี้ยเจ้าค่ะอ่า อ, อันนี้ถือว่ามันมันเป็นสัมมาไม่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิใช่ไหมเจ้าค่ะค้ำพยากรณ์มันมีแบบวิทยาศาสตร์กับไม่ใช่วิทยาศาสตร์ เนี่ยพยากรณ์เขาบอกยากรณ์ว่าน้ำจะท่วมอย่างนี้เขาเชื่อตอนที่ฝนตกหนักที่ภาคใต้นะจะท่วมอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นเป็นเป็นความจริงมีเหตุมีผลแต่มันเป็นเรื่องของทางทางทา ง, ทางทางทางธาตุธาตุขันธาตุไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ แม้ว่าบางอย่างเราก็ศึกษาได้ประการพยากรก็ช่นเราก็จะได้รู้ว่าพรุ่งนี้ฝนอากาศจะร้อนหรือจะหนาวผมจะตกหรือไม่จะตบแค่เพื่อที่เป็นสิ่งที่ควรจะรู้รู้ได้ก็ดีได้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ค่ะเหมือนเหมือนที่เขาบอกว่าในอนาคตอาจจะข้าวยากหมากแพงไหมคะหนูหนูก็อ่านอันนั้นมันก็อาจจะดูว่ามันจริงไม่จริงก็ไม่รู้อะแล้วตอนนั้นก็ต้องอต้องใช้การรับสืบเพราะจะได้ได้ยินได้ฟังอะไรมา ก็อยากขึ้นไปเชื่อค่ะอย่าทุ่มไปปฏิเสธคำโวยวายกันก็คือเราระมัดระวังได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคือหลักธรรมนี่แท้จริงไม่มีใครสามารถไปกําหนนะดได้ว่าผู้นี้อะไรจะเกิดไม่เกิดนะี่นะค่ะอือค่ะแล้ค่ะแต้งแล้วเจ้าคะ่ะขอบพระคุณเจ้าคะ่ะขอบคุณท่าลนละพลขึ้นปลาม่อยู่เลอยอนุญากกันอยู่คนละเท้าเนี่ย นัมาส ก, การ์ครับพระอาจารย์ก็อยู่ครับอาจารย์คุณปาเขาอยู่ด้านหลังเนี่ยครับพอดีตอนนี้เขติดสายโทรศัพท์เขานี่เรียนเรียนเรียนแจ้งพระอาจารย์ครับพอดีว่าผมเข้าใจผิดเองคือคือเดิมเนี่ยกลุ่มที่เขาเรียนกันเนี่ยเขาไเรียนอภิธรรมแต่จริงๆที่คุณปาไปเนี่ยเขาไปเรียนเรื่องอก็ไม่ได้เรียนหรอกครับเหมือนกับว่าไปไปฟังส่วนที่เป็นพระสูตรเนี่ยครับก็อย่างเช่นบางทีก็กล่าวถึงว่าเออนางพิสาขาหรืออะไรเงี้ยครับ เล้วก็มาเทียบเทียงกันอนี้ครับพ็เรียนได้ด้วยนั่นแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราเสียเวลากับการปฏิบัติไปหรือเปล่าครับครับครับส่วนของของผมเองก็คือหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่จับเรียนพี่อาจารย์ว่าไปช่วงกักตัวแล้วก็มันมีมีผลจากจากภาวะโรคที่ทําให้เกิดเวทนาเรื่องคันคอครับครนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราก็เปลี่ยนเป็นว่า จะคันก็คันไปคันเสร็จแล้วก็แล้วก็พอนาต่อแล้วก็นั่งต่อก็ไม่ไม่ให้มันมากระเทือนเราฮะมันมันอยากจะไอก็ไอไปไอเสร็จนั่งต่อออย่างนี้ไปก็ก็สู้กันไปอย่างนี้แหละครับก็ต้องปล่อยนไปตามธรรมชาติมันไม่มาเข้ามันไม่ได้นั่นตาก็กลับมาแล้วอาการครับนี่เจ้าตัวโผล่มาแล้วครับอาจารย์ะคะโผาไเห็นแล้วอจารยได้ค่ะอาจารย์ นัดกันว่าอน่าจะสัปดาห์หน้าจะเข้าไปกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ถ้าดึกก็มาได้แต่ตอนเช้านะเพราะว่าตอนบ่ายยังไม่ได้รับแขกที่ปกติครับที่ศาลาครับที่ศาลาพระอาจารตอนเช้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงที่เขาติดโควิดค่ะเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็นังทานอาหารด้วยกันนะคะเพียงแต่ว่ามีความระวัง ตอนแรกก็ยังคิดว่าติดก็ติดนะค่ะแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือไม่ติดนะคะพะอาจารย์มันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นนะคะเออก็ดีถ้าเราไม่อยู่ใกล้ชิดกันคอยคอยปิดหน้างั้นก็มันก็คงจะป้องกันได้ครับก็คือไม่ประมาทล่ะครับก็คือคือคืออยู่บ้านเดียวกันแยกห้องก็แต่ว่าเรื่องอาหารการกินเราก็ระวังใส่หน้ากาไว้ก็ตอนทนอาหารก็ยังทานทานอาหารเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเขาใช้ช้อนกลางแล้วก็ห้ามพูดค่ะหรือเาห้ามพูดแต่หนููดได้ส่วนใหญ่มันอาจะมาทางอากาศน่ามาทางค่ะค่ะค่ะก็โอเคไม่เด็ดกันดีนอย่างนี้ก็รู้ว่ามเด็ดก็ไม่รุนแรงอะไรนิดนี้เพราะเราม่ฉียดรักายกันใช่ค่ะอาการของโรคก็เบาๆอ่ะค่ะเบากว่าไข้วัดใหญ่อีกค่ะอาจารย์โอเคก็ดีค่ะอาจารย์ ก็ไม่ได้ว่าตอนนี้เริ่มศึกษาพัสดุก็ศึกษาได้แต่ว่าควรจะเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องการปฏิบัติหรือเป่าอ๋อไม่ค่ะว่าอาจารย์ยังอ่าก็ยังอ่าดูดูทุกภาษะที่มากระทบไม่ว่าจะเอ่อกระทบทางกายให้เรารู้หรือแม้แต่ว่าภาษาที่มันกระทบทางใจอ่ะเจ้าค่ะให้ให้รู้ว่าความรู้สึกที่ที่โดนโดนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโกรธทุกหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะให้เห็น ให้เห็นทุกครั้งที่เกิดทศเจ้าค่ะเราจะเรียนเราจะเรียนช่วงที่เราไม่ได้ปฏิบัติกันได้เพราะเราในไม่สามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาแล้วก็สลับกันได้ปฏิบัติเครื่องหนึ่งเรียนเครื่องหนึ่งอะไรไปก็ไี้แต่ว่าอย่าไปเอาเรียนอย่างเดียวแล้วทิ้งปฏิบัติเลยค่ะค่ะค่ะโอเคนะไม่มีอะไรนะ ไม่มีครับการนมัสการตัวดีเจ้าค่ะร่างง่าจริงเบาสุโคไทยไม่ร่างงดาจริงเบากานมัสการสองหบขะนี้การวัสการหลบากรวันน no, <Pine hip> ี้เอาบวกาวันนี้เอาบวกมาชเลยวันนี้พาคนเล็กมาก็พาเอาสาธุก่อนจ้าสาธุก่อครับสาธุกันลึก ครับคนโตไปบวชเนรแล้วเจ้าค่ะพราจารย์เอดีดีจะได้เรียนรู้เลยนจ้า่ะไม่ได้อดข้าวเย็นได้เจ้าค่ะไปเจ็ดขวบก็ตอนนี้ไปอยู่ได้สามอาทิตย์แล้วเจ้าค่ะโอ้โหมีแต่คนปิติเจ้าค่ะรอบๆข้างตายายไปวัดทุกวันเจ้าค่ะเอานั่นแหละเป็นการดึงดึงดึงปู่ย่าตายายพ่อแม่ขึ้นสวรรค์นะเจ้าค่ะดีดีเจ้าค่ะ นภูมิจะไปบวชไหมลูกเอาบวชบวชนะอ่าค่ะแล้วบวชได้บวชตอนนี้ยังได้ไปหน่อยเจ้าค่ะไปโยมวางแผนว่าถ้าเกิดลูกไปทางทําหมดอ๋อโยมก็จะโล่งเบาตัวแล้วเจ้าค่ะฮ่ะาฮ่า้คจะได้ไปของเราได้เจ้าค่ะโยมก็จะไปของโยมเจ้าค่ะตอนนี้สามีก็เตรียมบอกว่าเดี๋ยวถ้าหนิงถ้าไปแล้ว พี่จะหาภรยาใหม่เลยนะบอกได้เลยตอนนี้เตรียมหาสัมรองไว้ได้เลยปฏิบัติคือแทนไม่ได้แล้วค่ะไม่ห่วงแล้ไม่ห่วงไม่ห่วงแลไม่เนาะค่ะตามสบายได้เลยเจ้าค่ะโยมก็เป็นเพื่อนกันแน่เป็นเพื่อนเจ้าค่ะเป็นเพื่อนกันเจ้าค่ะเป็นเพื่อนเป็นพ่อของลูกได้เจ้าค่ะเตรียมเตรียมกดเตรียมกดแล้วเจ้าค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะไปติดวิเวกที่วัดที่ลูกเนียนไปบวชเจ้าค่ะ เออดีไปเลยเป็นเป็นวัดป่าเจ้าค่ะแล้วก็หลังวัดก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติเจ้าค่ะประกาศพระจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะลองเนสงบดีเจ้าค่ะเจ้านั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์สดีเด็กน้อยงองเงยพจารย์สาธุสาธุสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะที่คุณสมภพตาคุณสมภพ หายยังโควิดไดเจดวนะันนั่นเนะนี่ก็ติดโควิดไปอยู่ห้างคนเดียวก็หายแล้วครับผมยังต้องก<บ>ักตัวอยู่นะยังไม่ครบเลยก็กักตัวต่ออีกสักหน่อยครับวันสองวันนะครับอาการไม่รุนแรงไม่เดือดร้อนก็มีแล้วก็มีเสล็ดหน่อยก็หายอืม มีอะไรมั้ยมีคำถามอะไรมั้ยก็ไม่มีครับอาจารย์ทีนี้ครับโอเคงบฝากไปเรื่อยๆนะจนได้ไปท่านต่อไปนะครับผมคุณสุภาพนาจากวอวินแทนกราบและมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เอ่อได้ได้คำได้คำตอบหลายๆหลายๆคำตอบจากโยมที่ถามมาค่ะอขออนุญาตถามอาจารย์ ต่อนิดนึงในเรื่องของความหลงโมหะนี่คือตัวที่เราเห็นไม่เป็นไปตามความจริงใช่ไหมคะใช่เราจะเห็นสิ่งต่างๆ่า้ในโลกที่ว่าเป็นสุด ข, ขังเ ป, เป็นนิจจังเป็นของที่อยู่กับเราไปตลอดอัตตาเป็นของเราสามารถสั่งมันได้ควบคุมบางครั้งมันได้ความใจมันตกเป็นถอ่อลงกกันข้ามทั้งหมด มันเป็นอนิจจทุกขอ์อนัตตาตรงนี้ก็พยายามพยายามเร่งเรื่องสติเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ใช่าาเห็นอะไรแล้วบอกโอ้ยมันใช่ความสุดประลังนี่ก็เลยมันหลงนะโอก็ค่ะอย่างที่คนก็หลงกันโอ้ยลาบยศสารเสว น, นี่อันนี้เลือกตั้งหาเสียงกั น, ม, กนมึนวายไปหมดนี่ย็ได้มาแล้วจะมีควาสมสงขนะก็ค่ะอันนั้นคือมองมองเห็นไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไปตามความจริงแลเจ้าคะก็ะจะ พราว่ามันมันสุกเดี๋ยวเดียวเป็นได้เดียวเดียวเดี๋ยว่าเดี๋ยวก็ต้องหมดเวล า, ราไรอะไรแบบนี้ใช่จ้าค่ะพอะหมดเวลาก็สุกกอายไปทุกก็เข้ามาแทนที่เนจะ้าค่ะอันนี้ก็พยายามพยายามเห็นรตามความจริงเจ้าค่ะอาจารไม่มีอะไรทิ้งแท้แทน่นอนไม่มีอะไรถาวรได้มาเดี๋ยวก็ต้องมีวันหมดไปเจ้าค่ะ อย่างที่ตอนนิยมโยมมองเห็นชัดเรื่องที่เออ่ความความแก่ที่พระอาจารย์เคยสอนและสอนตลอดเลยว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนั้นไม่มีแต่ตอนตอนแรกๆที่เรียนกับพระอาจารย์ฟังทำพระอาจารย์จะจะเข้าจะจ ะ, จะเหมือนกับเรารู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่พ อ, อมาที่ น, นี่เหมือนกับไม่ไม่ใช่ว่าตัวเองแก่เราเห็นนะคะคือพอพ อ, อเห็นคนรอบข้างที่ พอแก่ปุ๊บเนี่ยความเจ็บมันจะตามมาอันนี้คือเห็นเห็นชัดเจนอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใชว่าเราเข้าใจอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าคะใช่มันมันมันสัมผัสไงมันสัมผัสปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ขยับตรงนี้นัดขมันก็ปวดแล้วเมื่ยละเหมือนกับคนคนรอบข้างคนที่เขาอายุเยอะๆเนี่ยมันก็ความความแก่มาปุ๊บความเจ็บมันก็จะตามมาความเสื่อมของร่างกายมันก็จะตามมามันก็เลยกาย ทุกขังอันอั น, อ, นอันนี้จังทุกขังอัตตาใช่ไมเจ้าค่ะพระอาจารย์ความเสื่อมมันเป็นอันนี้จังเลยทาให้เกิดความทุกขึ้นมา เ, เพรเราไม่อยากให้มันเสื่อมเราอยากให้มั น, เ ป, นเป็นตานเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวังชาไม่เจ็บไม่ปวดมากเลยก็ทาให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นนะเจ้าค่ะในที่คนไม่ชูหม่มชู เมื่อเกิดนี้เข้ามาห้องหัวสามเดือพูดไทยได้หรอเนี่ยพูดได้ค่ะอ่าอที่ไหนกรุงเทพค่ะชื่ออะไรไมชื่อและมีชื่อชื่อไมค่ะ <My> ชื่อเป็นชื่อไมค่ะกรุงเทพมีคำถามอะไรไหมค่ะถ้าณนะตอนที่เราอยากจะถือสิน8แล้ว แต่ว่าเราไม่สะดวกที่จะสวดสมาธิแต่เรามีความที่ตั้งใจจะถือเท่ากับเราสืบสิ่งแปดเลยไหมคะก็อยู่ที่เรารักษาได้หรืไม่รักษาได้ทตั้งใจมันเป <ขอ S 1> ็ <ขอ S 1> จ, จุดเริ่มต้นแต่การจะรั ก, รกษาหรือไม่รักษาเนี่ยมันโดยที่บอกว่าเรามีสีหรือไม่มีสีถ้าเราตั้งรักษาเราไม่รักษามันก็เหมือนก็ไม่มีสีอย่เดียว เราตั้งวัจลักษาสิ่แต่แต่เราก็ยังกินข้าวเย็นอยู่เวลาก็ยังกินข้าวเย็นอยู่ก็ยังดูหนังฟังเพลงอยู่นั่นกาเสดงว่าเราไม่ได้รักษาเราก็ไม่มีสิ่งแต่สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไม่ใช่เพียงแต่ตั้งใจเฉยๆวันนี้ตั้งใจจะรักษาสิ่งแต่พอตกเย็นก็ลืมแล้วกินข้าเย็น ถ้าถือศีลแปดแล้วก็หลับอยากเที่ยงวันก็ไม่กินอะไรไม่กิ น, นอาหารไม่ดูหนังฟังเพลงไม่นอนมันเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ น, น, นอนกับเพลินแข็งๆพูด้วยผ้าด้วยเสื่อย่านี้เรียกว่าถือศีนแปดจะสมาทางก็ได้ไม่สมาทานก็ได้ไม่ต้องไปขอจากพระก็ได้ขอก็ได้ไม่มีไม่มีผลต่าง คือที่เขาให้พระสอนก็พอบางคนเพิออ่เริ่มต้นไปรู้วมาศีลมีอะไรบ้ากเเลยต้องไปขอทามพระนแต่สมัยนี้เราไม่ต้องไปถามพระก็ได้เราอ่านหนังสือเป็นใช่ไมมค่ะอ่นหนังสือค้นหาดูศีน5ามีอะไรศีนแปดมีอะไรแล้วเราก็รักษาไปตามที่เราเราได้ศึกษามาค่ะโอเคค่ ะ, <น>ะขอบคุณค่ะเคยรักษาศีนแปดหรือยังเคยค่ะ รักษาที่บ้านหรืรักษาที่วัดก็เคยรักษาทั้งที่บ้านแล้วก็ที่วัดค่ะอืมในกรณีอยากอยรักษาอยากอยรักษ า, า, า, า, าที่บ้านใช่ค่ะอืมก็รักษาได้ไม่ต้องไปขอจากพระถ้าเรารู้สิทธิ์แบบนี้แล้วก็รักษาไปได้ค่ะรักษาขอบคุณค่ะโอเครักษ า, า, าท่านคุณดิศย า, อ ย, า, า, าอย่างนราธิวาสในงานผลกาทีิยมหรือยัองอย มรดกการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินได้อค่ะฝนก็ตกทุกวันค่ะแต่ตอนนี้หยุดแล้วค่ะวันนี้ค่ะแต่ตกทั้งวันทั้งวันค่ะน้ำป่ายังไม่หลลายนะอายางค่ะแต่ได้ข่าวว่าถ้าอีกอำเภอหนึ่งคือสุขลีนก็เริ่มมีน้ำท่วมแล้วค่ะก็ถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องระวังค่ะต้องไม่ไปแถวนั้นค่ะเพราะว่าดินสไลด์หรือว่ารถสะพาน ขาดด้ขาดขาดขาดขาดไดใช่ค่ะค่ะวันนี้ไม่มีคำถามอะไรค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรนะค่ะเห็นไปที่คนตายคนตายเช่นอานิตามันเช้าไม่ได้ใส่บาตรวันเช้ารถเอารถคันเล็กไปค่ะหนูไม่มีที่นั่งก็เลยให้แม่ไปกับลูกไปค่ะวันนี้วันนี้หนู ทำทำผิดอะคะ่ะอาจารย์มันเป็นตามบาปอยู่ในใจนิดนึงก็คืออ่าสู้ความโลภในใจไม่ได้อะคะ่ะวันนี้ก็คือมีคนมาซื้อของแล้วเรารู้ทั้งรู้ว่าเป็นออเดอร์ของร้านอื่นแล้วกลับไปเงียบของเขามาอะไรเงี้ยพอทําเสร็จแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็บอกตัวเองว่าเออเดี๋ยวคราวหน้าต้องไม่ทํานิสัยอย่างนี้อีกแต่มันทําไปแล้วก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงก็ทํางป่อยเลยตามเลย ก็ให้รู้ว่าเราผิดก็แล้วนี่ยตอนหน้าพยายามอย่าท<ะ>ําะไนะค่ะก็ที่จริงมันเป็นเงินไม่แยอแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าเออเข้าเข้ามาแล้วเราก็เป็นแม่ค้าก็เลย ว, ว่าคว้าแม่ขอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนแรกแต่พอทําไปแล้วเขาเดินออกจากร้านไปแล้วรู้สึกรู้สึกผิดมากๆเลยก็แบบอไม่รู้จะทํายังไงก็ทําไปแล้วเดินเจอเดินเจอว่าข้อสองของเราเป็นยังไงแล้ว ใช่ค่ะวอาจารย์ก้าข้ามไม่ได้โอ้ตายแล้วมนตกไม้ปลายแบบแบบไม่เป็นท่าเลยหนูมันอยู่ต้องจะพูดแล้วนะคะว่าอาพี่ไม่เป็นไรชิณีมาชิณีมาผิดร้าเข้ามาผิดร้านนะมาซื้อของผิดร้านนี่ใช่ครับเข้ามาซื้อผิดร้านแล้วตัวหนูก็รู้ว่าเขาอะมาซื้อผิดร้านแต่อารมณ์แม่ค้าก็คือใ น, นตอนนั้นไม่คือเข้ามาแล้ว เราก็ต้องขายให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยแบบมันขายได้แต่ว่าก็ไม่เสียหายตรงไหนเนี่ยเราก็ไม่ได้หลอกลงอะไรเขาเราก็ขายไปตามปกติแต่แต่มันรู้ในใจนะคะว่าเราทําผิดอ่ะเรามันไม่ใช่ของเราแล้วเราไปเอาของเขามาทีจริงเราน่าจะบอกเขาว่าอืมไม่ใช่นะต้องเป็นร้านนี้ร้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็เลยว่าอืเราแต่ก็ตั้งใจแล้วล่ะค่ะว่าจะไม่ทํำนิสัยอย่างนี้ค่ะพ่ะอาจารย์อันนี้แล้วที่มันอยู่ในใจวันนี้ค่ะดีจะดูว่าคราวต่อไปจะทําได้ไหมนะค่ะนั่นแะค่ะเป็นข้อสอบอีกอันวันนี้เจอข้อสอบว่าโอ้ข้อสอบความหลบความหลบสู้ไมนได้วันนี้ตั้งนานพี่มันน่าจะก้าวข้ามได้แต่มันทํำไม่ได้ค่ะ ดีมันจะดว่าเราบกุกคล้อตรง น, นี้เราจะได้เตรียมตัวแก้ไขเนี่ยค่ะจะไม่ทำอีกแล้วค่ะพระอาจารย์<ะ>เลยมาสารภาพกับพระอาจารย์กันว่าวันนี้นิสัยไม่ดีค่ะใช่ไม่ได้ลแล้วอวันนี้ไม่มีอะไรคร่ะพระอาจารย์มีแค่นี้ค่ะโอเคสาธุนีย่ยแต่ท่านต่อไปคุณเจเจเลยคุเจหรืออะไรไม่ทราบอยู่ที่ไหน ค่ะหนูชื่อจินะคะมาจากนาครสวรรค์ น, นะคะขอดี่ว่าไ ด, ได้ได้ฟังคุณหมอวีนะคะแล้วก็เลยได้ได้ฟังอาจารย์ให้คําเทศนานะคะ mm hmm. ่ะคําถามที่ขอดี่ว่าจิติดโควิดนะคะแล้วก็เลยมีความทุกข์ในเรื่องของการเป็นโรคโดยปกติจิเป็นโรคพารกิสันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นโควิดอีกก็เลยมีความทุกข์ก็เลยอ่านมา ฟังธรรมะมันก็ทำให้รู้สึกจิตใจสงบแล้วก็อาการดีขึ้นนะคะทีนี้ว่าพอดูเขาฟังปุ๊บก็มีความสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะในเรื่องของอใดสิกขาะคะ่ะมีคนเคยบอกไว้ว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเราจะต้องรู้จักศีลศีล ส, สมาธิปัญญาสามตรงนี้พระอาจารย์ช่วย อ, อธิบายขยายความไดไมเจ้คะ่ะ การปฏิบัติของเราเพื่อเพื่อที่จะควบคุมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบการที่จะทําให้จิตใจเราสงบได้เราก็ต้องคุมที่กายคําวาจาก่อนเรียกว่าสีในการกระทําอะไรบางอย่างทําไปแล้วถ้ามันผิดสีมันจะทําให้จิตใจเราวุ่นวายจิตใจเราไม่สบายใจเังนัถ้าเรารักษาสีนั้นมันก็จะกําจัดความวุ่นวายใจที่เกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาได้ เนไปลักทรัพย์ของคนอื่นอย่างเพื่อนที่คนตายเขาลอยไปตังค์ก็ไปเอาเอาเอาทรัพย์ของคนอื่นมาอย่างนี้ยแล้วทําไปแล้วมันก็ทําให้ไม่สบายใจขึ้นมานัก็ให้รักษาศีลเพื่อป้องกันความไม่สบายใจที่เกิดจากการกระทําทผิดศีลศีนถ้าเบื้องต้นถ้าเรายังรักษาศีลมากกว่า น, นี้ไม่ได้ก็รักษาศีลท่าไปก่อนแต่ถ้าเราถ้าเราต้องการจะ ปฏิบัติให้ได้ดีขึ้นมีเวลาปฏิบัติมากขึ้นก็ต้องถือศีลแปเพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราไปทําอ่ำกิจกรรมทางกามอารมณ์ต่างๆทางตาของจมูกลรื่อกายเราจะได้เอาเวลาที่เราไปใช้กับกิจกรรมทางกายนี้มาให้กับการปฏิบัติสมาธิและปัญญาต่อไปค่ะอย่งเมื่อตอนนี้ทำภยานั่ถ้าอยากจะปฏิบัติศีลธรรม ถ้าอยากจะปฏิบัติสมาธิและปัญญาเราต้องต้องพยายามถือสิ่งแปดให้ได้อส<แ>ิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําไปสู่สมาธิและปัญญาต่อใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าเมื่อเราไม่สิ่งแปดเราก็จะไม่เมื่อเราไปทํากิจต่างๆไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้รับประทา น, านอาหารหนังจากเที่ยงวันแล้วไม่ได้ร่วมหนับนอนกับแฟนไม่ได้นอน<ะ>บนเตียงที่สบายไม่ได้นี่มันก็เลยอยากทำให้เรานอนน้อย เล้วเราก็ยังมีเวลามานั่งสมาธิมาฝึกสติมานั่งสมาธิทําใจให้สงบมีเวลามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาเข้าใจนั้นคือตายสิกขาสินสมาธิปัญญาขอขอเข้าขเข้าขใจค่ะอีกอีกคําถามหนึ่งนะเจ้าคะจะถามว่าเคยได้ยินมาว่าอการการตายโดยที่อ ไม่ทรมานที่สุดเราควรทายังไงเจ้าคะทำใจให้สงบทำใจปล่อยวางจะได้ปฏิบัติศิทสมาธิปัญญาไปนล้วใจเราก็จะมีความสงบมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้ น, นไปก็จะปล่อยวางน่างกายออกมาได้เพราะถ้ามีปัญญาเราจะเห็นว่าน่างกายนี้ความจริงไม่ยชดตัวเราตัวเราไม่ได้เป็นน่างกายแล้วตัวเราเป็นทูรู้ผู้คิดเป็นจิตใจเป็นคนละตัวกัน <Okay. S 2> เราก็จะไม่เดือดร้อนเนลวลาร่างกายเป็นแล้วแล้วกว็ป่วยเป็นไปเป็นหน่วยคนขับรดกับรถยืนเนี้มันเป็นคนละคนกันใช่ไหมรถยืนจะเสียคนขับก็ไม่ได้เสียไปกับรถยืนย น, <Okay. S 2> นี่คือปัญญาที่เราจะได้ยืนยันต่อไปแล้วเราก็จะปล่อยวางแล้วปล่อยวางเราก็จะไม่ตื่นตื่นตกใจไม่ทรมาน ก, กับความความเป็นความตายของร่างกาย ขอคุณเจ้าค่ะเข้าใจแล้วนะโอเคงั้นท่านต่อไปคุณกวาม่ที่ไหนเ่อคุณกวามาเปิดไหม่ก่อนอะคุณกวามยังไม่ได้เปิดม่มุมซ้ายล่างโอเคค่ะใ่ผมเป็นคค่ะก็หนูก็เ อ, อ่อได้เข้าซูมกับ ถาอาจารย์ประมาณสี่ห้าครั้งแล้วค่ะก็ก็รู้สึกดีขึ้นในการอ่าเรื่องของสมาธิอะนะคะทีนี้เมื่อเช้าค่ะหนูไปปฏิบัติธรรมมาค่ะที่วัดทีนี้ก็ตอนนั่งสมาธิะคะ่ะรู้สึกว่ามันแน่นไปหมดเลย่ะคะ่ะแต่ว่าก็ก็พยายามทาอย่างที่อาจารย์บอกอะคะ่ะท่องพุโทโธพุโทโธอะคะ่ะทีนี้หนูก็เลยมีคำถามว่าคื อ, อไม่รู้จะทำยังไงว่า ใ้แต่ละวันน่ะให้ใจมันผ่งใสเบิกบานอยู่ตลอดนะคะก็มันทำมันทำพุทโธไปทั้งวันทั้งวันเลยเอ่ทั้งวันเลยนั่นแหลเมืตากขึ้นมาแล้วม่นทำพุทโธเลยแล้เดินจิตใจก็จะผ่งใสไปท้งวันอืออ๋อหนูก็ยอมรับบางทีมันก็หลุดล่อยนั่นแหละพอหลุดแล้วมันก็เลยเศร้าหมองพอเราพุทโธนัน่นมันก็หายเศร้าหมองก็จะผ่งใสขึ้นมา เราพุทธจะหยุดความคิดความความคิดที่สร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเพราะเราไม่มีพุโทโธความคิดมันก็จะสร้างอารมณ์เอาให้เราในความเศร้าหมองไม่เบิกบานค่ะแล้วก็อีกอันหนึงหนูรู้สึกว่าหนูเป็นพวกวิตกจริตอ่ะค่ะคือแบบที่กังวลอย่างเงี้ยคือไม่ ม, ไ ม, มันพิจารณ์นีจ่จำบ่อย ๆ, ๆพระเ จ, จะ้าสอนให้เราเหมือนพิจารณาว่าเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้องพัฒนาจากกันเป็นธรรมดา พิจนารณาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆหลังจากนันก็จะยอมรับความจริงแล้วมันก็จะหายดีต่ออ๋อค่ะเพราะว่าหนูกังกวลไปทุกเรื่องเลยเฉพาะเรื่ององานที่กังกวลพิจนารณาว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอาจจะตกงานพรุ่นี้ก็ได้เองอนหน้าก็ได้อาจจะได้ในงานดีกว่า น, นี้ก็ได้คิ้งได้ทั้งสองขาด ไม่มีรายแน่นอนอธิบายัหมมันจะหายกังวลมันจะยอมนับว่าอยู่ในนอกนี้เหมือนข้าเหมือนกับรินฟ้าอากาศเนี่ยเราไปสั่งไปบางคับมันไม่ได้ผมันจะตอบเมื่อไหร่แดดมันจะออกเมื่อไหร่นั่นกเป็นไปเรื่องของมันเราอยู่ในนอกนี้ก็เราผ่านอยู่มาแบบไปอ่าอาจารย์ครับหนูถามอย่างนี้ค่ะเอ่อการมีใจจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างเช่นเรื่องงานกับ ความคิดถึงแล้วมันเป็นลักษณะเดียวกันไหมคะคิดถึงเหมือนเวลาที่เราไม่ได้ทํางานเวลาเราอยู่ที่อีกที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งกับแบบกับบางที่ทเราเราจุดจอกับเรื่องงานเงนี้คะ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าความคิดถึงมันเป็นพลังงานของความจดจอกนเนี่ยคะ่ะก็มั น, มนคือมันต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราคิดถึงนี่มันเป็นเป็นเป็นอดีตมันเป็นมันไม่ได้อยู่อยู่ที่เดียวกันที่เวราถึงคิดถึงเขา นี่เป็นสัญญาความจําส่วนเวลาเราจดจ่อเนี่เราเรียกว่าสติเวลาเราจดจ่อในการทํางานให้่ยเรียกว่าสติมันคนละตัวกันอ๋อแต่คือสมมุติถ้าเราพอไปจดจ่อความคิดถึงก็จะหายเพราะว่าสมองเราทํางานอย่างเดียวใช่ใชไหมใช่ใช่เราที่อยู่เราทํางานอยู่กับการทํางานก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้นได้เราวิธีหยุดความคิดถึงให้มันแบบมันหายไปโดยที่แบบ ก็ จ, จดจออยู่สิ่งที่เรากำัทอยู่อถ้าเราริจดจ่อเราก็กลับไปคิดถึงนี่อค่ะาจารยใช่ถูกต้องร้ไหม้าเราจดจออยู่ ก, กพูดโทรมาได้พูดโทพูดโทมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ค่ะเข้าใจมเข้าใจค่ะก็ <Okay. S 2> พยายามเพราะหนูพยฝึกสติก็เย่ยพยายามจดจอ่อยู่ในปัจจุบันอยู่เรื่อยๆ แล้วมันจะไม่ไปคิดถึงเพนั้นคนนี้สิงนั้นสิ่งนี้แล้วมันจะได้ไม่วิตกกัอองวลพอคิดแล้วมันก็จะวิตกกัอองวลขึ้นมาค่ะก็ก็หนูก็ต้องขอบคุณธรรมะ ข, ขอจานะคะเพื่อก่อนหน้านี้เหมือนสติแบบขาดเลยแบบช่วงที่แบบโควิดเยอะๆยังไม่ได้ค่อยเข้าสูมนก็พยายามฟัง ฟังธรรมะจานะโควิดปีแรกๆค่ะแล้วว่ามีช่วงที่มันกระทบอารมณ์อ่ะค่ะแต่ว่าก็คือก่อนหน้าเนี้ยรู้สึกว่าระดับสมาธิจะดีกว่านี้ทีนี้พอมันมีเรื่องบางเรื่องที่มันเข้ามาหนักๆหนูหนหนรู้สึกว่ากําลังสมาธิหนูหายไปเยอะเลยอ่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาทางธรรมเท่าไหร่แล้วก็แรกๆนั่งสมาธิตัวก็ยังสั่นเน่ยเพราะว่ามันมีโมโมหะในใจอเต็มไปหมดเลยอ่ะค่ะที่เพิ่งจะนิ่งได้มาแป๊บหนึ่งไ ด, ไ, ด ไ, ดได้ได้ระดับหนึ่งนะคะ ก็อยากจะพัฒนาต่อไปแต่พยายามพยายามฝึกสติพยายามจดจ่ออยู่ในปัจจุบันจดจ่ออยู่กับการทํางานของร่างกายนะะเดี๋ยวถ้ายังไงหนูก็จะพยายามเข้าซูมบ่อยๆนะคะอาจารย์เออได้ก็มาฟังมาเล่าให้ฟังมามาฐานบ่างถานได้นะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้คุณหมอเวลาผ่านเชิญคุณนมอเวลาผ่า ไม่ข้ามขายไปไม่เปล่าเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปหาคุณครับอาจารย์ครับก็ฝึกสติอยู่ทุกวันครับอาจารย์ครับพยายามทําให้มากขึ้นเรื่อยๆครับผมเห็นควาคัญของสติแล้วใช่ไหมครับผมสำคัญมากๆก็ตั้งแต่ตื่นก็พยายามทําตลอดครับอาจารย์ครับปีปีเผลอไปไปเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าก็ตื่นกลับมาได้เกือบเกือบถักเกือบทั้งวันครับ ความพยายามองนี้ห่อยเดียวความสําเร็จมันก็ตามไปครับผมมีอะไรจะถามไม่ไม่มีนะไม่มีครับพระอาจารย์ครับกลับไปพระคุณอาจารย์ครับผมโอเคหนไปที่คุณหมอสุทธาชินอันนี้เป็นศัลยแพทย์อะไรหมอมีอะไรไหมคุณเจ้าค่ะปฏิบัติทานศีลภาวนาทุกวันตามคําสั่งสอนของท่านพระอาจารย์ทุวัน เช่คุณธนากรอยู่ที่ไหนได้ยินได้ยินแชร์พูดได้เลยมีคำถามไหมครับครับก็เสังกัดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ในสเปกครับก็ปัจจุบันก็ได้เข้าปฏิบัติสิประชการสี่ครับแล้วก็ได้ใติดตามในส่วนของวิดีโอทั้งท่านครับ อ่แล้วก็อก <c oughs> ตอนนี้ก็กําลังเคไม่อะไรครับตื่นเนเต้นครับเพิงเข้าสู่กับท่าตัดได้เออเอเอวันนี้ตอนเย็นครับก่อนในช่วงจอดที่จะเข้าบ้านครับก็เออเจอทางครอบตัวนึงอยู่ที่มันไดครับเราก็สังเกตว่าไอตัวของเราที่พยายามระลึก แะลึกรู้สึกตัวอยู่ตลอดเนี่ยครับแต่พอหันหันไปเห็นทางพอกตัวใหญ่มากครับแล้วพอตีจะไม่ค่อยเจอครับถึงที่มันก็ตลเอิดแล้วก็ไหลหลังเดินตับมาสองสามก้าวแบบนี้ยครับเออันนี้คือความกลัวหรือความไม่รู้นะครับอาจารย์ <S <S มันก็คงจะเป็นวความกลัวะรับพอเราเราก็คงจะหมายว่า ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นพายกับเราหรือไม่แล้วก็อะไรกลัวขึนมาเป็นสัญชาตญาณของใจเราถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะมันก็จะเฉยๆเวลาเห็นอะไรก็จะเฉยๆพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆมีอะไรไหม เอ่อพระอาจารย์ครับแล้วก็เวลาสังเกตใน เ, เวลาที่เวลาจะเข้าสมาธิครับอาจารย์จะไปเอ่อเขาเรียกอะไรครับเห็นเป็นเอ่อเป็นจุด เ, เล็กๆข้างในนี้คืออาการของจิตหรือว่ามันในสิ่งที่เห็นนั้นคือตัวส่วนให ญ, ญ, ญก็เป็นอาการของจิตทั้งนั้นจิตยังไม่สงบท่านจิตสงวันแล้วก็จะว่าไม่ต้องสนใจให้อยู่อยู่กับลมไปแล้วอยู่กับผู้โธไป มันจะมันจะเป็นยังไงก็ถ้าเลือดเฉยๆไปก็ต้องไปไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาอะไรไม่ต้องไปให้ความสนใจให้สนใจอยู่กับผพุโทโธอยู่กับตัวไม้จ่ายไปจิตจะได้เข้าสูาส่ความสงบได้ถ้าทิ้งลงมเมื่อไหร่ที่งูทุทโธเมื่อไหร่ก็จะชัง่งน้ำหนักอยู่ตรงนั้นพี่ชายนะโอเคคุณก๊อฟครับซก๊อฟ อันนี้ก็บัตรใตช่วนี้คนบัตรใต้เยอะสุดละนักบัตการครับมารับฟังครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมมีคําถามนะครับรบกวนพระจาย์นิดหนึ่งนะคือคือผมก็ทําบุญเหมือนปฏิบัติธรรมมาประมาณตั้งแต่ปีห้าสองครับปีนี้ปีหกห้าก็ได้รับใช้ครูบาอาจารย์ได้สร้างเจดีย์ได้ทําสื่อธรรมะได้ปฏิบัติครับทีนี้มันมีคําถามครับก็คือว่าเหมือนเมื่อกี้ครับ เวลาสร้างเจดีหรือสร้างพระครับเราก็คิดว่าเมื่อก่อนเราดีใจที่เราได้ทําเราได้สร้างแต่ตอนนี้มันเป็นร้อยแล้วครับแล้วครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ยมันไม่ได้บอกสร้างเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนท่านจะสงวนรักษาว่าค่อยๆบอกกันแต่นี่คือเดี๋ยวประกาศกันโคลมๆทีเนี้ยการที่เราอยากสร้างให้มันเสร็จมันเป็นกิเลสหรือเปล่าครับพอเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ดีใจเวลาเราสร้างครับอาจารย์ คือถ้าเราทํำอะไรเราก็อยากจะทําให้มันสมเด็งอันนี้ก็จะจะถือว่าเป็นกิเลสเขไม่เชิ่อเห็นแต่ว่าสิ่งที่เราสร้างนั้นมันอาจจะเป็นกิเลสก็ได้คือสร้างสิ่งที่คนต่อไปคือสร้างที่ไม่สร้างในสิ่งนี้ไม่จำเป็นมันก็เป็นกิเลสแต่คือแต่คือคือสร้างก็เสร็จเสร็จไปแล้วเยอะครับบางเจ็ดสิบปีอะไรเงี้ยแตก็คือพยายามแบบแต่คือเราก็ไม่ได้บางบางเจดีย์ก็คือว่าที่ครูบาอาจารย์ที่เสร็จไปแล้วเหมือนของหลวงปู่คําบอกก็คือเสร็จก็คือท่านสร้างด้วย ไม่ได้เรียกอะไรปัจจัยนี่คือเสร็จแล้วแต่ว่าเหมือนพระเดี๋ยวนี้ครับพระที่ที่พะระาาย์บอกตอนต้นคลิปนะครับว่ามันก็มีสร้างเยอะทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าเออเราจะพอหรือยังหรือว่าแค่ร่วมไปแบบว่านิดๆหน่อยๆแต่คือคือตอนเมื่อก่อนนะเราดีใจแต่ตอนเนี้ยเราเฉยๆครับก็เราถือว่าเป็นการทำทานเราแล้วกัน จะทำทานด้วยการสร้างพระก็ได้สร้างวัดก็ได้สร้างเจดีย์ก็ได้หรือใส่บาตรก็ได้น่าแต่เราอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำทานก็คือเราทําได้เรื่อยๆของเราใช่ไหมครับใช่คือผมเหมือนตอนนี้ก็คือเมื่อก่อนปฏิบัติครับเราได้เต็มๆตอนที่ธรรมะบนเขายุคแรกครับที่อัดเทปถามตอบครับคือผมก็ปฏิบัตินั่งสมาธิได้เยอะแล้ว ทีเนี้ยตอนนี้คือที่ไม่ได้ปฏิบัติเพราะว่ า, ามีเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายไม่ได้ไม่ได้เป็นหนี้แต่ว่ามันก็เป็นภาระที่เหมันที่บ้านลงทุนให้แบบมันก็เยอะครับก็คือทําสักนิดนึงก็คือจะได้ปฏิบัติต่ออะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ปบัติแต่ว่าสิ่งที่ผมทําก็คือว่าทําในใจอยู่ปฏิบัติตำอยู่คือผมก็แบบฟังพี่ๆทุกคนในะนี้พยายามแบบว่า คือศีลผมก็รักษาครับก็คือแต่ว่าผมอย่างเดียก็คือว่าไม่ได้ปฏิบัติเหมือนก่อนครับพระอาจารย์ถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันก็จะไม่ได้ผลเข้าใจคื อ, ค, อคือความซาบซึ้งในใจมันไม่ได้มีเหมือนว่าก่อนครับอ้าอยากจะหน้าก็ต้องกลับมาปฏิบัติให้มากขึ้นนะพระอาจารย์เราผมไม่ไหวอะไปนะมีอะไ ร, รไหม เมีครับมีมีอย่างนะครับออที่คุณวิไลพรนะครับที่เขาอบอกว่าสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังคือถ้าตามที่ผมเรียนมาถ้าสัตว์สัตว์ที่สัตว์ที่มีระบบปอดนะครับมไม่มีระบบปอดเขาเขาไม่เรียกว่าเป็นสัตว์ครับคือไม่มีกระดูกสันหลังพวกเชื้อไวรัสแบคทีเ r ียครับไม่เรียกว่าเป็นสัตว์ครับโอเคอันนี้ก็แล้วแต่นีอย่างก็แล้วกันครับพอาจารย์โอเคนะทนันได้แล้นะ โอเคที่เกิดมาลิดแทนมาลิดขทธรรมะขอบคุณมากครับหลวงพ่อเออเห็นได้ยินว่าบทพิจารณาโพชงทำทําให้แก้อาการป่วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงหรอครับไม่รู้งไงเห็นแบบบทเกี่ยวกับโรคอะไรจะไม่ให้ฟังสดพิจารณาโพชงอะไรแบบนี้ครับคือโพชงมันเป็นธรรมที่จะทําให้จิตใจเราเบิกบานเข้มแข็ง ว่าเรามีโคจรแล้วถึงแม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ปวถทำทําจิตใจก็เหมือนกับไม่ได้เจ็บไข้ได้ปวยมันก็จะทำให้ครปีก้กระเป่าไรขึ้นมาปกติโคจรโคพร ก, ก, ก็คือพวกสติพวกปัญญานี่แหล ะ, ะ, ะต่างจากมัดแ8ดยังไงครับหลวงพ่อเขามันเป็นขั้นตอนก็ไม่ต่างมันก็เหมือนกันธรรมดาปรรมดา แต่ละคาเอาแต่ละครั้งทางา่านอาจจะแสดงไปในแงมน่มุมต่ากๆซึ่งอาจจ ะ, ะเอาตัวอื่นออเอาตัวใหม่เข้ามาผสมเข้าไปนั่นเนองแต่ก็ยังเป็นนั่ง<อ>ไปดีเข้าใจไหมแค่นี้เขามันครับโอเคนะอตัตนมัตินะมีไปหน่อยนะ ท่านต่อไปคุณหมอหน้าวัตเชื่อขอบพระคุณสรขการอาจารย์ครับมีอะไรไหมคุณหมออ๋อเข้ามาฟังครับเข้าฟังเชฉยเฉยเลยแล้วก็จริงๆช่วงหลังผมรู้สึกบางทีมันไม่แน่ใจว่าเป็นขาดสติคุมความคิดอะไรบางทีมันก็รู้สึกเวลาไปทำงานก็เบื่อๆไม่เข้าใจว่ามาทำ สิ่ไอ้แพชชั่นไอ้ที่ทํามันก็มันก็ไม่มันก็ทําแล้วมันก็เป็นอนิจจัน์เป็นมันก็มันก็ไม่เที่ยงใช่สึกมันก็อมันก็อาจจะอาจจะอาจจะเกิดเห็นมีโรคตายทำไปได้เบื่แบบทําเห็นมันทำมันลูกทำไปกับท่านนั้นอ่ะบนไปเวียนมาย่างทเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบัวนครับนะ อาจจะเป็นชั้นงานเพรายว่าอยากจะเปลี่ยนอาจจะอยากจะเปลี่ยนงานก็ได้งานทั้งโลกหน้าเบื่อมันทํางานทางธรรมดีมาครับมันรู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่ใช่ครับมันก็มันก็แต่ว่าแต่ว่าพอแต่ว่าอีกทางมันก็มันก็จะหนักมากเข้าไปอ่าถ้าไปปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนมันก็รู้สึกมันก็แต่ว่าแต่ว่ก็ มันก็เลยมันอยู่ตรงกลางครับมันก็เลยก็ทําไปตามกําลังของเราครับทางํารมันพอมันไปจะไปครับรู้สึกบางทีก็อยากอยู่เฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรน่าจะนั่งวางๆปฏิบัติทั้งวันมันก็น่าจะน่าจะก็ให้คิดว่ามันเป็นอารมณ์แล้วนะมันก็เป็นอารมณ์อ่าแล้วก็ดับไปการจะทําอะไรก็ใช่เหตุผลหนึ่งการตัดสินใจครับใช่เหตุใช้ผลในการตัดสินใจ อยากจะตัดสินใจด้วยอาร่ว์โชคกครับนะจะดูดูมันไปใช่ไหมครับดูมันไปมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นจิตสังขารความคิดปุงแต่งของจิตเองครับนะซมะ่มันก็มันมมก็อาจจะมีผลมาจากการที่เราอาจจะได้เจอกับของหน้าเบื่อขึนมาก็ทำให้เราบื่อได้ครับนะ แต่ตการที่เราจะไปทำอะไรต่อจากที่เราคิดนะมันก็ต้องใช้เหตุผลต่อไปว่าควรจะทำอย่างไรดีต่อไปนะใช่ไหมครับโอเคนะได้ไม่มีอะไรกันไปที่ท่านต่อไปครับคุณสุภาตราจาก Dallas, Texas สใช่กับนมัสการพทยอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้คุณพ่อและลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคขอร่วมฟังเจ้าค่ะไปคุณพี่อภิสิทธิ์จอดอิสิทธิ์อยู่ที่ไหนอภิสิทธิ์การนวัสการพระอาจารย์ครับได้ยินพระอาจารย์ได้ยินชัดเจนภาอะไรมีอะไรอยู่ที่สกลนครครับอาจารย์ไม่ไม่ได้เข้ามาหาพระอาจารย์รู้สึกจะเป็นเดือนละแต่ว่าติดตามทางเ facebook อยู่ครับอาจารย์ ยะยะเพราะว่าคำ บ, บอกกล่าวพ่อาจานย์มันครบแล้วไงก็อยู่ก็อยู่ที่ผมที่จะทำนะใช่ครับก็พยายามทาอยู่พ่อาจารย์ก็มันปฏิบัติมันก็รู้สึกมันเราก็ยังมีความขี้เกียจเยอะอยู่แต่ว่าก็ต้องทำทุกวันเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ทำแล้วก็ทำไม่ได้ตามที่ตัวเองตั้งใจไว้เนี่ยมันมันคคเขา้ามันไม่ได้สมาธิแน่แนมันก็คงจะไม่ได้แน่นอนก็ต้อง ตั้งใจทําทุกวันแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นตามตามที่พระอาจารย์แนะนํำครับใช่ถูกต้องพยายามทำให้มากแล้วผลนันก็ยายนกลัขึ้นมาได้ต้องฝืนทําทุกวันนะครับพระอาจารย์ใช่ถูกต้องถ้าทำตามตาทําตามอารมณ์มันมจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่มันมันอยู่กับตัวเองเนี่ยมันมันต้องอาศัยบังคับตัวเองจริงๆมันมันไม่เหมือนอยู่กับครูบาอาจารย์นะครูอาจารย์ทาาา่านพาทำใช่ถ้อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็คอยดึงเราคอยผลักเราครับท่านจะครอบครองเราตลอด อันนั้นอันนั้นมันทําได้แต่เนี้ยอยู่กับตัวเองเนี่ยมันต้องบังคับตัวเองคนอื่นมาบอกเราไม่ได้เราต้องทําเอาเองใช่ถูกต้องครับก็พยายามทําอยู่ครับอาจารย์ปฏิบัติแล้วเดี๋ยวปฏิเวก็ตามมาโอเคแล้นึกถึงนึกถึงครูอาจารย์แล้วครูอาจารย์นั่งอบรมเป็นชั่วโมงสองามชั่วโมงเงี้ยมันเสียเวลาครูอาจารย์นะครับก็ไม่เสียหรอกครับนี่เข้าไปทําประโยชน์ได้กั็มี ครับก็เลยต้องตั้งใจทาให้สมกับที่ครูบาอาจารย์แนะนาหน่อยครับครับคุณจนครับ ค, คุณจตซเวดสป ร, ริงแลนด์ Maryland, USA ค่ะคจขอโทษทีค่ะที่ที่แล้วงานยุ่งมากเลยยมไม่ได้ทำเข้ามันในวินาทีสุดท้ายแต่ว่าน่าจะเลิกไปแล้วคะ่ะค<ม>่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะ ได้ดีติดโควิดทั้งหลายก็แน่นเจโอ้ยังค่ะแ่แบบคือช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้งอาการของภูมิแพ้อากาศอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าบางทีมันเจ็บคอทั้งลูกลูกก็เจ็บนล้วมูกไหลตัวรุมๆก็เลยกลายเป็นว่าจะโควิดหรือจะภูมิแพ้มันมันปนๆกันหมดแล้วอะค่ะไม่ไม่เช็คไม่ตรวจตรวจค่ะก็เลยต้องมาตรวจตรวจก็ไม่ปะตรวจแบบที่เขาแบบ ทำเองที่บ้าน ATK อะคะอ่ะก็ไม่เป็นนะคะไม่เป็นนะใช่ค่ะก็สาทุเที่ยงเังยังไม่ยั ง, ย ง, ยงนอ้นองออนวดก่อนค้าวข้ามพูดมันจะเข้าก็เลยแบบ ก, ก็พยุงพยุงอาการไม่ใช่พยุงอาการก็คือพยายามทำให้มันดีสุดอะคะ่ะเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นถ้าเป็นก็รักษาตามอาการนะคะแล้วต้องเริ่มใช้ชีวเคมีกันได้อย่างนท้ไหมก็ ที่เมริกายังไม่มีข่าวนะคะว่าจะถีดเข็มที่สี่ยังไม่ได้กล่าวถึงนะคะยังยังไม่เห็นว่าเขาจะพูดอะไรนะคะแต่ตอนนี้คือทุกคนไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วก็ได้อ่ะคะ่ะโอเคก็ดีค่ะค่ก็ก็แต่ตอนนี้ก็คือฝึกฝึกสติเหมือนกันเพราะว่าบางทีอาการเป็นอย่างนี้ลูกลรวเป็นก็จะปวดจิตก็จะตกไปเป็นหรือเปล่า หรือเปล่าก็ต้อง<ม>เหมือนที่พระอาจารย์พูดกับท่านอื่นๆ น, นะคะว่าสติมันสําคัญจริงๆค่ะ<ม>แล้วช่วงนี้งานโยมยุ่งมากเลยบางทีสติก็แบบหลุดว่าไอ้ความจําำมันอะไรของมันก็ไม่รู้ก็เลยแบบต้องจดจดแล้วก็ต้องโฟกัสมากกว่าเดิมในเงี้ยค่ะคะ่ะ<ม>พระอาจารย์วันนี้โยมไม่มีคําถามค่ะแค่จะเข้ามากับประมาจการพระอาจารย์ค่ะคอมไม่เห็ไม่เห็นหน้าของสามเทียนมาใช่ค่ะถ้าใช้คําว่าจะ ้วลึกถึงหรือคิดถึงสำหรับพระนี่มันไม่สุภาพค้อบอกว่ายังระ ล, ลึกถึงว่าอาจารย์เสมอนะคะ <Okay. S 1> ก็ตามฟังค่ะค่ะร <Okay. S 1> <ใน S 2> ักษาสุขภาพเจพา้าค่ะถูกค่ะคุเรีองอ่ะคุมาลีก่อนม่ไปคุณมาลีก่อ <S <S กับหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อได้ยินหนูไหมคะได้ยินชัดเจนหนูก็ยังปฏิบัติอยู่คะ่ะหลวงพ่อปฏิบัติทุกวันเหมือนที่ พี่คนเมื่อกี้บอกอ่ะต้องต้องบังคับตัวเองคือถ้ามันไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ไปอยู่ที่วัดเนี้ยมันปฏิบัติมันความเข้มมันจะน้อยกว่าค่ะหลวงพ่อมันก็เหมือนเองภาระหน้าที่อะไรของเราอ่ะมันต้องคอยมากวนใจเราอยู่ตลอดค่ะหลวงพ่อพอจะปฏิบัติอะไรเนี้ย เ, เดี๋ยวก็คนโ น, น้นเดี๋ยวก็คนนี้มันรู้สึกทําให้เราเหมือนหุดหงิดนะคะหลวงพ่อว่าเออมันทําไมมาขัดจังหวะเราตลอดอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่า แต่ว่าเราพูดไม่ได้เพราะว่าสมมุติเป็นแม่เราอย่างเนี้นะคะคือเขาเขาเราต้องดูแลเขาเพราะเขาก็เริ่มแก่แล้วเริ่มเออเราก็พยายามทําใจว่าเออเนี่ยเขาแก่แล้วแล้วก็ไข้เจ็บป่วยอะไรก็เริ่มตามมาเหมือนเหมือนที่หลวงพ่อสอนว่ามันเป็นไปรักอย่างเงี้ยค่ะมั น, นก็เริ่มเริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้หนูหนูจะรบกวนหลวงพ่อว่าทําไมเราเออต้องคิด หรือว่าเราเราเห็นประโยชน์อะไรที่เราจะต้องพิจารณาหรือว่าปองสังขารหรือว่าเรานึกถึงความตายทุกวันอย่างเงี้ยค่ะมันประโยชน์เพื่อเพื่อทําใจไงว่าต้องทุกวันจาต้องตายจะได้ไม่ไม่ฝืนธรรมชาติไม่ถึงความจริงยอมรับความจริงถ้าเร า, เรายอมรับว่าเราจะตายอย่างสงบไม่ไม่ทุกข์ม่นวายใจกับความตายอยู่ก็ไม่ทุกข์อยู่ก็ไม่กังวลแล้วต<ห>ัวยไ<ม>งก็ต้องตาย ให้ปงไปอย่างเงี้ยใช่ไหมค ะ, ะ, ะมันมันเหมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนใช่เตรียมเตรียมใจรับกับเหตุการณ์รับกับความจริงเนี่ยเหมือก็เหมือกับเราได้ยินพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้จะมีฝนตกเนี่ยเราก็เตรียมร่มเอไว้เตรียมตัวไว้ค่ะแล้วช่วงเนี้ยหนูไม่รู้ยังไงเมื่อวันเมื่อคืนเนี้ยหนูหนู ขับรถกลับไปนครนายกค่ะหลวงพ่อมันก็เกิดอุบัติเหตุก็คือรถมาชนมาชนท้ายหนูอะไรเงี้ยมันก็มีก็ ถ, ถือเป็นเรื่องธรรมดาปกติจิตมันก็คิด<า>คิดขึ้นมาว่าเออมันเราห้ามมันเป็นอ น, นิจจ์เนาะเราห้ามไม่ให้มันไม่เกิดได้อะไรเงี้ย สรุปก็คือหนูก็ต้องนั่งนั่งทําใจแล้วก็รอรอประกันมาแล้วช็แล้วก็จบแล้วก็จบแยกจําไป อ, อ, อย่างเนี้ยค่ะจำได้เลยอย่างมากก็เวลาขับไ็ให้สติให้ ม, มากๆแต่บางที <ขอ S 2> มันก็เป็เหตุสวิสัยมันมีอยู่มไม่ใช่เป็นความผิดของเราก็มีบางทีคนหนึ่งเขาขับเขาไม่มีสติก็มีใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อคือคันหลังอ่ะเขาเขาเหมือนเขาจะรีบเปลี่ยนเลนแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ได้ดูเราเนี้ยเขาหันมาเขาก็โดนเราแต่ว่าพอเรา เราเห็นหน้าเขาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือเราก็นึกหนูนึกถึงที่หลวงพ่อบอกเลยว่าต่างคนต่างแยกแยกกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต่างคนต่างไปเคลียร์กันเองอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ไม่ไม่มีเรื่องอะไรใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อห็วงพ่อมาตกมาทีกันก็ก็โอเคก็ตกก็เรียบร้อยดีค่ะหลวงพ่อก็ก็มานึกถึงเออมันอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหมหลวงพ่อ ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพใช่ไปก็ทําใจของเราให้มันกปกติให้มันสงบอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อคะอีกคําถามหนึง่งเออหนูอยากทราบว่าทําไมตามวัดอย่างเงี้ยคะเขาถึงไม่ปลูกพวกต้นต้นไม้ที่เป็นพวกมีผลไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทําไมถึงไม่ปลูกอะคะหลวงาาพ่เพราะว่าเขากลัวคนเข้ามามอคอยเก็บมาอะไรกันมาย่างกันมาอะไรกัน อ๋อนน ห, นหนูหนูหนูถ<ก>้สังเกตว่าว่าวที่ปฏิบัติมันจะไม่สบเร็จถามากที่มันน้าผลแล้วค่อยก็จะอ๋อเข้ามาคอยเก็บคอยปีนคอยอไรอหนูหนูก็สงสัยทําไมทุกที่เลยไม่แทบไม่มีเลยค่ะอย่าง อ, อย่างต้นพวกผลไม้อะไรเงี้ยไม่ไม่มีค่ะแล้วก็วันนี้หนูมีคําถามข้อเ น, นี้ยค่ะหลวงพ่อ สกับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะปฏิบัติต่อไปนะปฏิบัติต่อไปค่ะหลวงพ่อหนูไม่ทิ้งค่ะปฏิบัติตลอดค่ะใช่คุณใช่คุณทยาททยาทลุกไม่าเป็นเชื่อาษาอะไรไม่ทราบที่ทายาทนะครับทายาทครับเพื่อเขียนให้มันตลกตอกนะครับอครับจากนมมัสการครับวันนี้มีสามคำถามเป็นคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจซึ่งยังคิดไม่ตกอยู่ อครับวามหมายของคาว่าสติกับสมาธินี่มันต่างกันตรงไหนอะครับเ อ, อ๋อสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสติคือการควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดพอถ้าเราหยุดความคิดได้จิตก็นิ่งซสงบเป็นสมาธิขึ้นมา อ, อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีสมาธิเราต้องใช้สติคุมใช่ไหมครับใช่คุมความคิดหยุดความคิดในการเรานึกถึงพุโทโธก็ได้หรือเรานึกถึงดูนมหายใจเข้าออกก็ได้ครับ มันจะไม่คิดพอมไม่คิดมันก็จะสงบนิ่งพอมันสงบนิ่งก็เป็นสมาธิขึ้นมาโอเคอันนี้กระจากละว่าสติคือเหตุสมาธิคือผลคําถามที่อสองของผมอนะครับอ่าผมเคยเขียนตารางสามเหลี่ยมศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเปียมิดสามเหลี่ยมตัวศีลนี่ช่วยทําให้เกิดสมาธิแล้วเมื่อสมาธิจะทําให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับช่วยสนับสนุนจะจะไม่จะไม่ได้ทำว่ามันเกิดขึ้นมาเอง สนับส น, นตุตัวที่จะทําให้เกิดสมาธิคือสติอ๋อสติใช่ไหมฮ ะ, อ, ะอย่างนั้นสิน่งสิ่คือตัวสนับสนุนเอสนับสนุนคือทําให้มีเวลาปฏิบัติสติได้มากขึ้นพอทีอสิ่งแต่พอเธสิ่งแต่ก็จะ ม, มีเวลาว่างจากกิจกรรมอย่างอื่นก็จะได้เอาเวลาว่างนี่มามาเจริญสติเรืองสมาธิอืมนั้นสติคือตัวเหตุ เอ่อสีนคือตัวสนับสนุนอชแล้วจะเกิดสมาธิถ้าไม่ครับเราสมาสีน์ก็จะตัวเองจะทำได้สีล์จะทําให้เรามีเวลาเจริญสติไงเพาเราจะสีนแต่แล้วก็ดูหนังไม่ได้ฟังเพงไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้เราก็จะได้เอาเวลานี้มาเจริญสตินั่งสมาธิไปครับผมโอเคก็คำถามสุดท้ายนะครับจะกลบงปัวก็ถามสุดท้ายเอตอนนี้ผมรู้สึกเฉยๆกับทุกเรื่องเลย แต่ไม่ได้ขี้เกียจเหมือนคําถามที่เคยถามไปก่อนนะครับหรือ mm hmm. อย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อนผมฟังเพลงก็จะสนุกสนานมากเลย mm hmm. ตอนนี้ผมฟังเพลงที่ผมชอบที่สุดผมก็เฉยๆกับมันเมื่อก่อนผมเห็นของอะไรผมก็อยากได้เดี๋ยวนี้ผมก็เฉยๆกับมันอันนี้เราจะเรียกว่าอเฉยๆหรือเรียกว่าปล่อยวางครับาจก็เหมือนจะว่าปล่อยวางก็น่าจะว่าอุาาเบกขาก็น่าคือ เราไม่มีความน่าความชังกับสิ่งต่างๆครับเฉยๆมันขับมันเฉยหมดทุกอย่างเลยฮะเดี๋ยวดีเมื่อก่อนเห็นเห็นเห็นหมาตายเห็นหมาบาดเก็บผมก็สงสารตอนนี้ผมก็เฉยเฉยค่ะใช่ไหมครับใช่ปล่อยวา่ายึ่งมันเกิดโดยอัตโนมัติของเองส่วนหนึงก็าจจะเกิดจากประสบการณ์ของชีวิตเมื่อเราเห็นอะไรบ่อยๆเข้ามันก็จะปองนะอ่าทุกอย่างมันก็มีเกิดมีดับ ครับโอ้ยกี่ทีนะชอบฟังไปล้วเนี๋ยววันก็หมดพอหยุดฟังมันก็หายไปโอ้โหฮ่องคงไม่ใช่ไปแล้วล่ะครับพเพราะเมื่อก่อนหยุดฟังฟังใหม่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมอมแต่พอตอนหลังมาหลังจากตั้งสมาธิแล้วเนี่ยมันเฉยๆไปหมดเลย อ, ะอ่ะอใช่อาหารเคยกินอร่อยมันก็เฉยๆไม่อร่อยก็เฉยๆถูกตามใจมันจะนี่จะจะอิ่มของมันเลยมันมันไม่เขียวห้อยกับอะไร อันนี้อาจจะอนุโลมได้ว่ามันเกิดจากการที่เรานั่งสมาธิแล้วมันนิ่งใช่ไหมครับใช่ถ้ามันนิ่งมันก็จะเกิดความอิ่มเกิดความเฉยขึ้นมาอ๋ อ, มมอผมก็จะใช้คาว่าปล่อยวางได้ได้ปล่อยวางโตาัตถุขได้ครับผมครับครับตอนนี้นะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับสาธุคุณจริงทอนต่อจาก USA Maryland นัสการพร ไม่ได้นั่งมา่เหมือนกันนะโยมพยายามเข้ามาค่ะโ ย, ยมมาไม่นนทันอาทิตย์ที่แล้วคับอาจารย์เลยนั่งฟังอยู่ข้างนอกค่ะพระอาจารย์แต่ยมก็ไม่ได้มีอะไรรับฟังพระอาจารย์ตลอดเวลาค่ะ อ, อวันนี้ยมไม่มีคําถามค่ะเข้ามาเติมพลังแล้วก็มารับฟังธรรมค่ะสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะยังทา ง, งานที่บ้านนะไปทำงานที่สานักงานนะ ก็มีกลับไปบ้างเหมือนกันนะคะพระอาจารย์แต่เหมือนกับว่าพอเราเริ่มกลับไปทำงานเจอผู้คนมากมายก็จะมีมันจะมีเรื่องหมุดหงิดฟุ้งซ่านเหมือนคุณมาลีกับคุณหมอณทวุฒิค่ะก็จะเริ่มรู้เบื่อหน่ายกับการเจอผู้คนการทำงานเดิมๆซ้ำซากปัญหาเดิมๆแต่ของโยมนี่ไม่ได้เกิดจากไม่ได้เจอเกิดจากการรู้แจ้งในธรรมนะคะพระอาจารย์ของโยมนี่อาจจะโอยเบื่อหน่ายเมื่อไหร่จะจบสิ้นสักที ก็รอเวลาค่ะพระอาจารย์รอให้อาจจะพร้อมกว่านี้ลูกโตกว่านี้จะได้ปฏิบัติคือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอยากปฏิบัติแต่ว่าสถานะภาพมันยังทำไม่ได้อ่ะค่ะก็ต้องอดทำที่ทำได้ไปก่อนแล้วก็ทำที่ทำได้ก็ททอย่างนี้ทุกวันไปก่อนค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะขอบคุณค่ะ อะไที่เป็นพัทนาพรบวสุที่อยู่ประเทศสเปนกับ อ, อิตากับเลวกับนมสการเจ้าค่ะหลวงพ่อป่วยเจ้าค่ะป่วยกันทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยไม่ได้เข้าแต่ว่าฟังอยู่ด้านนอกเจ้าค่ะเป็นโควิดไหมฮะจ๊ะไม่ได้โควิดเจ้าค่ะแต่ว่า แต่ว่าก็ป่วยแต่เช็คแล้วริวเป็นหนักแต่ว่าก็เช็คแต่ว่าโควิดก็ไม่ขึ้นนะเจ้าค่ะเพราะว่าเจ้าค่ะแต่ว่าอากาศมันไม่ดีเจ้าค่ะที่นี่ตอนนี้อากาศเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกก็ป่วยแล้วก็ก็พิจารณาทุกอย่างเป็นไตรักนะเจ้าค่ะไม่ได้ดูใจตัวเองก็ไม่ได้ไปทุกข์กับความป่วยเจ้าค่ะหลวงพ่อท่นไม่ได้ธรรมดาเนเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็ ทำไงเจ้เจาคะ่ะแล้วก็หมอให้ยามาทานแล้วก็ไม่อยากจะทานยาเจ้าค่ะหลวง่อเจ้าค่ะถ้าไม่ทานก็ไม่หายก็ก็บอกก็คุยกับตัวเองว่ามันเหมือนมันลูกมีความรู้สึกว่าเหมือนมันแยกใจกับกายเหมือนเหมือนมันแยกกันคนละส่วนได้แล้วไดเน่ยถอยงก็เ <Hah> ช้ธรรมะเอาสนใช้ยาธรรมะแทนก็ได้เจ้าค่ะลูกก็เขาลูกก็แล้ว <c oughs> แล้ว อหมอก็ให้ยามาทานต่อยอีกหนึ่งเดือนแล้วก็มีต่ออีกหนึ่งปีแล้วลูกก็ก็ไม่มันไม่อยากจะทาน่ะมันมีความรู้สึกแบบมันวางเฉยอ่ะแล้วมันก็ถ้าไม่ทานก็ได้ไม่มีใครเขาบังคับก็ได้ร่างกายของเราจะให้มันกินก็ได้ไม่กินก็ได้เลยเป็นยากี่ยวกับกระดูกกับมันคุณจะกินกาไม่กินก็ปิกาแล้ากินถ้ามันดีก็กินดีกับไม่กิน ทั้งเหตุผลก็แล้วกันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วลูกก็เอแล้วเราก็ยังปฏิบัติยังไม่ถึงไหนแล้วถ้าเกิดสังขารมันไม่ไหวแล้ว ก, ก็ลูกพยายามบอกกับสังขารตัวเองนะเจ้าค่ะต้องทานมาหน่อยนะเพราะว่าปฏิบัติก็ยังไม่ได้ถึงไหนแล้วถ้าเกิด สังขารไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไม่พ้นอะไรอย่เงี้ยอารมณ์เพิ่มก็ผิดเปลี่ยนสติจุติร่า ง, ญญางกายต้องเลี้ยดูแลให้ดีที่สุดถ้าที่เราจะทำได้นะจ๊ะค่ะหลวงข้อขอพลังหลวงพ่อจ้ะค่ะพูดโทนะคือพลังสติคือพลังปัญญาคือพลังน ะ, ะทุศากทุ ก, กับศากทุกข์โอเคคุณกายพิณไปอยู่ right ออริกานะอยู่เไหน ยูเนลคอเบลส์เลยคอนด์คนด์ครับคอนด์นโอเคเคยไปครั้งหนึ่งตอนเป็นเต็ดฮิมาที่ฟอร์สหนึ่ง่บมาตก็นเมืองนะช่วงปีใหม่ไปเลยจำได้โอแใชครับที่มันจะตกรวมกันมาปีใหม่แต่นานก็จะตกไปตามจุดตรับ อปี68ถ้าจําไม่ผิดปี68ปีใหม่ปี68นั่นแหละแล้วผมผมเกิดปี69 <laughs> ยังไม่เกิดครับก็มาเยี่ยมครอบครัวครับแล้วก็มาวิ่งอยู่วับที่15จะไปวิ่งที่บอสตันมาคอนออเนตทิคัตเ<อ> ม, มื่อครั้งเมื่อกครั้งครอบครัวอยู่ที่เสียร์โดไม่ใช่ไห ม, ไม พอาดูดูดูเพื่อนเนี่ยนะครับมาเปิดร้านนะครับภริยาเสียชรามามาทําร้านอาหารเพื่อให้ลูกๆได้ติดเรียนตี๋ประการที่ร้านที่มาเห็นเห็นเห็นบอกว่าอยู่ที่เสียเท่าไม่ใช่เอาไปนไปเที่ยวครับไ ป, ไปเที่ยว อ, อยู่พเพื่พอนเพื่อนไปร้านอาหารใช่ครับ่ครับก็จะเตรียมขายร้านแล้วครับก็ ลูกใกล้จะจบพิมพ์แครับก็คือยาได้ปรับคืนขอนพิมพ์อ่าฟังฟังธรรมะจากอาจารย์ตลอดครับแล้วก็เช่วงนี้ฟังฟังจิตหวงตาสวงตาด้วยครับแล้วก็เป็นมีแรงบันดาลใจเพิมขึ้นมากเลยครับก็คือผมผมก็จะ จะเป้าหมายเรื่องของการไตรอร้อนแมนทำมาราธอนลินเน่นะครับอาจารย์ก็คือฟังฟังจากหลวงตาเนี่ยก็มีแรงดนดันใจว่าเออถ้าเราอยากได้แต่าบันเนี่ยเราก็สมมุติตัวเองว่าเราเราจะทําให้ได้นี่นะครับมันมีกติกามีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขอะไรเนี่ยนะครับหลวงตาบอกว่าหลวงตาก็ใช้ชีวิตในการแรกของกนนันก็เลยก็เลยจะเดินตามว่าเออเราต้องแรกให้ได้ ก็เลยว่าจะขอคำแนะนําแต่านอาจารย์ที่ว่าไม่น่าจะต้องซอยที่ไหมครับอาจารย์จะต้องถึงสมาธิเรื่องอุเบกขาก่อนนี้วัดกันใช่ต้องฝึกสมาธิให้เยอะฝึกสติให้เยอะให้จิตดรดวมกันอัปปนาสมาธิให้ได้แล้วพอได้มันจะง่ายปัญญาก็พิจารณาแยกแยะว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นจุ่งงงไฟก็ก็ หลักๆก็คือต้องต้องควรจะถือศีลแปดโวยการทำประการใช่ถ้าไม่ถือศีลแปดมันก็ยังไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงหน้ามันก็จะไม่เอาเวลามาปฏิบตันะติอย่างเต็มที่ถ้าไม่เที่ยวแล้วถ้าอยากจะได้โซดาบัานนี้เราไม่เที่ยวไปจรินไม่เดยกไม่ดูหนังฟังเพลงอะไร น, นะเอาเวลามาปฏิบัติอย่างเดียว ทำไมแม่แม่ไปบอลละทอนนี่เขาไม่ไปนะเก็บตัวอยู่ข้างในก็ก็รู้สึกว่าอย่างอย่างอย่างมาเช่นนี้นะครับอาจารย์ก็จะได้บอสการนี้ผมสุดซ้อมมานานมากครับผูกเกล็ีครับกว่าจะได้แล้วก็มันไม่ตื่นเส้นเลยครับตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ามันมันอยากจะไปทางทํามากกว่าอาจารย์ก็ไปไปอย่างนั้นแหละครับก็ไปเพื่อ สมัครไว้แล้ ว, วคปตรวครื่องบิอะไรต่างๆแล้วก็ไปนะครับเวไม่ไเป็นไขาต่อไปงาเปลี่ยนเป็นไปปฏิบัติธรรมดีมนะใช่ครับกอก ท, ที่จางนั้ น, น, นอจนจาๆๆรย์ทำว่าจะเดินตามอาจารย์ตายตาไม่ได้เดีวจะดูจะอาชีวิตเขาแล้หวังว่าคงจะได้ทำเวลาได้นี้นะมาล่อน <laughs> ฝึซ้อมน้อยมากครับอาจารย์ก็คงจะเอประคองเพื่อให้ให้ให้ใหใหจบเปนพินเนเจอร์ครับก็คงประมาณสี่ชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับที่หนึ่งเข้ามันสองชั่วโมงกว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับสงชั่วโมงนิดๆโดยป ก, กติพวกโปรเขาก็จะสองชั่วโมงน่อยครับก็สี่ชั่วโมงสองเท่าก็ได้ ใช่ครับเขาเขาให้เวลาทั้งหมดประมาณ7ชั่วโมง ค, ง ร, ครับอาจารย์เจ็ดชั่วโมงสีโมยังเต๋อว่ า, วายัางโอเคครับใช่เขาก็เป็นระดับกลางๆของของพวกเอเมเซอร์ครับมีมีคนเข้าแข่งแต่เท้านี้สักกี่หน่วยเป็นหมื่นยที่เป็นอั0 0 0มหมื่นคนครับโดยโดยโดยปกติที่บอสตันนี่ เขาจะมีกําหนดเวลาครับว่าคนอย่างผมอายุห้าสิบเนี่ยเขาต้องวิ่งได้สามชั่วโมงยี่สิบห้าครับแล้วก็ถ้าที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยทำสามชั่วโมงยี่บห้านี้ก็ไม่ได้วิ่งเพราะว่าคนต้องการวิ่งมากกว่าได้เวลาที่ดีๆถได้วิ่งเนยครับแต่ช่วงโควิดก็คือแค่ทําเวลาได้ตามที่เขากาหนดก็ได้วิ่งหมดเพราะว่านักวิ่งก็จะฝึกซ้อมน้อยไม่ทําเวลากันดีน้อยครับ ครับผมโอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมครับสบายครับขอบคุณครับโอเคสาธุคุณใน JP อยู่จากรพรอยู่ญี่ปุ่นมันทุกตายนะไม่ทราบว่าจะมาพูดไหมมีแต่ภาพไม่มีรูปคนมไปที่คุณเกรดไกลครับคุณเกรดบันดิต <c oughs> การน้ำละการครับ พอดีว่าเมื่อวันก่อนฟังกับที่ฟังกับหมอวีครับแล้วพอดีมีก็อยากจะถามคําถามนิดนึงครับเรื่องสมมุติว่าเรากินยาถ่ายพยาธิเงี้ยครับแล้วมันเหมือนไปฆ่ามันเงี้ยมันหือเราผิดสิ่งไหมครับคือพวกสัตว์บางชนิดนี้มันไม่มีดวงวิญญาต์คือดวงวิญญาตมันจะไปก่อนสัตว์ที่มีตาหูจมูกเป็นไก่ มีอยุเ่านั้นถ้ามันไม่มีตาคงจะมีรกายนี่มันจะไม่มีดวงวิญญาณเหนก่อนนะอ๋อคือคล้ายๆกับที่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นหนอนที่มีขึ้นนะครับคล้ายๆกันเลยครับนเหมือนเป็นสิ showers, well ortal, oh, hmm. ่งที่มีชีวิตแต่ไม uh ่มีวิญญาณเหมือนก่อนเช่นพวกแบคทีเรียพวกไวรัสทั่วไปอืมครับในนี้ถ้าเียนบ้างท่านเขาก็เอาพวกหนอนไปเลี้ยงนกเลี้ยงปลาเงี้ยครับ มันก็เหมือนอย่างนี้เขาก็ไม่บาปใช่ไหมครับอันนี้เราก็ไม่รู้ถ้ามันไม่มีดวงวิญญาก็ไม่บาปนะครับแล้วอ่าอีกแล้วสมมุติถ้าคนที่เขาเอาสัตว์ไปตอนทำหมันเนี้ยครับก็ไม่บาปไม่ไม่บาปเพีแต่ไปทำหมันกเพียงแต่ไปไปป้องกันนะคแล้ว่าตั้งครรภ์นั่นเครับอ๋อครับ แล้วก็วันนั้นที่ฟังเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่ามีบักยูบังท่านมาให้เงินกับพระอาจารย์ทีนี้เอ่อถ้าเกิดไม่ทราบว่าลูกศิษย์ของพระอาจารย์มีพวกใบาปาวนาไหมครับแบบประมาณแบบมีบถ้าที่วัดก็จะมีใบาปาวนา้เขียนได้ไม่มีใบ า, าวนาก็าเขียนเองได้เขียนมูลสองก็ได้ขอถวายปัจจัยเท่านั้นท่านนี้นะจ๊ม แล้วอย่างนี้แล้วไปคําถามนะครับว่าพดีว่าที่วันอาทิตย์นะครับอย่างนี้ถ้าบางท่านแบบเจาะจงว่าอยากจะใส่บาตรเส่ผ้าอาจารย์เงี้ยครับเขาจะได้เรื่องกุศลมากมากไหมครับไม่ถึงใส่ถึงไปใส่ด้วยตัวเองแม้วมาฝากใส่ให้ช่างสมเอ่อไปไปใส่ด้วยตัวเองเาาแต่แบบประมาณว่าเด็กก็ใสแค่ท่านองคเดียวแต่สักองอื่นก็ไม่ได้อยากจะใส่หรือเนี้น <S <S <อ>งเหมือนเจาะจงคนที่ทำ พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นประโยชน์น้อยกว่การถวายแบบหน้าจอจบเพระจะทําใชห้เราช่วยเหลือศาสนาได้มากกว่าหน้าจอดโจมพระรุ่นเดียวเนี่ยพระรุ่นนี้ตายไปเราไม่มีพระรุ่นมื่นมาทําหน้าที่ต่อแต่ถ้าเราถวายต่อให้พระทุกลุ่มสมวติพระลุกนใดรุ่นหนึ่งตายไปยังมีพระรุ่นอื่นมาทําหน้าที่ต่อได้พระเจ้าจูกบอกว่าให้ทําบุญด้วยการถวายให้เป็นสักทาน คือถวายให้กับสมถวายให้กับพระทุกลุกครับอย่างว่าตอนนี้ก็ที่อาจารย์สอนก็เลยเจอพระถ้าอ่าถึงจะนั่งรับก็ผมก็ซื้ออาหารถวายโดยที่ไม่คิดอะไรใช่เพราะว่าบางทีท่านไม่รู้จะเป็นไหนเดินไปไม่เหมือคนใส่สมัยนี้คนก็ไม่ทำของข้าวเองมามาซื้อกับข้าวที่ตลาดใช่หมคุณก็ไปซื้อ คุก็ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดใช่ไหมแ้วคุไม่ให้ทำกับข้าวที่บ้านใช่ครับก็ก็หาผคือก็ตัวเองเขาไปก็ไม่ได้ทันแบบพระที่บินถวายด้วยครับเจอ<ม>ท่านมาก็เหมือนท่านก็นมาโปรดแล้วก็เหมือนเราก็แค่วางจิตว่ารเราถวายเพื่อเหมือนที่อาจารย์บอกครับเหมอให้เราบำเพ็ญพุธศาสนาแล้ ว, ลวกันครับครับอาจารย์ทีนี้อยากจะจะถามอาจารย์นิดนึงครับอย่าง อคำมักของลุกปูดุล น, นะครับที่บอกให้รู้ตัวบ่อยๆถ้าจะได้ผลจริงๆก็ต้องฝึกสมาธิฝึกสติด้วยถูกไหมครับก็ฝึกสตินี่แหละเป็นการทำให้เรารู้ตัวบ่อยๆคบอ๋อเพราะว่าเหมือนพอนั่งจายนั่งสมาธิแล้วก็ถึงจะอึดอัดบ้างแต่พอเปลี่ยนมาพุโทโธพุโทโธดูจิตที่ที่อาจารย์บอกที่ที่จมูกใช่ไหมครับก็ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็เหมือนมันทําให้เหมือนหลายๆท่านที่บอกว่า เหมือนรู้ตัวบ่อยขึ้นนะครับโกรธปุ๊บก็อรู้ตัวก็จะหยุด<อ>ไม่ปุ่งต่อพอมีสติมันจะรู้อาลมจัดๆได้เร็วครับครับก็จะเอาไปปฏิบัติต่อครับอาจารย์ใชครับขอบคุณครับอาจารย์สาธุดอูอิยดอร์ดนัทเซิร์ กรับนมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงสบายดีนะมีอะไรไหมสบายดีค่ะไม่มีค่ะแค่มาอยา่ขอพรพระาจารย์แล้วก็จะมารายงานตัวด้วยค่ะเพราะว่าเอ่อตอนนี้ก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์บอกทั้งเช้าย็นเช้าเย็นเลยค่ะค่ะเขอให้มีความสุขความเจริญให้รำให้รวยสวยไม่สามบ้านไม่ลุงโดยนะ ริมรั้มเลยตอนนี้สาธุครับอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ขอให้บุญกุศลที่คุณปุ้ยทําขอให้พระอาจารย์ได้รับขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอบุญกุศลนี้ของใครของมันให้กันแบ่งให้กันไมได้หลอกใครทําใครกร็ได้อเอ อ, อโอเคโอเคถอยคุณปุ้ยทำทีละก็แล้วกันไม่อยอมคุณปุ้ยหมดเลยโอ้คุณปุ้ยกอ็นึกว่าเด้อ คุณปุ้ยพอส่งบุญไม่ให้พระจันได้ก็ได้คดีเราจะไม่ต้องทําอะไรนั่งรอรับจากฤาษี <c oughs> อย่างเดียวันนี้คุณปุ้ยไม่เห็นพาาระจเนี่ยเห็นได้คนอื่นต้องต้องไลน์จับไปเรื่มันบางทีมันเยอะมันคนมันยเยอะไงอ๋เอเห็นแล้วคะนะ่ะข อ, ขอบคุณโอเคนะท่านนะี้จะจะรีบไปนะ ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะุณเกคุณเกเลน์ับอเจลดอกนี้เขาเรียกชนิดอะไรคกกระตูล่ะคกกระตูวเจ้าค่ะคกกระตูเจ้าค่ะอยู่ประมาณเจดกว่าปีเจ้าค่ะเจสกว่าปีเออายุยืนยาวทํามไนู้นไปนะเจ้าค่ะไม่แน่โยมอาจจะตายก่อนเจ้าค่ะถารจะเลี้ยงมัน ก็ไม่รู้แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมเจ้าค่ะตายแล้วแล้วกันเจ้าค่ะไม่เป็นห่วงเจ้าค่ะไปดูนะโอเคดีเ้าค่ะเดยวเข้าประกาศนรมรการเฉยใฉเจ้าค่ะไม่มีอะไรเจ้ค่ะไม่ม่เจอทำงานจะกลับมาเงทั้งเมื่อไหร่โอ้ตอนนี้ยังหาคนเลี้ยงนกไม่ได้เจ้าค่ะโอเคลูกสาวก็หนีกันหมดแล้วเจ้าค่ะเหลือแต่โยมกันนกสองคนโอเค เจ้าค่ะได้เนี่ยเท่านนี้ก่อนนะเจ้ค่ะสาธุเจ้าค่ะอ่าเป็นสิทธิพงค์คิมันยาวไปหน่อยเลื่อนไปครับกลับมามาสการพระจานทร์ครับอ่าวันนี้มาทํางานที่เพชรบุรีครับผมเพชครับมีอะไรไม่มีคำถาตาไรไมไม่ไม่มีครับก็เข้ามากานมาสการพระจาจารย์ครับ ขอให้พ<ห>ระอาจารย์พัานแข็งแดงนะครับผมวันธรรมเพอกโอเคยันไปที่อะไรุกไหมูู้ปาลราบนามสการอบาบหยกนะสามใเล็กไม่ค่อยออกบหยกมุกไม้ภูปาได้ทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอ นุยตอนนี้ป<ด>ิดแจ้งปิดแจ้งแล้วะสอบผ่านเนี้ยสอบผ่านกันทุกคนนะได้ขึ้นชนั้นกันทุกคนนะสอบติดแล้ว ค, ะวคะ่ะดีสิเลี้อ่าติดอะไรติดสาที่ไหนติดบาดินค่ะบดินชาสิงสิงค์ค่ะสิงค์ค่ะใช่ภูาภูขึ้นชั้นไหนนะ มอนหนึ่งครับอ๋อมอนหนึ่งนะโอเคตั้งใจเรียนให้ดีนะม่ไม่มีอะไรไหมไม่มีมมค่ ะ, คะมารายงานตัวกับหลวงตาค่ะโอเคดีใจที่เห็นหน้ากัน <c oughs> โอเคหนะ้าขอให้พระหลวงตาสุชาติมีอายุยืนยาวเลยนึ่งร้ยยีย่สิบปีนะคะตาสาธุจ้ะถ้ า, ยายอยู่หน้าก็จะอยู่ ถ้อยู่ไม่ได้ก็ไปกันวันหน้าโอเคถ้าไม่มีอะไรก็ไปแล้วนะไปเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะอาจารย์สุกตอนนี้ถึงคิวเฟซบุ๊กแล้วนะคําถามจากเฟซบุ๊กเชนคืนนี้มีทั้งหมดสิบคาถามนะคะตอนนี้ค่ะค่ะคําถามแรกจากคุณสุกทุกอยู่ที่ใจค่ะ เกือบปีหนึ่งที่ผ่านมาผมปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์ทานศีลภาวนาศีลและภาวนาจะทำได้ทุกวันส่วนทานทำตามกาลังไม่ได้ทุกวันครับทําโดยไม่คาดหวังอะไรจะได้อะไรแบบที่พระอาจารย์สอนว่าทำไปอย่าไปคาดหวังจะเป็นกิเลสแบบนี้ถูกต้องไหมครับขอพระอาจารย์แนะนำด้วยครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดรอบที่63ามของผมขอเมตตาพระอาจารย์อวยพรให้ผมด้วยครับ ก็ทําไปว่าผลมันจะตามไปเโดยอัตโนมัติไม่เท่าไหร่หวังมันเป็นเหตุเป็นผลก็มีหน้าที่ทำก็ทำไป ท, ำไทําได้เท่าไหร่ก็ทำไปทําได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีส่วน so, วันเกิด น, นี้ก็ขอให้เป็นวันเกิดครั้งสุดท้ายแล้วกันนะไม่มีวันไม่เกิดบ้างนะมันดีกว่าพอเกิดมาแล้วมันทุกข์ถ้าไม่เกิดแล้วมันจะไม่ทุกข์เอไม่เกิดมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันขอให้ได้พบกับ ว, วันไม่เกิดนะคําถามต่อไปจากคุณจอยค่ะคนขายปลาสวยงามหรือทำฟาร์มปลาบาปไหมคะสามีชอบเลี้ยงสัตว์มากชอบเลี้ยงปลาตอนนี้สามีอยากทําอาชีพคือเลี้ยงปลาสวยงามไม่แน่ใจว่าเป็นอาชีพที่ควรทําหรือไม่ควรทําค่ะมันก็นอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของมือก็ใช่มันก็มันก็มันก็ว่าไป เราประโยชน์จากชีวิตเขาขายปลาปลาเข้าก็เอาไปเขาเอาไปกัดเอาไปเก็บไว้ในตู้แล้วไม่มีสาภาพดั้นเราก็เหมือนกันเราไปไปลิฟลายสารภาพของชีวิตชมพูถ้าเราเป็นเขาเราจเราจะคิดยังไงบว่าทั้งชีวิตเราจะต้องมันอยู่แต่ในตู้ อ, อย่างเดียเราก็อยากจะมีสารภาพใช่ไหมในไหนบ้างไหนหอยู่สุขสบาย เอ็นทำอาชีพอะไรก็อย่าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ครับดีที่สุดเพราะมันเป็นมันเป็นอาชีพที่ไปเบียดเปียงไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้นั้นไม่บาปแต่ว่ามันมันเป็นวิชาชีพไม่ใช่เป็นสัมมาชีพคำถามต่อไปค่ะ ที่พระอาจารย์ได้กล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ด้วยกันเพื่อพึ่งพากันแต่คําขยายความนี้ไม่สงเคราะห์เข้ากับผู้ปฏิบัติธรรมที่ปรัชนามรุผลเพราะเป็นทางที่จะต้องเดินคนเดียวพิจารณาอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าทางของนักบวชเนี่ยเห็นเห็นต้อยของการอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันก็เข้ามีความสุขามทุกข์เวลาอยู่ร่วมกันเวลาเกิดการภักทจากการเคลียร์เกิดความทุกข์นมา ผู้ที่สาวานหาการลดโทษมันต้องอยู่คนเดียวคำถามต่อไปจากคุณชัดค่ะตอนนี้กำลังทำแบบพระอาจารย์ที่ทำงานน้อยปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวแต่สังคมรอบข้างไม่เข้าใจและมีแรงเสียดทานรอบข้างเยอะมากไม่ทราบว่าตอนที่พระอาจารย์ตอนนั้นพระอาจารย์ใช้อะไรสอนใจอย่างไรจึงได้เป็นอย่างที่เป็นได้โดยไม่สนใจคนรอบข้างครับ ก็เวลาสุดหรือเวลาทุกคนหนึ่งเขาไม่มาสุดมาทุ่มแทนก็ ค, คิดแค่นี้ก็แลนะ้วกันใครก็จะคิดอะไรก็จะพูดอะไรก็เรื่องของเขาแต่เวลาสุดมาทุกมเนี่นเขาไม่มาสุดมาทุ่มกับเรา <c oughs> คำถามต่อไปจะคุณเอกวิทค่ะกระผมกําลังเปลี่ยนใจหันมาทุ่มเท ศ, ศึกษาธรรมะและจะออกบวชแต่คนรอบข้างอยากให้หันมาหาเงินสร้างครอบครัว มีลูกเมียแต่ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงหาไปก็วุ่นไม่จบและเป็นสิ่งไม่เที่ยงควรหาอาริยทรัพย์จะดีกว่าไม่ทราบกระผมคิดถูกหรือมาถูกทางหรือไม่ครับถูกต้องนะละทางเดินตามพระพนะุทธเจ้าเป็นวิถีทางที่ถุกต้องที่สุดนำไปสู่ความสุดที่แท้จริงนำไปสู่การหลุดพ้นจากหลุดพ้นจากาทุกข์อย่างถาวร คำถามต่อไปจากคุณฉันไม่ใช่นางเอกคะ่ะพระอาจารย์รับสังฆทานหไหมคะรับหน่วนะถวายอะไรก็รับท่านสังฆทานบุคคลวิญทานแลแต่คนถวายถวายแบบไหนก็รับได้คำถามต่อไปจากคุณอู๋คะ่ะกรับเรียนถามพระอาจารย์คะ่ะพอถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ้นแล้วทําอย่างไรถึงจะพึ่งพาตัวเองได้เจ้าคะก็รับมาเพราะตอนนี้ก็พยายามศึกษาให้มากปฏิบัติให้มาก อเราบรรลุดทำแล้วเราก็จะเป็นที่พิ่งของเราเองได้ต่อไปคำถามต่อไปจะคุณปุ๋ยค่ะนมัสการค่ะตอนนี้เวลานั่งทํางานจะเปิดธรรมะฟังบางทีฟังเกือบทั้งวันแต่กลายเป็นว่าเริ่มจะขี้เกียจปฏิบัติค่ะฟังธรรมบ่อยๆแค่ไหนถึงเยอะเกินไปคะได้ยินมาว่าฟังธรรมวันละชั่วโมงเพียงพอควรเน้นที่การปฏิบัติค่ะถูกอฟังมากเกินไปมันก็ไม่ทําให้เกิด ผลจะเกิดต้องเกิดจากการปฏิบัติแตการฟังธรรมนี่ฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหรือฟังเพื่อให้เกิดกำลังใจงั้นไม่ต้องฟังมากฟังวันลาช่วโมงนี่การู้สึกว่าพอเพียงคำถามต่อไปจะคุณเทวเทพค่ะกลับนมัสการครับการทําสมาบัติทําอย่างไรบ้างครับสมาบัติก็เป็นการทําสมาธิอย่างขั้นสูงสุดขั้นของความสงบเต็มที่แล้วรกสมาบิ คือมีสังวรระดับรูปประชานลกศึกษาแบบรูปประชาแล้วก็ถึงไปถึงระดับสมาบัติก็คือการการทับการหยุดการทํางานของเวทนาและสัญญาอย่างเป็นที่คำตามต่อไปจากคุณโอริชิชาค่ะกลับนมสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะกลับยนถามพระอาจารย์ว่าโยมชอบทําบุญให้ทานทุกวันเจ้าค่ะ หากวันไหนยังไม่ได้ทําก็จะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่และจะหาทางทําให้ได้ในทุกวันแบบนี้เป็นกิเลสหรือเปล่าเจ้าคะ่ะนพ ก, กระพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าทําให้เราทุกข์ก็ถือว่าเป็นกิเลสเวลาต้องทาทำทำอย่างเต็มที่ทําแต่ถ้าวันไหนทําไม่ได้ก็อย่ากไปทุกข์ก็มานยามแล้วว่าเราอยู่ในเโลกของงานน่จจ์ไม่มีอะไรแน่ น, นอน ถ้าอยากจะสบายใจก็ทําให้มันหมดไปทีเดียวอะไรก็หมดเรีย่ยจะได้ไม่ต้องวัตถุ ก, กับกบ ก, กับวันที่ไม่ได้ทําคําถามต่อไปจากคุณก้อยค่ะขอเรียนถามว่าอสวกิเลสมีอะไรบ้างคะแล้วเราจะทราบอย่างไรว่านี่คือสภาวะที่เกิดอสวกิเลสค่ะอสวก็คือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยที่มันละเอียดที่มันเหมือนกับเป็นเป็นเหมือน สีที่มันติดในเสื้อผ้าขอะเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วอาสวะขอใหรู้ว่าเราโลภเราโกรธเราหลงหร่อเปล่าพอๆกันคำถามสุดท้ายค่ะคำถามจากคุณแมวเหมียวค่ะสวดมนต์ถือว่าเป็นการภาวนาไหมคะเป็นการเจริญสติก็เป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาแต่ยังไม่เป็นสมถะภาวนาเป็นที่ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ดับตาดูลงหายใจเข้า เมื่อจิตจะได้รวมก็สู่สมาธิได้ต่อไปเรื่องต้นการสวมดมนต์นั่นก็เป็นการดึงสติขึ้นมาเ ป, นเป็นการสร้างสติขึ้นมาเพื่อนั่งสมาธิโดยวาหมายใจเข้าออกได้หมดแล้วใช่ไหมเพิ่พมีอีกคําถามนึงเข้ามานะค่ะขออนุ ญ, ญาตค่ ะ, ะจากคุณมณ์ค่ะจากคุณมณฑิราค่ะกราบในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะรูปขอกราบเรียนถามในจริตของรูปชอบใช้กายเครื่องอยู่ของจิต ทุกครั้งที่มีอารมณ์เกิดขึ้นลูกจะเห็นทุกครั้งที่จิตกระเพื่อมกลางอกเจ้าค่ะแต่ลูกไม่ค่อยทานกิเลสละเอียดเลยเจ้าค่ะเช่นความคิดเรียนพระอาจารย์ลูกควรพุทโธเสริมขึ้นมาให้จิตอยู่กับพุทโธเพิ่มหรือไม่เจ้าคะเพื่อเพื่อไม่ให้จิตวิ่งไปตามความคิดเจ้าค่ะถ้าจิตยังวิ่งอยู่ยังคิดอยู่ก็ต้องใช้พุทโธหยืดควาดทินได้ หมดแล้วคคุณซัมซุงเพิง เ, เ, ขาาเข้ามาสุดท้ายเชิญถามาแต่ภาพจะเสีงยงไม่เข้ า, าครับยังยังไม่คอนเนค t to ออเดียนะะได้ยินเราไหมครับคุณซัมสุอยางสัญญาอาจะชา้าาใครอยากจะถามไหมมีใครมีคำถามอยากจะถามตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ถามได้ก็เลขสิบนาทีโอเคครับวันี ครับบริษ okay. ยบมือครับผมพ่อครับที่หลวงเรื่องบา ร, รมีมันให้กันไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไปอยู่คนที่มีเวลารมีเราเหมือนจะล่มเย็นตามอันนี้มันคื อ, อยังไงครับในส่วนก็เราอาศัยบา ร, รมีของหนึ่งเป็ น, เ ป, นเป็นตัวชุดล่างให้เราสร้างบา ร, รมีของเราขึ้นรรมาอยู่กับคนที่มีปัญญาบา ร, รมีเราก็จะได้ซึ่งเราก็จะได้ศึกษาจากท่านได้ปัญญาจากท่านแล้วเอามาสร้างให้เป็นเป็ น, ป, น, ป, น, ป, นปัญญาของเราต่อไป เอ๋อก็ที่บอกเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับเมื่อต้นคนมีบารมีสิงสาราสัตว์ก็จะมาพึ่งใบบุญอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ได้เอาไปหยิ่ใกล้ๆท่านแล้วบารมีของท่านมันจะแผ่ร้ายเราไม่ใช่เราต้องเรียนเรียนจากท่านถึงจะได้ปัญญาท่านทำความเพียรแล้วท่านขยันแเราก็ต้องทัดตากท่านเราถึงจะได้ความขยันไม่ใช่อยู่ไปอยู่ใกล้ๆท่านแล้วมันจะมันจะ มันจะถายเทไม้เราโดยอัตโนมัตินั่นไม่ใช่เหรอครับออเห็นมีแบบเรื่องทานครูบาจารย์ท่านแบบมีแต่คนมาถวายเยอะพระลูกวัดก็จะได้อ น, นี้ส่งตรงนี้ไปด้วยอย่างนี้เปล่าครับถ้านในส่วนนั้นครับอ๋ออันนี้มันก็มันก็มันก็เป็นเป็นส่วนเนี่ยที่ได้ได้จากการที่ครูบาจารย์ท่านมีมีทานเยอะเราก็นด้ใช้ของใช้แม่สอยอะไร ที่ท่าได้รับมาท่านก็นแ บ, บ่งให้เราไอแต่ก็ไม่ใช่บารมีที่เราสร้างเองเราคือแบบไี่แย่งมาจากท่านแต่ละใช่ทานบารมีเราต้องเป็นคนเสียสละเขา้าของกับทอของเราให้แก่ผู้ อ, อือครับก็โอเคเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อคนสามชงพูดได้ยังเข้ามาแล้วแต่เสียงอาจจะไม่ไม่ไม่เปิดคนสามชดไม่ยินไหม ระ บ, บเสียงก็ไม่ได้เปิดครับรอาจะเพราะเวลาเข้ามาไม่ได้คอนเนคไม่ได้ใช้คอมพิวเเทียวต้องต้องออกไปใหม่นะฮะลองลองพดลองออกไปใหม่ดูดูไหมฮะโอเคกนะ็รู้สึกเขาไม่ได้ยินเสียงเราด้วยนะโอเคคุณจิ๊บครับคุณจิ๊บกลับมาครับคุณจิ๊บค่ะการประการค่ะอาจารย์จะขอเอ่อยมขอถามอีกรอบนะคะคือการมีมุติตาจิตนี้ถือว่าเราได้บุญบารานีไหมคะได้แบบ ก็ก็เป็นเป็นการแสดงน้ำใจของเราหมาว่าเราไม่อิจฉาหรือเสยียดต้องไม่ไม่เสียใจเช่นเราเล่นกีฬาแล้วเราแพ้เนี่ยเราก็ไปแสดงความยินดีกับผู้ชนะค่ะไม่ใช่นนมันถือเป็ น, ปนการถือเป็นการให้ทานไหมคะหรือแบบไม่ไม่เกี่ยวกับทานทานคือการที่เราให้ให้ความช่วยเหลือหรือให้เป็นการการะงับความอิจฉาหรือเของเราระงับความเสียใจของเราด้วยการยินดีกับความ คำชนะน้ของเขาค่ะหรือไม่ก็อย่างเช่นถ้าใครทําอะไรเราแล้วเรายอมให้เขาทําให้มันเกิดขึ้นถ้าเราทนได้ก็เราไม่ได้เสียใจกับมั น, นก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นมุนิตาอย่างก็แล้วถ้าทํเให้ครับส่วนของเขาเราก็ยินดีด้วยค่ะเราอีกอีกคำถามนะคะพระอาจารย์การทิ่เมื่อกี้ได้ยินว่าถ้าพี่คนหนึ่งถามเรื่องโสโดาบันต้องมีถึงข่านอัปปนาสมาธิใช่ไหมคะใช่รอัปปนาสมาธิ ค่ะมันถึงมันลักษณะเป็นเจ้าค่ะจิตสงบนิ่งแล้วไม่เบรคขาหนาๆก็เรียกว่า อ, อตัตนาสมาธิคือเวลานั่งสมาธิก็จิตสงบนิ่งไม่วอกแวกไม่หลุด อ, <บ>ออกจากภานเนื้อสัตว์แต่ว่าูเยๆแล้วก็นิ่งไปนานๆอ๋อก็คือเหมือนที่รู้ซื่อๆรู้เฉยๆค่ะ แต่แล้วมันต้องเกิดในถึงขั้นปัญญาด้วยไหมคะว่าเวลามีควมันก็จะเฉยเหมือนกันใช่สมาธิมันจะทําให้เราเฉยเวลามีอะไรมันก็ะทบกับจิตใจแล้วแมันจะอยู่ได้ไม่นะก็คือก็มันพอจากสมาธิมาสั้นๆมันก็หายไปได้หมได้อ๋อคืออัปนาสมาธินี่คือมันก็ต้องทําบ่อยๆมันทํากฝึกกับเราจนเป็นที่ ที่เขาเรียกว่าวาสีหรือเปล่าคะพระอาจารย์ที่คือเป็นนิสัยที่ติดนิสัยเป็นนิสัยตามส่งอะไรคำแบบพวกนี้ใช่ไหมคะมันก็ยังหวดอยู่เพราะมันเยอะในระดับสมาธินี้มันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ทำอยู่เราหยุดทำเมื่อไหร่มันก็หายไปได้ถ้าอยากจะให้ใเวขาอยู่ใบตลาดาษแล้วต้องทำชั้นขั้นปัญญ า, า, าต่อไปชั้นปัญญาทิจนาตายแล้วก็ปล่อยวาง แสดงว่าการเจริญปัญญามาสําคัญมากกว่าการเจริญสมาธิถูกไหมคะมันจะทําให้จิตเราวิบวับไปค้าอย่างเท้าวออืมก็คือถ้าเราปล่อยวางในเรื่องที่มันกระทบในขณะที่เราออกจากสมาธิมากขึ้นมากขึ้นได้เรื่อยๆจนถึงถ้าเราปล่อยวางอุเบกขาตารักได้คือแล้วมันอันนี้มันจะเป็นนิสัยที่ตามเราไปเรื่อยๆถูกใช่ไหมคะคือจะปล่อยต้องเห็นเห็ น, นตารักในสิ่งที่ ที่เราไปเยื่นไปเทนค่ะเจ้าค่ะกลับขอบคุณสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระอาจาย์พระผู้แข็งแรงนะคะแล้วฝากขอบคุณคุณหละกับที่จุดด้วยนะคะที่ส่งหนังสือมาให้ขอบคุณมากๆค่ะมีคุณจีนะฮะคุณจียกมือครับคุณแจ็คคุณจีต่ออ่ากับเรียนสารพระอาจารย์ค่ะก็คือ เมื่อกี้เห็นมีอ่ามีคำศัพท์อันหนึ่งที่เรียกว่าภาวนาอ่ามันจะอยู่ในเสเตชั่นไหนครเริ่มจากศีลสมาธิคือสมาธินี่ก็เป็นภาวนาอย่างหนึ่งปัญญาก็เป็นภาวนาอย่าง่งสองอย่างนี้เป็นภาวนาสมาธิเราเรียกว่าสมาถภาวนาปัญญาเราเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาอ่า ม, มันคือมันคือมัน มันคืออการเจริญการเจริญสติเพื่อให้จิตสงบกขาเรียกว่าสมถะนอนการพิจารณาปัญญาพิจารณาตายักเขารเรียกว่าวิปัสนาปัญแล้วอีกอีกคำถามหนึ่งก็คือจะถามว่าถ้าเราอเขาเคยบอกว่าปัญญาเนี่ยสามารถเกิดได้จากการฟังการคิดแต่กองแล้วก็การาน สามอย่างนี้ถ้าเราฟังอย่างเดียวเราจะไปถึงปัญญาได้ไหมคะฟังอย่างเดียวก็ได้แค่อันแรกได้เคยได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเราฟังแป๊บ เ, เดียเดี๋ยวเราก็หลงได้มันก็จะหายไปมันไม่ถาวรการได้ยินได้ฟังทำมันก็เดี๋ยวฟังทักทักก็เดี๋ยวมันองหลงไปนี่นเราถึงต้องทําขั้นที่สาม 3, คือเอามาคิดต่อ่ปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงเรียกว่า ปัญญาที่เกิดจากการคายโขนคิดพิจารณาอย่งเงื่อนเียกว่าจินตามะยะปัญญาชวนปัญญาระดับที่สามนี่หมายถึงปัญญาที่ต้องมีสมถะภาวนาเป็นผู้สนับสช่ไหมเวลเราไปฝึกสมาธิให้เกิดอุเบกขาเกิดอัปปนาสมาธิขึ้นมาแล้วเราก็เอาปัญญาที่เราได้จากจินตามะยะปัญญานี้ที่เราคายโขนนี้มาใช้มาแปลงให้เป็นเป็นภาวนามยปัญญา ถาเป็นภาวนาปัญญาปัญญาก็จะสามารถตัดกิเลสได้ดับความทุกข์ได้ปัญญาสองอันแรกนี่ดับไม่ได้กําลังไม่ไม่มีขอบเค่ะปัญญานี้คือมีสิ่งทุกเรื่องไว้ใช่ไหมคะทุกสรรพสิ่งก็ปัญญานี้ก็มีไว้เพื่อให้เราเห็นครับเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไป็นของเชื่อกราบไม่มีอะไรเป็นของเราอย่าไปยึดไปติดว่าเป็นของเรา เพรามันจะทำให้เราทุกเวลามันไม่ได้เป็นของเราค่ะจับใจนะค่ะกตุน้ค่ะคุณนอนนะ่าอนนนหึงมนนนนนวานอนนอนหรือแบบคุณนอนแน่าจะเป็นคุณนอครับเดี๋ยวนะบทีก็เปิดเปิดหน้ามาทีใช่ไหมเราะยังปิดแล้วมไม่อยากจะพูดะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวน่สิเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณคุณนอนพูดได้เลยฮะ ได่เลยแต่ว่านงมองไม่เห็นอะไรเล ย, เล ย, เล ย, เลยค่ะกลั บ, บ, บพูดได้เลยนะวันสะการพระอาจารย์ค่ ะ, ะ<ม>พูดได้ไม่น้ไม่ไมนม้เห็นก็ได้ค่ะอยากกราบขอบพระคุณนะคะคือได้ฟังคำสอนของพระอาจารย์แล้วทําให้แบบเหมือนตื่นรู้ได้มากขึ้นนะคะค่ะก็ดีใจดีใจเลยคือปกติเนี่ย ทำธุรกิจเนี่ยมันมีความเครียดทุกวันแล้วก็เพื่อนฝูงก็ก็จะชวนไประบายความเครียดด้วยกันไปดื่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันขัดแย้งกับตัวเองแล้วก็มาได้ฟังคำสอนของพ่าอาจารย์บ่อยๆก็เลยได้มามองมองทั้งปัญหาให้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็มองถึงโทษถ้าเราต้อง ไปดื่มไปเสียเวลาแล้วก็ร่างกายเสียหายอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็เลยโอกาสได้กลับมาขอบพระคุณค่ะแล้วก็เริ่มปฏิบัติอ่าฝึกสมาธิค่ะปกติจะนั่งวิธีผ่อนคลายที่นี้ก็คือการฝึกสมาธินะคะค่ะเพิง่งเพิ่งปฏิบัติได้สัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วนิดนึงเองค่ะ ไมเป็นไรเริ่มต้นได้เมื่อไหร่ก็ทำไปไเรือ่อยๆแล้วก็ทําไปได้มากขึ้นมากขึ้นไปเองค่ะแล้วก็เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วไปใส่บาทรพระอาจารย์มาจากชลบุรีต้องต้องตื่นตีสามทําอาหารแล้วก็ไปถึงนู่นประมาณเจ็ดโมงไปรอใส่บาตรพระอาจารย์มาก็รู้สึกดีใจเหมือนมีพลังมากขึ้นเหมือนได้เข้าใกล้ การจัดมากขึ้นนะคะค่ะให้เข้าให้เข้าใกล้ในฐานธรรมะปฏิบัติใช่ค่ะโดการปฏิบัติด้วยการปฏิบัติเอาธรรมะเข้ามาในใจเอานีกว่าเพราะการเข้ามาทางร่างกายกันชั่วคราวดี<อ>๋ยว่าต้องแยกกันนะ้วไม่ร่องจาร์กแต่ถ้าเอาธรรมะเข้าไปแล้วมันจะอยู่กัเราไปตลอดกลาบกอับไปตนค่ะ โอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจะถามเนะื่องค่ะค่ะเออนค่ะโอเค <S <S มีคุณาพิเศษยกมือครับอาจารย์ค พ, พิเศษอาจารย์ครับพระอาจารย์รบกร่อนเวลาพระอาจารย์อีกนิดหนึ่งครับได้อาจาเอ่อตอนเออบางทีผมใช้ในเรื่องที่พระอาจารย์แนะนำเรื่องของไอ้ใช้เรื่องอารมณ์ของความตายนะครับพระอาจารย์เออเวลาทําสมาธิเนี่ยมันจริงๆผมก็ ไล่อารมณ์ลงตามอาการของคนที่ตายนั่นแหละแต่ว่าไล่ลงมันอารมณ์มันคลายลงไปหน่อยหนึ่งแต่มันยังเข้าไปในสมาธิไม่ได้เพราะว่ามันวางลงไม่ได้นี่ไปถึงจุดหนึ่งนะครับอาจารย์ต้องดูลงต้องดูครับคราาับมาดูลงอายใจที่ปลายจมครับผมอาจา <N> รย์นะคําบงั้นงั้นแค่นี้ครับอาจารย์ครับ <Okay. S 2> ลูกก็ต้องเข้มข้น อลิซครัออลิซปูพาครับปูพาเงื่นไขมสเตอรสแนจค่ะตรงต้าขอโทษค่ะโยมเราขอรบกวนอีกนี้ะค่ะพอดีโยมมีที่ดินผืนหนึ่งที่ได้มาจากพ่อกับแม่แล้วโยมก็เลยคิดว่าโยมอยากจะถวายให้กับพระมาทำสำนักสงฆ์โยมอยากทราบว่าถ้าโยมถวายไปพ่อกับแม่จะได้ดุมไหมคะออ พ่อแม่ก็ได้บุญตั้งแต่ตอนนี้ก็ให้เรามาแล้วถ้าเราถวายแล้วก็เป็นคนได้บุญแทนพ่อแม่แต่เราสามารถแ บ, บ่งบุญที่เราได้มาเนี้ไปให้กับพ่อแม่ได้ขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยาสกแกนจะค่ะเวสนะครับดีนค่ะเข้าใจพ่อแม่เขาได้บุญตั้งแต่ตอนนี้เขายกยกยะดุมที่บุญเดินนี้ให้กับเราแล้ว ทีนี้ถ้าเราไปยกให้คนอื่นต่อแล้วก็ได้บุญและเราก็สามารถแบ่งนี้แบ่งบุญ น, นี้ให้กับผู้ที่ร่วงนับไปแล้วได้แต่ได้ส่วนน้อยมากนะถ้าว่าบุญที่นี้เป็นเหมือนน้ําที่เหลือติดอยู่ในแก้วเวลาที่เราเทเทน้ำหออกหมดแล้วนี่ไม่มากโยมก็ขอให้ลูกพ่อที่ไปดูที่แม่ตารับที่ค่ะ ก็อย่าไปหวังอะไรตามตามมีตามเกิดดีกว่าถ้าท่านรับก็ดีถ้าทานไม่รับเดี๋ยวก็าจจะมีองค์หนึ่งมารับแทนก็ได้อย่าไปอย่าไปเจาะจกมากจนเกินไปโยมเริ่มรู้สึกว่าข้าวของที่มีมันเหมือนเป็นทาราอยมไม่ค่อยยากได้เได้ถ้าถ้าไม่ได้จริงไม่มีใครเขาจะเอาถ้าขายได้ก็ขายแล้วเงินไปถวายวัดไถยก็ได้ ค่ะขอบคุณค่ะหลงตาลางทีพาเข้าไปดูลาแต่มจะไม่อาจจะเป็นที่ที่ไม่เหมาะกับการทำวัดจะทาสร้างวัดก็ได้สร้างสังนสงฆ์ก็ได้ถ้ามันไม่สมบูรค่ะพระพค่ะขอบคุณค่ะหลวงต า, อ า, ตาโอเคมาดูมาดูค่ะะรูเหตุคุณมาลียกมือครับมาลีได้มาลีเช เอลเลยทุนาทีนะครับ่ะเมื่อไหร่หลวงพ่อคะเจอล้วควรถามว่าเราจะให้กำลังใจยังไงไหมให้มันเหมือนไม่ถอดใจหรือว่าท้อในการปฏิบัติเพราะว่ามันยังไม่ก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่ว่าการนด้มาเกิดเป็นเจอพระพุทธศาสนา น, นีเป็นของที่ยากมากเราอยากปล่อยโอกาสอันยากที่เราได้มานนี้หุดไปเลยไม่ได้ทำประโยชน์อะไร ถึงถึงแม้ว่าเรายังไปไม่ถึงแตก่ก็ขอให้เราทำใช่ไหมทำาที่<ม>เราจะทำได้ทำไปตามควาหลั ง, างมาค่ะหลวงพ่อกลับขอบพระคุณค่ะก่อนมาชาติน่าอาจจะไม่ได้เจอศาสน า, าพนี้ก็ได้นะแล้วก็จะไม่มีใครมาช่วยสนับสนุนเราค่ะหลวงพ่ออันนี้เรามีศาสนาพุธคอยนำทางเร่รีบตัดดวงอกาสนี้ให้มากที่สุด ก็คือไม่ไม่ต้องไปหวังทําให้เต็มที่ที่สุดใช่ไหมคะหลวงพ่อทำตามกำลังของเราไปแล้วมันก็จะเต็มที่กคไปค่ขปะอขอบพระคุณค่ะสาธุค <c oughs> ่ะขอบพระคุณค่ะอีกสี่คำถามจากทางเฟซบุ๊กครับค่ะอีกสี่คำถามเชิญ <c oughs> คำถามถามจากคุณบูรภาค่ะกราบนะมัสการครับพระอาจารย์เพิ่งเลิกขายของมาหากเราจะทําอะไรหรืออธิษฐานจิต ไม่ขอมีคู่ครองเรือนไม่ขอมีคู่ครองเรือนในภพชาติต่อไปมุ่งปฏิบัติเพื่อทางนิพพานอย่างเดียวอย่างนี้ได้ไหมครับคือการอธิษฐานอย่างเดียวไม่ไม่พอมันต้องตามด้วยการกระทำเช่นเราอธิษฐานว่าเราจะไม่มีคู่ครองต่อไปเราก็ต้องไม่มีต่างพระญาติอธิษฐานไปเดี๋ยวพอเจคนถูกใจขึ้นมาก็ลืออย่างนี้ก็ไม่ได้อธิษฐานนี่เป็นการเป็นการตั้งเป้าไว้เฉยแต่ต้องตามด้วยการกระทํา ถ้าตั้งเป้าแล้วไม่ทำนั่นตามด้วยการกระทำมันก็ตั้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการตั้งเป้านี่เป็นการมันตั้งกรอบว่าเราจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้พอถึงเวลาเราก็ต้องทําไม่ใช่ว่าลืมไปแล้วก็ทําเป็นนิดนึงไปทําไปประมาครับไม่ได้ตั้งเป้าถ้าเราจะไม่อยากจะเมีกู้ครองเราก็ต้องตั้งว่าต่อไปในชีวิตนี้เราจะไม่อยู่กับใครไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวไม่มีอะไร ทุกครั้งที่ว่าอยากจะมีแฟนเขาบอก ว, ว่ามีไม่ได้นะเพรเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะไม่ไม่มีคํำถามต่อไปจะคุณแมวเหมียวค่ะมนมัสการพระอาจารย์ค่ะเวลาภาวนาพุทโธ ร, ระหว่างวันในใจพุทโธแต่ก็ยังคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้จริงๆเราหยุดความคิดได้ไหมคะเอาความคิดมันจะหยุดหยุดได้ต่อเมื่อเรามีพุทโธแร้วมีสติหยุดนัแต่ก็ไม่ได้หยุดแบบท้าววอนคร จะได้เป็นพักๆไปความคิดนั้นเดี๋ยวมันก็ต้องคิดถึมันเองแต่ว่าเราฝึกสติให้มากแล้วเราสามารถหยุดความคิดได้เป็นพักๆแล้วเวลามันจะคิดเราสามารถเดึงข้ามมันไปคิดในทาที่ดีได้ถ้าเรามีสติคํำถามต่อไปจะคุณสุขทุกข์อยู่ที่ใจคะ่ะพี่ชายผมเสียชีวิตหลายเดือนแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกความจริงกับแม่เพราะท่านรักพี่มาก รักรับความจริงไม่ได้และอายุมากแล้วผมจําเป็นต้องโกหกว่าพี่ไปอยู่ต่างประเทศแบบนี้ผมจะผิดศีลข้อสไหมครับผิดผิดแต่ก็มันอาจจะเรียกว่าเป็นกุศโลบายก็ไดนะ้คือเราไม่ทำโกหกเพื่อเราจะได้เอาประโยชน์ได้ใส่ตัวเราแลประโยชน์เราก็หกให้คนอื่เข้าไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ก็มันก็ยังถือว่าเป็นการโกรหก มาเจ้าไม่กหกผิดศีลอยู่แต่วันที่ผิดศีลเพื่อประโยชน์บางอย่างนี่นะก็อาจจะถืออนุโลมแล้วเป็นกษโลบายได้คำถามต่อไปจากคุณจิติภาศค่ะถ้ามีคนฝากทำบุญที่วัดถวายสังฆทานแต่เราเอาไปร่วมสร้างพระอุโบสถแทนจะผิดไหมเจ้าคะก็ผิดเจตนาเรืงของเจ้าของว่านี้กถ้าจะเปลี่ยนเราต้องบอกทางเจ้าของก่อนว่าจะไปสร้าง บ, แาางบุแทนได้ไหม ซึ่งความจรนงการสร้างบัวก็เป็นสังฆทานอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะพู้ตามความจริงนะถ้าวราวัตถุต่างๆที่เราสร้างถวายวัดนี่เราต้องถวายเป็นสังฆทานไม่ได้ถวายให้กับเจ้าอาวาสหรือถวายให้กับพระรูปนใดนั่นเป็นเจ้าของให้ถวายเป็นของสงฆ์เป็นเจ้าของเมืราเราก็จะเรียกว่าเป็นการถวายสังฆทานค่ะคำถามต่อไปจากคุณทัชรีค่ะ พบชาติมีความหมายอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรค ะ, ะพบก็มีมีหลายพบเนี่ยพบมนุษย์พบอะไรตนะ่างชาติก็คือการเกิดนการไปเกิดในพบนั้นก็พบชาติคำถามต่อไปจากคุณมูลทิราค่ะ ขออนุญาตกลับเรียนถามพระอาจารย์อีกคําถามเจ้าค่ะลูกเหมือนมีความคิดคอยขัดแย้งกันในตัวเองตลอดอย่างเช่นมีความคิดหนึ่งอยากไปตรงนี้แต่อีกความคิดหนึ่งสั่งว่าอย่างดิ้นรนเหมือนอย่างกับว่าความคิดที่จะไปตรงนั้นตรงนี้กลายเป็นภาระให้กายให้จิตแบบนี้ลูกควรทำเช่นไรเจ้าคะแสดงว่าเรายังมีข้อมูลไม่ชัดเจนกับทางที่เราจะไปว่าทํานายดีเหมือกันหนึ่งก็พยายามศึกษาค้นหาข้อมูลได้มากขึ้น เ่าไปทานี้เราจะได้อะไรไปทางมันจะได้อะไรเพื่อเราจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องต่อไปหมดแล้วค่ะหมดแล้วเวลาก็หมดพอดีเลยเป๊ะเลยคิดมาพอสมควรแก่เวลาอขอให้ท่านลงนามเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปค้นิ่พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าเลยทำยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอะ